ครอบครัวทำธุรกิจส่งออกซึ่งถือว่าก่ประสบความสาเร็จพอสมควรแต่ว่าตอนนี้มีโควิดก็ทำให้ธุรกิจส่งออกของคุณดวงก็ได้รับผลกระทบไปพอสมควรเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบประมาณสองปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณดวงเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีโดยขับรถส่วนตัวไปกับเพื่อนที่ชื่อเอเอนีนทางานอยู่ฝ่ายบัญชีของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทั้งสองคนเดินทางเพื่อจะไปทําบุญที่เขาคิชกูตซึ่งทุกๆวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามถึงวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสี่เป็นระยะเวลาสองเดือนเท่านั้นที่พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาจะสามารถขึ้นไปกราบสการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชกูตซึ่งคุณดวงนี้ไม่เคยมีโอกาสได้มาแต่เมื่อ มีโอกาสก็อยากจะขึ้นไปกราบสการะรอยพระพุทธบาทสักครั้งก็เลยชวนเอ๋มาด้วยที่จริงสามีคุณดวงแกก็ชอบไหว้พระทําบุญเหมือนกันแต่ครั้งนี้แกไม่ว่างก็เลยไม่ได้มาด้วยคุณดวงเป็นคนมีสัมผัสพิเศษหรือที่เขาเรียกว่าซิกเซนคือสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติได้ เช่นบางครั้งก็มาเป็นกลิ่นหรือว่าบางครั้งก็มาเป็นบรรยากาศที่ทำให้คุณดวงจะต้องขนลุกสู้โดยไม่มีสาเหตุแต่ก็ไม่เคยเห็นผีตัวเป็นๆหรือว่าวิญญาณมาลอยเป็นตัวๆให้เห็นแต่ความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดกับคุณดวงบ่อยนักวันนั้นคุณดวงขับรถมากับเอถึงจันทบุรีตอนเย็นแล้วก็หาข้าวกินกับเอที่ร้านอาหารในตัวเมือง หลังจากที่ทั้งสองคนกินข้าวเสร็จก็ขับรถกระเวนหาที่โรงแรมพักคุณดวงกับเอ๋สองคนวางแผนกันว่าจะเช่าโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆเขาคีตสกูลนั้นแล้วก็พักผ่อนตอนเช้าค่อยขับรถไปที่เขาคีตกูลแล้วก็จอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็ค่อยนั่งรถสองแถวขึ้นไปคุณดวงขับรถเรียบหาดไปเรื่อยๆตามที่เจ้าของร้านอาหารบอกเพื่อจะหาโรงแรมที่พัก แต่ทุกโรงแรมที่คุณดวงเข้าไปติดต่อห้องพักก็มักจะได้คําตอบว่าห้องพักเต็มหมดแล้วมันเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมากันมากคุณดวงก็ไม่โทษใครได้แต่โทษตัวเองที่ไม่ได้หาโรงแรมแล้วก็โทรมาจองห้องไว้ก่อนคุณดวงก็ขับรถเรียบหาดหาโรงแรมที่พักอย่างมีความหวังจนกระทั่งเอนี่สีหน้าชัดจะไม่ค่อยดีเอก็บอกว่านี่สงสัยคืนนี้ได้นอนในรถแน่เลย ไม่หรอกคืนนี้เราได้ที่พักแน่ความรู้สึกมันบอกอย่างนั้นเชื่อสิเอกก็ได้แต่ทำหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคุณดวงก็ขับรถมาจนกระทั่งเกือบจะสุดหาดแล้วก็เห็นโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นโรงแรมขนาดสี่ชั้นทาสีขาวสภาพยังดูใหม่ต้นไม้เล็กใหญ่ถูกตัดตกแต่งดูเป็นระเบียบสวยงามมีสระว่ายน้าอยู่ข้างๆตึกที่พักสภาพโดยรวมๆทั้งสองคนก็ถือว่าโอเค ดวงก็บอกว่านี่ถ้าที่นี่เต็มอีกนะคืนนี้คงจะต้องขับรถไปนอนในเมืองแล้วล่ะคุณดวงก็ขับรถเข้าไปจอดในโรงแรมเสร็จแล้วก็ลงจากรถกับเอเพื่อจะเข้าไปติดต่อห้องพักแต่โชคดีที่โรงแรมนี้ยังมีห้องพักว่างอยู่ดวงก็พูดกับพนักงานต้อนรับเรื่องที่พักเอาชั้นบนสุดเลยนะจะได้มองเห็นทะเลด้วยปรากฏว่าคุณดวงได้ห้องพักชั้นบนสุดได้ห้องหมายเลข404 คุณดวงกับเอ๋ก็ขับรถไปจอดแล้วก็ขนสัมภาระขึ้นห้องโดยอาศัยลิฟต์ตัวที่อยู่ข้างที่จอดรถคุณดวงได้ห้องที่มองเห็นทะเลสมใจภายในห้องมีสองเตียงมีทีวีตู้เย็นห้องน้ำก็สะอาดสะอา้านทุกอย่างยังดูใหม่คุณดวงก็ชวนเอ๋ลงไปเดินเล่นที่ริมหาดเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาพลบเพียแต่ยังไม่มืด ทั้งสองคนลงจากห้องพักเดินมาหน้าโรงแรมแล้วก็ข้ามถนนเล็กๆไปอีกฝั่งที่เป็นหาดสองคนเดินคุยกันเลาะหาดชมบรรยากาศริมทะเลไปเรื่อยๆจนพระอาทิตย์ตกดินก็เลยชวนกันเดินกลับโดยเดินกลับทางเดิมทั้งสองคนก็เดินมาหยุดที่ริมถนนที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมเพื่อจะข้ามถนนเข้าโรงแรมคุณดวงก็เงยหน้ามองไปที่ตึกโรงแรมแล้วก็เห็นภาพที่ทาให้คุณดวงขนลุกสู้ โรงแรมสี่ชั้นสีขาวที่เห็นในตอนแรกมันกลายเป็นภาพโรงแรมสี่ชั้นที่อยู่ในทรงเดิมแต่ว่าสีกลับดูทึมๆสภาพดูเก่าไม่น่าพักต้นไม้ที่เห็นสวยงามในตอนแรกก็กลายเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายบรรยากาศมันช่างดูวังเวงเสร็จแล้วภาพนั้นก็แวบหายไปคุณดวงไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะสัมผัส พ, พิเศษหรือเปล่าที่ทาให้แกเห็นภาพตะกี้นี้หรืออาจจะเป็นเพราะ ที่แกต้องขับรถมาทั้งวันก็ทำให้สมองแกเพลียก็เลยตาฝาดแต่คุณดวงก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับเอ๋เพราะรู้ว่าเอ๋เป็นคนกลัวผีทั้งสองคนก็ข้ามถนนกลับเข้าไปในโรงแรมเสร็จแล้วก็ออกจากลิฟต์ที่ชั้นสี่ทันทีที่คุณดวงก้าวขาออกมาจากลิฟต์มันก็มีกลิ่นเหม็นอับลอยเข้ามากระทบจมูกจนคุณดวงต้องกลั้นใจเสร็จแล้วก็มองไปที่เอ๋ที่ทําหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น สักพักกลิ่นเหม็นนั้นก็ค่อยๆหายไประหว่างทางที่เดินมาที่ห้องคุณดวงขนลุกสู้มาตลอดอย่างไม่มีสาเหตุแล้วก็รู้สึกอึดอัดอยังไงบอกไม่ถูกคุณดวงก็แอบมองอาการของเอ๋แต่ก็เห็นเอเป็นปกติไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งทั้งสองคนมาถึงห้อง404คืนนั้นหลังจากที่ทั้งสองคนอาบน้าชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ เอกก็หยิบโน้ตบุ๊กออกมาบอกว่ายังไม่ง่วงจะขอทํางานของบริษัทก่อนคุณดวงก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าแกเองก็อยากจะนอนพักเหมือนกันเพราะรู้สึกเคลียรที่ต้องขับรถคนเดียวมาทั้งวันคุณดวงก็ล้มตัวลงนอนดึงผ้าห่มขึ้นคลุมถึงอกแล้วก็คิดถึงเรื่องต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นกับแกเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันคุณดวงนอนท่องพุโทโธพุโทโธในใจแล้วก็นอนหลับไป มาสะดุ้งรู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงน้ำจากฝักบัวในห้องน้ำที่ถูกเปิดทิ้งไว้ตอนนั้นคุณดวงคิดว่าเอ๋คงจะเพิ่งทำงานเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อคุณดวงพลิกตัวหันกลับมาก็รู้สึกทั้งตกใจทั้งแปลกใจที่เห็นเอ๋นอนหลับอยู่แต่ว่าคุณดวงก็พยายามใจดีสู้เสือคุณดวงก็บ่นบอกว่าเปิดน้าแล้วก็ไม่ปิด คุณดวงคิดว่าเองคุจะไปอาบน้ําแล้วลืมปิดน้ําก็เลยลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะเดินไปปิดน้ําเสร็จแล้วก็เหลือบดูนาฬิกาที่แขวนอยู่เหนือทีวีตอนนั้นบอกเวลาตีสามกว่าแล้วคุณดวงเข้าไปปิดน้ําก็เดินกลับมาที่เตียงแต่ยังไม่ทันจะถึงเตียงเสียงน้ําจากฝักบัวในห้องน้ําก็ถูกเปิดขึ้นมาอีกคุณดวงสีหน้าชักไม่ดีถึงแกจะเป็นคนมีเซนต์แต่แกก็เป็นคนกลัวผี ก็ได้แต่ภาวนาในใจขออย่าให้เจออะไรมากกว่านี้เลยคุณดวงก็ตัดสินใจเข้าไปปิดน้ำในห้องน้ำอีกครั้งแล้วก็กลับมานอนที่เตียงแล้วคอยลุ้นว่าจะมีเสียงน้ำถูกเปิดอีกไหมแต่ก็ไม่มีคุณดวงเผลอหลับไปอีกครั้งแล้วก็รู้สึกตัวตื่นเพราะรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรหนักๆมาวางทับอยู่บนตัวแกก็ลืมตาขึ้นดู แทบช็อกเมื่อมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวผมยาวยืนอยู่ที่ปลายเตียงของแกใบหน้านั้นบอกถึงความโกรธไม่พอใจเสร็จแล้วก็พูดด้วยเสียงเกลี้ยกราดแต่ว่าหางเสียงทอดยาวแล้วก็ยกมือชี้นิ้วมาที่คุณดวงบอกว่ามึงออกไปนะคุณดวงยืนยันว่าไม่ได้ฝันแต่เห็นผีผู้หญิงนั่นจริงๆเธอพยายามจะขยับตัวแต่ขยับไม่ได้ เหลือบมองไปก็เห็นเอนอนหลับอยู่เตียงข้างๆจะอ้าปากตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงสักนิดออกมาจากในลำคออาการเหมือนกับคนถูกผีอำอยังไงอย่างนั้นแค่เพียงกระพริบตาร่างของหญิงสาวชุดขาวผมยาวก็ขึ้นมานั่งคร่อมอยู่บนตัวของคุณดวงด้วยสีหน้าแววตาโกรธแค้นคุณดวงรีบหลับตาเพราะตกใจกลัวได้แต่สวดมนอยู่ในใจเพราะเปล่งเสียงไม่ออกจะขยับมือไม้อะไรก็ไม่ได้สักอย่าง คุณดวงสวดมนต์ผิดผิดถูกถูกเพราะกลัวแต่ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคุณดวงเริ่มค่อยคอยหายอึดอัดและคิดว่าผีสาวนั่นคงจะไปแล้วแต่ทำไมแกยังขยับตัวไม่ได้คุณดวงก็ตัดสินใจลืมตาขึ้นแต่ภาพที่เห็นกลับเป็นหน้าของหญิงสาวผมยาวคนเดิมที่รออยู่เหนือใบหน้าคุณดวงแบบประชิด สีหน้าและดวงตาทั้งคู่ยังดูโกรธแค้นเหมือนเดิมมึงออกไปคุณดวงไม่เคยกลัวอะไรครั้งไหนเท่าครั้งนี้มาก่อนในชีวิตแต่ก็รู้สึกโกรธตัวเองที่ขยับพะเยื้อนตัวไม่ได้จะร้องให้เอ๋หรือใครช่วยก็ไม่ได้คุณดวงนึกถึงคําพูดของเพื่อนอีกคนที่เคยพูดว่าถ้าเจอพวกผีที่มันพูดไม่รู้เรื่องให้สาบแช่งมันไปเลยให้มันไม่ต้องได้ผูดได้เกิดทันทีที่คุณดวงนึกถึงคําพูดเหล่านี้ ร่างของผีสาวผมยาวตนนั้นก็หายวับไปหลังจากนั้นร่างกายคุณดวงก็เริ่มที่จะขยับตัวได้ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติคุณดวงเงยหน้าดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่กว่าแล้วหันไปจะปลุกเอ๋เพื่อจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะรู้ว่าเอเป็นคนกลัวผีมากก็ไม่อยากเห็นเพื่อนต้องขวัญผวาไปอีกคน คุณดวงก็พยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ไม่ยอมหลับได้แต่นอนกระสับกระสายจนถึงเช้าเอ๋ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทั้งสองคนต่างก็ทําธุระส่วนตัวเสร็จก็เก็บสัมภาระลงไปเช็คเอาที่ข้างล่างแต่ว่าในตอนนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เลยคุณดวงก็หันไปก็เห็นลุงคนหนึ่งเดินมาในมือถือมีดดาย่าใส่หมวกแต่งตัวเหมือนพวกคนทําสวนของโรงแรมลุงคนนั้นก็มองมาที่คุณดวงกับเอ๋ คุณดวงก็เลยถามไปว่าเออพนักงานไปไหนอลุงจะมาพักหรือครับเปล่าจ้าจะมาเช็คเอาท์พักอยู่ชั้นไหนหรือครับชั้นสี่จ้าเออชั้นสี่แล้วเมื่อคืนเจออะไรไหมครับลุงก็ถามด้วยน้ําเสียงสีหน้าเยือกเย็นเอ๋ก็ได้แต่ทําหน้าแปลกใจว่าอิต์ลุงนี่แกถามอะไรมีแต่คุณดวงเท่านั้นที่รู้ คุณดวงเล่าเรื่องผีสาวที่มาแผลงฤทธิ์เมื่อคืนให้ลุงคนนั้นฟังเอ๋เมื่อรู้เรื่องก็ถึงก็ขนลุกสู้แล้วก็หันมองไปทางหุณดวงแจ้วทำไมแกไม่พูดเรื่องนี้ให้ฉันฟังน่ะอา้าวก็จะพูดให้ฟังเหมือนกันแต่ว่าให้ออกจากที่นี่ไปก่อนลุงแกเล่าให้ฟังว่าคนที่มาพักที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าใครมาพักที่ชั้นสี่ก็จะเจอดีอย่างนี้เกือบทุกรายพนักงานเองก็ไม่อยากให้ใครไปพักชั้นสี่ นอกเสียจากเป็นความต้องการของลูกค้าซึ่งพนักงานก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธโรงแรมนี้เมื่อก่อนเป็นของคนไทยแต่ว่าตอนนี้ขายให้ฝรั่งไปแล้วฝรั่งเพิ่งมารู้ว่าที่โรงแรมมีผีแล้วก็มาสืบรู้ทีหลังว่าที่ดินที่สร้างโรงแรมนี้มาก่อนเคยเป็นป่าช้าร้างมาก่อนเจ้าของโรงแรมที่เป็นคนไทยก็ถูกหลอกขายมาเพื่อสร้างโรงแรมแต่เมื่อสร้างเสร็จโรงแรมก็ เกิดผีเฮี้ยนแล้วเกินก็เลยขายให้ฝรั่งอีกทีในราคาถูกๆผู้จัดการโรงแรมก็เคยนิมนต์พระมาทำพิธีปัดรังควานทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกอย่างก็ดูเบาบางลงแต่มันก็ไม่หมดเหมือนกับมันมีบางดวงวิญญาณที่ยังหวงพื้นที่ของเขาอยู่ซึ่งตอนนี้เจ้าของที่เป็นฝรั่งก็ยังปวดหัวกับเรื่องนี้เหมือนกันคุณดวงกับเอถึงกับอึง้งเมื่อได้ยินเรื่องราวจากลุงคนนั้น เธอคนละสายตาจากลุงคนนั้นเมื่อเห็นพนักงานต้อนรับเดินยิ้มมาที่เคาน์เตอร์ซึ่งเป็นคนละคนกับตอนที่คุณดวงเข้าพักขอโทษนะคะที่ให้รอพอดีคีการ์ดห้องลูกค้ามีปัญหาค่ะคุณดวงแกก็ไม่ได้ว่ากล่าวหรือว่าตําหนิอะไรคุณดวงเห็นพนักงานทําหน้าแปลกๆเมื่อตอนคุณดวงเอากุญแจห้อง404มาคืนก็เลยมีการพูดคุยสอบถามกันขึ้น ซึ่งพนักงานก็แปลกใจว่าทำไมคุณดวงถึงได้รู้เรื่องที่มาที่ไปของโรงแรมมากขนาดนี้คุณดวงบอกว่าลุงคนสวนของโรงแร ม, มน่เป็นคนเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้แกหายไปไหนแล้วซึ่งเอ๋ก็พยักหน้าช่วยยืนยันพนักงานที่เคาน์เตอร์กลับบอกว่าคนสวนของโรงแรมนี้มีแต่ผู้หญิงค่ะไม่มีผู้ชายแล้วก็รูปประพันธ์สันฐานของลุงที่คุณดวงพูดถึงก็ไม่มีใครเคยเห็น แต่พนักงานก็ยืนยันว่าเรื่องที่คุณดวงรู้มาเน่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เจ้าของโรงแรมที่เป็นฝรั่งกำลังหาทางแก้ไขเรื่องนี้อยู่คุณดวงกับเอก็รีบขับรถออกจากโรงแรมโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองอีกแต่ว่าโปรแกรมที่ทั้งสองคนวางไว้ก็ยังดำเนินต่อไปคุณดวงกับเอได้ขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคี่จะกูดอย่างที่ตั้งใจไว แต่เรื่องที่ค้างคาใจคุณดวงมากที่สุดก็คือผีผู้หญิงชุดขาวผมยาวที่คุณดวงเจอเมื่อคืนนี่เป็นใครลุงคนสวนที่มักคุยด้วยเป็นใครหรือว่าพนักงานต้อนรับคนนั้นก็อาจจะไม่ใช่คนที่จริงคุณดวงเขียนชื่อหาดกับชื่อโรงแรมมาอย่างชัดเจนแต่ไม่สามารถจะนํามาเล่าออกอากาศได้เดี๋ยวจะไปมีผลกระทบกับโรงแรมของคเขานะครับ ท่านผู้ฟังเกิดเป็นคนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเป็นผีก็มีทั้งผีดีและผีไม่ดีอยู่ที่ใครจะเจอแบบไหนแล้วก็หาทางออกกับมันได้ยังไงเรื่องพวกนี้นะมันมีจริงนะครับถึงไม่เชื่อก็ไม่ครวรลบหลู่เพราะไม่มีใครรู้ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับใคร หลายปีมาแล้วครับที่มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าทางการจะย้ายหน่วยงานต่างๆไปอยู่ที่จังหวัดนครนายกญาติผู้ใหญ่ของคุณอทธรคนหนึ่งชื่อลุงแสงกับครอบครัวซึ่งมีภรรยาและลูกๆอีกสามชีวิตก็เดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะว่ามัดจำที่ดินขนาดหนึ่งร้อยตารางวาเอาไว้ที่ดินก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนนายร้อยอ่าท่านก็ขอแรงให้ คุณอาทรเนี่ยช่วยขับรถไปที่นั่นที่ดินแปลงที่ว่าในยอยู่ติดทางหลวงชนบทหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าถนนดํสาสภาพเป็นที่ดินว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้นรกชัดที่ดินซ้ายขวาก็เป็นป่าละเมะไม่มีใครปลูกบ้านอยู่อาศัยแต่ว่าทําเลที่ตั้งห่างจากชุมชนย่านนั้นไม่ถึงกิโลเจ้าของที่เขารออยู่ก่อนแล้วเมื่อพบเจอกันก็พูดคุยกันจนพอใจทั้งสองฝ่าย ก็ น, นัด ก, กันว่าอีกราวๆเดือนนึงจะมาเจอกันใหม่ที่ธนาคารในตัวเมืองคุณลุงจะเอาที่เข้าธนาคารให้ทางธนาคารจ่ายเงินที่เหลือให้แก่เจ้าของที่การรีรอนี้ก็เพื่อติดต่อกับทางธนาคารให้เรียบร้อยซะก่อนเป็นอันว่าซื้อนะซื้อแน่ๆรอแต่ธนาคารเขาอนุมัติเท่านั้นคุณลุงกับครอบครัวนี่เห่อที่ดินแปลงใหม่ก็ชวนกันเดินสำรวจพื้นที่อยู่นั่นแล้วลูกชายคุณลุงชื่อนายสวัสดิ์เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนก็สำรวจพบว่า ที่ดินเนี้ยเคยมีคนปลูกบ้านอยู่อาศัยเพราะว่าในวัดไปพบซากต่อไม้คล้ายกับเสาเข็มสำหรับเชื่อมต่อกระสาบบ้านบนดินเจ้าของเดิมเขารื้อถอนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คาดว่านานเป็นสิบสิบปีจนวัชพืชขึ้นปกคลุมแล้วในวัดก็บอกเล่าให้บิดาทราบคันทราบแล้วคุณลุงท่านก็ดำรีว่าควรจะหาคนมาขุดต่อไม้ดังกล่าวออกไปเสีย เพราะว่าโบราณท่านห้ามไ ม, าไม่ให้ผู้มาอยู่ใหม่ปลูกเรือนคร่ำตอ่อหรือว่าคร่ำ อ, อะไรก็ตามที่มันจะเกิดทิ่มแทงขึ้นมาจากพื้นดินโดยมีนัยยะว่าจะเกิดอาถรรพ์เป็นเสนีย์จันไรแก่เจ้าของบ้านคนใหม่ครอบครัวจะวิวาทบาดหมางทั้งกับพวกเดียวกันเองแล้วก็กับเพื่อนบ้านทั้งหมดที่กล่าวในเป็นความตั้งใจของคุณลุงซึ่งคิดว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวความคิดในสมองยังไม่มีการลงมือทํา เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นความคิดในแง่ร้ายเช่นคิดอยากจะตีหัวชาวบ้านแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ใช้ไม้ตีหัวใครจริงๆสารสถิตยุติธรรมก็ไม่ถือว่าเราทําความผิดอะไรทั้งสิน้นเพราะความจริงก็คือเรายังไม่ทันทําอะไรเลยระหว่างเดินสํารวจที่ดินตามภาษาคืคอจู่ๆคุณลุงก็ง่วงนอนอย่างกระทันหันลืมตาแทบไม่ขึ้นต้องขอตัวไปนั่งยีบหลับบนเบาะหน้าของรถสักพักหนึ่ง ท่านหายไปครู่เดียวไม่ถึงสิบนาทีก็เดินกลับมารวมกลุ่มกับลูกหลานเล่าความฝันแปลกๆให้ทุกคนฟังว่าตะ ก, กี้เนี่ย ท, ที่ว่ารู้สึกง่วงจนต้องงีบไปพักหนึ่งกำลังเคลิ้มๆก็ฝันว่าได้พบเจอผู้ชายร่างสูงๆตัวดำๆเหมือนทานหุงข้าวผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ใกล้กระเศษซากเสาไม้ที่ฝังทิ้งไว้ในดิน เมื่อคุณลุงเดินเข้าไปใกล้ตั้งใจจะไต่ถามว่าใครเป็นญาติอะไรกับเจ้าของที่ดินคนเดิมหรือเปล่าทันใด น, นั้นบุรุษลึกลับก็ชี้หน้าคุณลุงผู้เสียงต่ำๆจนฟังไม่ออกแต่เข้าใจได้เองว่าขู่ท่านห้ามไม่ให้ขุดตอไม้เหล่านั้นขึ้นจากดินเป็นอันขาดเมื่อท่านนิ่งเฉยไม่รีบรับปากโดยเร็วชายลึกลับก็เดินปรีเข้าใส่เหมือนจะทําร้ายคุณลุงตกใจกลัวตัวสั่นผวาตื่นจากความขวัญแปลกประหลาดหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง ลูกหลานกับภรรยาก็ไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะคนเรามีสิทธิ์ฝันได้เสมอหลังจากดูที่ดินเป็นการประเดิมก่อนซื้อจริงแล้วทั้งหมดก็เดินทางกลับาภายในวันเดียวกันเช้าวันรุ่งขึ้นคุณลุงกำลังจะลุกจากที่นอนตามปกติแต่อยู่ๆก็ตกเตียงลงไปนอนเคเกค้ๆเนื่องจากขาสองข้างไม่มีเรียวแรงจะยืนหรือเดินไม่ได้เลยตกถึงตอนสายลูกหลานก็ช่วยกันนาท่านไปหาหมอที่คลินิกใกล้บ้าน หมอก็ตรวจที่ขาอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบอะไรสงสัยจะเดินมากจนกระทบถึงเส้นเอ็นก็จัดยากินยาทาให้เอาไปใช้เองที่บ้านปรากฏว่าในระหว่างทางก่อนถึงบ้านไอ้ขาที่ว่าหมดแรงก็กลายเป็นขยับได้เหมือนเดิมอย่างน่าพิศวงทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ทันจะกินยาหรือว่าทาตกลงเสียค่าหมอตรวจกับค่ายาไปฟรีๆวันต่อมาก็เกิดอาการไม่สู้ดีกับคุณลุงอีก กล่าวคือท่านหน้ามืดล้มลงไปนอนแน่นิ่งข้างโต๊ะกินข้าวขณะที่กำลังจะลุกไปดูทีวีที่ห้องโถงชั้นล่างลูกหลานต้องหอบพอี่ไปคลินิกเดิมอีกคำรบหนึ่งหมอก็ตรวจเช็คหัวใจและความดันก็ปกติคนป่วยฟื้นจากหน้ามืดก็มีสภาพเหมือนคนไม่เคยเป็นอะไรหมอวินิจฉัยว่าคนสูงอายุอาจจะขาดสารอาหารอะไรสักอย่างหนึง่งก็เลยฉีดยาบารุงให้เข็มนึง คุณลุงก็พูดเปลยเปลยคือว่าตอนกําลังจะล้มฟาดที่ข้างโตกินข้าวเนี่ยเห็นแวบแวบเหมือนมีใครคนหนึ่งโผ่พรูดมายืนอยู่ข้างหลังใช้มือผลักท่านอย่างแรงจนหัวขมำแต่ก็ไม่มีใครถือเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าท่านแก่อายุเจ็สิบปีแล้วหูตาก็ไม่ค่อยดีอาจจะเห็นอะไรไปเองทั้งๆดีความจริงไม่มีอะไรถ้าจะมีใครสักคนที่เชื่อคุณลุงก็คงจะเป็นคุณอาธร น, นี่แหละ เนื่องจากคนแก่เช่นท่านไม่เคยพูดจาเหลวไหลมีแต่คนอื่นเห็นท่านแก่ก็เลยพยายามยัดเยียดโรคที่หลงที่ลืมให้ท่านระหว่างที่มีการติดต่อกับธนาคารเพื่อจะโอนที่ดินจังหวัดนครนายกจำนองกับแบงค์คุณลุงก็เปรยให้ลูกๆหลานๆได้ยินหลายหนเกี่ยวกับความฝันแปลกๆที่ว่ามีบุรุษลึกลับร่างสูงๆดำๆมาทำท่าคมขู่ท่านในความฝันบ่อยๆจนชักจะเชื่อว่าบุรุษผู้นั้นมีตัวตนจริง ที่สำคัญก็คือคุณลุงเองระยะหลังๆท่านสุขภาพสุโทมรัวเร็วอย่างไม่น่าเชื่อกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะปวดลำไส้นอนไม่หลับเพราะฝันร้ายเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบวันท่านสูผ้ผอมจนในตาลึกโหลผิดจากเดิมเป็นคนละคนะเผอิญช่วงนั้นคุณอาธรได้ข่าวว่าแถวแถวถนนแจ้งวัฒนะหมู่บ้านเมืองทองมีผู้จัดการบริษัทคนหนึ่งเป็นหมอดูตาทิพย์สามารถนั่งทางในติดต่อกับวิญ ญ, ญาณต่างๆได้ เขายินดีดูหมอเพื่อช่วยเหลือคนเดือดร้อนโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวทำนองว่าต้องการสร้างเสริมบารมีของตัวให้สูงขึ้นไปพระเอิญอีกต่อไปว่าคุณอาทรรู้จักคนสำคัญคนหนึ่งในบริษัทแห่งนั้นเขาเป็นคนที่จัดคิวผู้เดือดร้อนเรียงตามลำดับการพบเจอหมอดูตาทิพย์ก่อนหลังเมื่อคุณลุงเป็นโรคลึกลับชนิดที่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยอันนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าเป็นโรคร้าย เนื่องจากโรคในแบบที่คุณลุงเป็นเนี่ยแพทย์ไม่รับรักษาเพราะไม่รู้จะรักษาอะไรคนป่วยน้ำหนักลดกว่า1ิบกิโลภายในเวลาไม่ถึงสิบวันหมอก็ทำดีที่สุดคือจ่ายยาบำรุงซึ่งก็ช่วยอะไรไม่ได้สักนิดเดียวดังนั้นในฐานะที่คุณอาทรถูกชุบเลี้ยงมาแต่น้อยจวบใหญ่เมื่อผู้มีพระคุณตกอยู่ในอันตรายถ้าช่วยได้แกก็ต้องช่วยอย่างสุดกาลัง ช่วยโอกาสที่ท่านยังพอเดินได้ก็พาท่านขึ้นรถไปพบกับผู้จัดการบริษัทที่ว่าเป็นหมอดูตาทิพย์เนี่ยความเป็นโรคลึกลับก็ต้องอาศัยความสามารถของผู้ที่มองเห็นสิ่งลึกลับเข้าช่วยพักพวกซึ่งทําหน้าที่จัดคิวก็นัดให้พาคุณลุงไปพบหมอดูวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงเย็นหมอตาทิพย์เสร็จภาระราหน้าที่ทางบริษัทแล้ว ท, ทันทีที่เห็นหน้าคุณลุงเขาก็เปรยขึ้นว่าเออคุณนั่นเองที่ผมได้เห็นในนิมิตสมาธิเมื่อคืนนี้ คุณกำลังติดต่อซื้อที่ดินแถวจังหวัดนครนายกใช่ไหมเมื่อคุณลุงยอมรับว่าใช่หมอดูตาทิพย์ก็อธิบายเป็นฉากฉากเหมือนกับเคยไปเห็นที่ดินแปลงนั้นมาก่อนรู้หมดว่าอยู่ใกล้หลักกิโลเมตรที่เท่าไรความรู้พิเศษของเขาได้แก่การอย่างรู้ว่ามีเสาปักในดินหลายต้นซึ่งเสาเหล่านี้แหละมีจิตวิญ ญ, ญาณบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตาทวดเจ้าของที่ดินสมัยโบราณสิงสู่อยู่เมื่อผู้ซื้อที่ดินรายใหม่ ริเริ่มว่าจะถอนเสาไม้ขึ้นจากดินด้วยถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลก็เสมือนหนึ่งไปรื้อถอนที่อยู่อาศัยของผีปู่ย่าตาทวดด้วยเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในเสาไม้เหล่านั้นเหมือนกับมนุษย์เราปลูกบ้านแล้วเข้าไปพักอาศัยอยู่อย่างนั้นอ่ะพวกผีเจ้าที่เจ้าทางก็เลยโกรธคุณลุงกับลูกหลานที่เขาเจาะจงลงโทษเฉพาะคุณลุงก็เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ใช่ว่าจิตวิญ ญ, ญาณพวกนั้นจะดุร้าย การมาเข้าฝันนั้เห็นว่าเขามีตัวตนจริงๆก็เจตนาเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาไม่พอใจเผอิญคุณลงุงฟังภาษาผีไม่รู้เรื่องสื่อสารทางจิตกับพวกเขาไม่ได้ผีเจ้าที่เจ้าทางก็เลยต้องใช้วิธีหักแข้งหักขาคุณลุงบางทีก็แกล้งผลักให้ล้มควม่ําบางครั้งก็บีบลำไส้ให้อุดตันกินอาหารไม่ได้เจตนาจะให้รู้สํานึกว่ากําลังทําอะไรผิดๆอยู่คุณอาธรกับคุณลุงขนลุกเกรียวไปหมดเมื่อได้รู้ว่ามีสิ่งลี้ลับติดตาม สำหรับหมอดูตาทิพย์นี่นับว่าเก่งฉกาดอย่างไม่น่าเชื่อเขากับคุณลุงไม่เคยรู้จักกันเลยเรื่องซื้อที่ดินแถวนครนายกก็ไม่มีใครบอกให้เขารู้แต่ที่เขารู้มีมากกว่าคุณลุงเป็นสิบเท่าแปลว่ามีตาทิพย์จริงๆสามารถมองย้อนอดีตไปได้ตั้งหลายสิบปีแล้วก็เห็นโลกจิตวิญญาณโบราณรู้ว่าพูดผีหรือว่าวิญญาณโบราณเหล่านั้นกําลังคิดอะไรอยู่แต่เขาไม่ต้องการเปิดเผยความสามารถให้คนรู้มากนะัก ทำไมอย่างนั้นเขาคงมีชื่อเสียงโด่งดังไปนานแล้วคุณลุงก็ถามว่าทํำยังไงถึงจะแก้ไขหเหตุร้ายให้กลายเป็นดีได้หมอดูตาทิพย์ก็บอกว่าไม่ยากหรอกเพียงแค่จุดธูปหนึ่งดอกปักไว้ที่กลางแจ้งแล้วพูดออกมาดังๆว่าจะไม่ขุดเสาไม้ขึ้นจากดินเพราะรู้แล้วว่าเสาไม้คือที่สถิตวิญญาณเราไม่รุกรานท่านท่านก็อย่ารังควานเราอีกหลังจากนั้นก็จะทําสารสถิตวิญญาณให้ด้วย ส่วนเสาไม้ถ้าเห็นว่าเกะกะนักให้ใช้วิธีตอกลงไปจนเสมอหน้าดินอย่าไปตัดแล้วก็อย่าขุดขึ้นมาบอกกล่าวให้เขารู้เสร็จแล้วก็ควรถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหนึ่งรูปอุทิศส่วนกุศลผลบุญจากสังฆทานนี้ให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหมดเท่าที่มีอยู่บนที่ดินผืนนั้นซึ่งมีอยู่หลายวิญญาณด้วยกันหมอดูตาทิพย์ก็ดูเรื่องต่างๆให้อีกหลายอย่าง สรุปแล้วเมื่อคุณลุงเดินทางกลับไปถึงบ้านที่พักก็รีบทำตามหมอชีนะจุดทูป บ, บอกกล่าวไปถึงผีเจ้าที่บอกว่าเขาตอนนั้นพูดไปก็เพราะความไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วว่าบ้านใครๆก็รักจะไม่รบกวนบ้านของเจ้าที่เป็นอันขาดพูดจบตามที่หมอดูแนะนําก็เกิดพิลึกพิลั่นเหลือเชื่อว่าสภาพร่างกายสุดโทรมของคุณลุงเริ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันตาเห็นสามารถกินอาหารและเครื่องดื่มบํารุงกําลังได้คล่อง วันต่อมาท่านก็มาขอแรงคุณอัทรนในขับรถตะเวนไปยังวัดวาอารามย่านอำเภอบางเลนจังหวัดนะครปฐมเพื่อถวายสังฆทานแด่พระภิกษุซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอันจะทำให้การถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากยิ่งขึ้นแล้วก็กรวดน้ำอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เจ้าที่เจ้าทางที่ว่านั้นเสร็จจากพิธีกรรมทางาศาสนาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอกู้เงินธนาคาร เรื่องสุขภาพร่างกายอันตรธานหายไปราวปลิดทิ้งเดือนถัดมาก็ได้ครอบครองที่ดินผืนนั้นแล้วก็จัดทำสารสถิตวิญญาณตามคำมั่นที่ลั่นปากไว้ต่อมาบาังเอิญพบเจอช่างปลูกบ้านมีฝีมือที่นครนายกก็เหมือนจะมีอะไรโดนใจกล่าวคือคุณลุงกับครอบครัวนั้นกาลังนั่งทานอาหารกลางวันที่ร้านใกล้กับที่ดินช่างคนนั้นกับลูกน้องก็แวะมานั่งดื่มกินร้านเดียวกัน เจ้าของร้านรู้ว่าคุณลุงกําลังหาช่างปลูกบ้านก็เลยแนะนำสองฝ่ายให้รู้จักกันช่างก็พาไปดูบ้านหลายหลังที่ปลูกสร้างโดยทีมงานของเขาคุณลุงเห็นแล้วก็พึงใจฝีมือมากตกลงว่าจ้างให้ปลูกบ้านของท่านทันทีนทบ้านแล้วเสร็จภายในเวลาห้าเดือนแต่มีข่าวหลายกระแสต ร, ตรงกันว่านโยบายย้ายสถานที่ราชการจากเมืองหลวงมาไว้ที่จังหวัดนครนายกนะั้ล้มเหลวเสร็จแล้วด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพราะฉะนั้นการย้ายภูมิลํำนาจากกรุงเทพมาอยู่นครนายกก็ต้องพับเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนเพราะเจตนาเริ่มแรกที่คุณลุงดําำริไว้อยู่ที่ต้องการให้ลูกๆซึ่งเรียนจบใหม่ๆมีบ้านอยู่ใกล้ที่ทํางานเมื่อที่ทํางานไม่มีขืนย้ายบ้านก็เท่ากับหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองคุณอาทรนในโชคดีกว่าใครเพื่อนเพราะว่าทํางานอยู่แถวอํเาเภอองค์ครักษ์ขับรถจากที่ทํางานไม่กี่สิบกิโลเมตรก็จะถึงบ้านหลังนั้นคุณลุงก็มอบหน้าที่ให้คุณ อาทรเป้าบ้านให้สามารถอพยพลูกเมียไปพักอาศัยตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับคำว่าเพื่อนเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นของดีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่นยิ่งถ้าเป็นเพื่อนแท้มันก็ยิ่งดีใหอ่ บางทีก็ดีความรักของพี่น้องบางคนซะอีกอย่างเช่นความเป็นเพื่อนของห้าหนุ่มที่เรียนอยู่ที่เดียวกันทั้งห้าคนนี่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันทุกคนก็เรียนอยู่มหาหลัยในกรุงเทพในนิคมนี่อยู่สมุทรสงครามในเต้ยอยู่ขอนแก่นในกันอยู่โคราชในหนึ่งอยู่เพชรบุรีแล้วก็ในเอกพลนี่อยู่มหาชัย ทั้งหมดนอกจากเรียนอยู่ที่เดียวกันก็ยังพักอยู่หอเดียวกันช่วงปิดเทอมทุกคนขอพ่อแม่ไปเที่ยวค้างบ้านขาใกันที่โคราชเพราะว่าที่บ้านขาในกั น, นร่มรื่นพ่อเขาเลี้ยงวัวหลายตัวกกะว่าจะไปอยู่กันสักอาทิตย์แล้วค่อยไปเที่ยวต่อที่บ้านของนายนิคมที่สมุทรสงครามเพราะว่าทุกคนอยากจะเที่ยวตลาดน้ําอยากจะกินส้มโอพัน์ขาวใหญ่ที่หวานอร่อย เมื่อทุกคนมาถึงบ้านของกันพ่อแม่ของในกันก็ต้อนรับอย่างดีเอกพลแล้วก็นิคมจะไม่ชินกับข้าวเหนียวสักเท่าไหร่แม่ของกันก็เลยหุงข้าวหอมให้กินน้ําพริกปลาราคลุกข้าวก็อร่อยแล้วแล้วก็ยังมีน้ําพริกปลาฉลาดที่ในกันโปรดปรานเหลือเกินเทน้ําพริกใส่ข้าวสวยแล้วก็ราดไปน้ําปลาราต้มอ่โรยเม็ดกระถินลงไป กันบอกว่าเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมผักสดก็มีหลายอย่างต้มเครื่องในลาบก็อร่อยอ่าแต่ว่าก้อยดิบนี่เอกพลกันนิคมไม่กล้ากินแต่ว่าโจดเต้กันในกันนี่กินได้เพราะว่ากินมาตั้งแต่เล็กแล้วแต่อาหารภาคกลางในในกันจะชอบหมึกสดกุ้งสดอ่าหมูกระทะก็ชอบ อยู่ได้สามวันในกันก็บอกว่าจะไปรับพี่ชายที่แต่งงานแล้วอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งมากินลาบัวด้วยกันเพราะว่าพี่ชายก็ทำงานส่งกันเรียนมาตลอดพ่อบอกว่าจะไปรับเองแต่กันบอกว่าอย า, อยากขับเที่ยวด้วยผ่านบ้านญาติจะได้ทักทายกันบ้างโทรไปแล้วพี่ชายบอกรถเครื่องเสียคงจะมาที่บ้านพ่อแม่ไม่ได้ตอนนั้นใกล้ค่าแล้วหารถมายากในกันก็กะ จะไปรับเอาพี่ชายกับพี่สะพายมาค้างที่บ้านสักคืนเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วเจ้ากันหายไปเกือบสองชั่วโมงเพื่อนๆอีกสี่คนก็รออยู่พ่อกับแม่ก็บอกว่าตอนนี้น่าจะกำลังกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงคงจะถึงเพราะว่าบ้านพี่ชายในอยู่ไกลยี่สิบกว่ากิโลพ่อก็เป็นห่วงรถเครื่องอีกแก้งพ่อมันจะดับกลางทางหรือเปล่าก็เลยให้นิคมโทรหาว่าถึงไหนแล้ว ปรากฏว่าโทรติดแต่ไม่มีคนรับสายทุกคนก็เป็นห่วงพ่อก็เลยไปหยิบกระดาษที่จดเบอร์ของพี่ชายของกันมาให้นิคมโทรอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าพี่ชายรับแล้วก็บอกว่ายังไม่เห็นกันมาสักทีแต่งตัวรออยู่หิวข้าวแล้วด้วยทุกคนก็ร้อนใจว่าจะเอาอยัางไงดีพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปยืมรถเครื่องบ้านลุงเชิดขี่ไปตามหาแล้วละ่ะเจ้าเต้ยก็บอกขอผมไปด้วย นิคมกับเอกพลกับแม่ก็ชักไม่สบายใจยังไม่ทันที่พ่อกระเต้จะออกไปกันก็โทรกลับมายัางเบอร์ของนิคมทุกคนก็ดีใจแต่ก็เพียงเดี๋ยวเดียวเพราะว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงกันแต่เป็นเสียงใครไม่รู้มีเสียงรถหอของตำรวจรถพยาบาลด้วยผู้ชายที่ใช้มือถือของกันนิโทรกลับมาบอกว่าเป็นญาติเจ้าของมือถือหรือเปล่าครับนิคมใจหายก็รีบเปิดโฟนให้ทุกคนได้ยิน เออผมผมเป็นเพื่อนเขาครับพ่อแม่ก็อยู่ด้วยมีอะไรหรือเปล่าครับเออคือเจ้าของมือถือเนี่ยประสบอุบัติเหตุครับคงจะถูกรถเฉี่ยวชนแต่ว่าไม่ทราบยี่ห้อหนีไปแล้วมีคนแจ้งว่าพบคนตายอยู่ริมทางซากรถกระจายไปทั่วทุกคนก็ตกใจรีบถามถึงจุดที่เกิดเหตุจะรีบไปกู้ภัยบอกว่าให้ตามไปที่โรงพยาบาลเลย เพราะกว่าทางนี้จะไปนี่ก็คงเอาศพไปโรงพยาบาลแล้วแม่น่ถึงกะเป็นลมพ่อสุดลงนั่งพอตั้งสติได้พ่อก็ตะโกนบอกลุงเชิดที่อยู่ใกล้กันบอกว่าลูกผมตายแล้วลุงเชิดกับลูกชายก็วิ่งมาสอบถามเมื่อทราบเรื่องลุงเชิดก็รีบไปบอกเพื่อนบ้านที่มีรถกระบะต่างก็รีบออกรถมาพาทุกคนไปดูศพก็ขับตามกันไปสองคัน นิคมตั้งสติได้กระโทบอกพี่ชายของกันพอพี่ชายรู้เรื่องก็ร้องไห้โฮบอกว่าไปเจอกันที่โรงพยาบาลสภาพศพของกันนิแขนขาหักหัวแตกเพราะว่าหมวกกันน็อกไม่ได้ใส่เมื่อตำรวจสอบสวนเสร็จก็ลงบันทึกประจําวันแล้วก็จะตามหารถที่ชนให้จงได้แต่คงต้องใช้เวลาเพราะว่าทางที่พบศพในมันเปลี่ยวนานๆจะมีรถผ่านสักคัน ยิ่งช่วงค่ำด้วยรถยิ่งน้อยช่วงที่กันโดนชนเนี่ยอาจจะไม่มีใครเห็นอีกหลายชั่วโมงจึงได้เอาศพมาวัดใกล้บ้านเพื่อนบ้านก็มีน้ำใจไม่รังเกียจที่จะบรรทุกศพมาวัดช่วยเต็มที่โดยไม่คิดค่าน้ำมุกน้ำมันทุกคนร้องไห้เมื่อเห็นใบหน้าของกันเสร็จแล้วก็เอาศพฉีดยาจากโรงพยาบาลกันเน่าก็คงไม่ได้เต็มร้อยหรอก เมื่อถึงวัดก็นำใส่โลงไม่มีพิธีรดน้ำศพแต่อย่างใดบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทุกคนที่เป็นเพื่อนที่มาเที่ยวบ้านกันก็โทร บ, บอกทางบ้านว่าจะต้องอยู่ช่วยงานศพเพื่อนก่อนพ่อแม่ทุกคนก็ตกใจโดยเฉพาะพ่อแม่ของเต้ยบอกว่าบ้านเราอยู่ไกลเสร็จงานแล้วรีบกลับมาบ้านเราเลยอย่าออกไปไหนนะพ่อแม่ของนิคมและเอกผลก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็บอกว่าเสร็จงานให้รีบกลับทันที เมื่อสวดคืนแรกเจ้าเต้ยก็นั่งไหว้พระฟังพระสวดก็เหลือบไปเห็นเจ้ากันนี่นั่งคอพับอยู่ข้างโงทางปลายเท้ายกมือพนมไหว้พระและดูเหมือนในกันจะนั่งร้องไห้เต้ยสะกิดเอกพลเบาๆแล้วก็กระซิบข้างหูว่าเฮ้ยไอ้กันมันนั่งอยู่ตรงน้นน่ะเอกพลก็มองไปก็มองเห็นเช่นเดียวกันก็สะกิดนิคมให้รับรู้นิคมก็บอกกูเห็นนานแล้วมึงอย่าเอ็ดไป กูและสงสารมันจริงๆกูคงอย่านอนเป็นเพื่อนศพที่นี่กับพ่อกับพี่ของมันทั้งสามก็บอกว่าคงนอนที่นี่แล้วไม่กล้ากลับไปนอนบ้านมันะ่ะอยู่วัดยังมีคนเล่นไฮโลที่บ้านมีแต่แม่กับพี่สะใภ้แล้วก็พ่อตาแม่ยายเสร็จแล้วทั้งหมดก็พากันนอนวัดปีหนึ่งกว่าทุกคนหลับกันกันก็มาเข้าฝันเจ้าเต้ยบอกว่ากูเหงาไว้เต้ย กูเสียดายตัวกูเองต้องมาตายตอนนี้พ่อแม่พี่บุษราเสียเงินส่งกูเรียนหวังพึ่งยามแก่เท่าไอ้เต้ยมึงคนอีสานเหมือนกูมึงมาอยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมอ่ะกูเหงากูเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินเจ้าเต้ยก็บอกมึงจะบ้าแล้วกูจะไปอยู่กับมึงได้ยังไงกูเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ถ้ากูไปอยู่กับมึงแล้วพ่อแม่กูจะอยู่กับใครอะความหวังอยู่ที่กูคนเดียวมึงตัดปกตัดใจเถอะ กันเลยไปสู่ภพภูมิที่ดีเถอะเดี๋ยวก็มีคนมารับกูจะไม่มีวันลืมมึงหลยกันมีโอกาสเมื่อไหร่แล้วกูจะทำบุญไปให้กันก็ก้มหน้าอย่างเสียใจเสร็จแล้วก็หายไปเจ้าเตยก็ปลุกนิคมกับเอกพลแล้วก็เจ้าหนึ่งเล่าเรื่องที่ตัวฝันว่ากันนำมาชวนไปอยู่ด้วยทุกคนก็บอกว่ามึงต้องระวังตัวนะต้องไปสะดอกคลอต่ออายุแล้วละ่ะอย่าชะล่าใจไป เจ้าหนึ่งก็บอกว่ามึงน่าจะถามมันว่าใครชนอุตสาหฝันเห็นเต้ยก็บอกว่ามึงนี่ถ้าจะบ้าฝันเนะเว้ใครจะไปคิดได้ทั้งสี่คนก็เลยนอนไม่หลับลุกไปดูก็แทงไฮโลกันเอกพลนี่เห็นว่าเจ้ามือเนี่ยเขยา่าตายต่ําบ่อยก็บอกกับเพื่อนๆว่าตาเนี้ยที่จะลองแทงต่ําสักตาเพื่อจะได้ค่ารถกลับบ้านทั้งสี่ก็ควักเงินคนละร้อยสองร้อยส่งให้เอกพล ก็ประมาณเจ็ดร้อยรวมกันสี่คนเอกพ์ก็ก้มลงจะเอาเงินลงไปแทงเอกพลยืนอยู่ข้างหลังคนเล่นก็เหมือนมีใครมาปัดมือจนเงินกระเด็นเอกพลก็ร้องเฮ้ยใครมาปัดมือวะก็คิดว่าเพื่อนปัดเจ้าหนึ่งเจ้าเต้ยก็บอกว่าใครจะปัดว่ามือไม้มึงไม่มีแรงเองอะ่ะเออเกพ์กับเพื่อนก็พากันเก็บเงินที่หล่นหนึ่งก็บน่นพอดีแล้แทงไม่ทันต้องรอตาหนะ้า เอกพลก็เลยยืนดูเขาเปิดด้วยหลายคนเอาเงินไปแต่งเอี่ยวแทงต่ำกันกองพเนินพอเปิดออกมาเป็นสิบเอ็ดเจ้ามือกินเรียบตาเดียวแทบจะหมดตัวกันอจากที่ตายต่ำมาสี่ห้าตาแต่ตานี้กินเรียบเพราะไม่อันว่าจะแทงคนละเท่าไหร่ก็ได้เจ้ามือเงินหนาทั้งสี่นมก็มองหน้ากันเอกพลก็บอกว่านี่เกือบเสียเงินแล้วเนี่ยไอ้กันคงไม่ห้แทงกังเลยปัดมือแน่ๆเลย ไปนั่งจิบน้ำชากันจนสว่างเสร็จแล้วก็กลับไปอาบน้ำที่บ้านของกันพอเผาเสร็จทุกคนก็จะกลับบ้านจะไม่อยู่ทำบุญเจ็ดวันอ่ะคืนนั้นก็กะจะขึ้นรถกลับจ้างคนไปส่งในเมืองเพื่อจะขึ้นรถไปตามจังหวัดที่แต่ละคนอยู่แต่เมื่อทั้งสามสะายกระเป๋าจะกลับกันบอกลาพ่อแม่และญาติของกันเสร็จแล้วก็หันหลังจะไปหารถก็ปรากฏว่า เห็นว่าเหมือนกับกันอยู่ข้างหลังกันพูดว่าพวกมึงจะทิ้งกูเหรอจะไม่อยู่ทําบุญเจ็ดวันกูก่อนเหรอนึกว่าทําเพื่อกูเป็นครั้งสุดท้ายเะนะทั้งสี่ได้ยินเหมือนกันหมดก็ยืนขาแข็งโจเต้ยก็บอกว่าเอ้ยเฮี้ยนจริงๆพวกเองว่าไงนิคมก็บอกโอ้ก็คงต้องอยู่แล้ววะก็หันไปบอกทุกคนว่าเออถ้าอย่างนั้นพวกผมเปลี่ยนใจแล้วครับจะอยู่ทําบุญเจ็ดวันให้ากันก่อนนะครับ ทุกคนก็กล่าวขอบใจพ่อก็บอกว่าดีดีอยู่ค้างอีกสองคืนมารืนเลี้ยงพระเสร็จแล้วค่อยกลับพรุ่งนี้เช้าจะได้อยู่เก็บกระดูกกันแม่ก็บอกว่าอยากให้อยู่ก่อนกล้านอนห้องเดิมหรือเปล่าบ้านแม่นะ่ะมันแับแคบทั้งสี่ก็บอกว่านอนได้ครับคืนนั้นทุกคนก็นอนเว้นที่ที่กันเคยนอนด้วยหมอนผ้าห่มก็ยังอยู่ที่เดิมตกดึกทั้งสี่คนก็ยังนอนไม่หลับ วัดราแวงว่าผีเจ้ากันจะมาอีกก็เปล่าเจ้าเต้ยก็บอกว่าจะเหลือที่ให้มันนอนทำไมวะนอนทับที่มันซะจะได้ไม่ต้องเบียดกันพัดลมมีตัวเดียวด้วยร้อนจะตายชักไม่กล้าลงไปอาบน้ำเหมือนตอนที่มันอยู่ด้วยอะเจ้าหนึ่งก็บอกว่าเออจริงด้วยนอนไม่ต้องเว้นที่ให้มันนอนล็อกให้มันนอนอยู่วัดเน่นะตอนนี้เราอยู่นคนละโลกแล้ว นิคมก็บอกว่าเฮ้ยเต้ยมึงนัแหละนอนตรงที่มันเคยนอนมันน่ารักเองมากนะขนาดจะเอาเองไปเป็นเพื่อนอ่อยู่ที่วัดก็หลอกเอาหลอกเอากลับมาบ้านเนี่ยมันจะตามมาป่าวันเนี่ยเอกพลก็บอกว่าเกียงก็อยู่นั่นแหละกูนอนเองกูง่วงแล้วนอนเธออดนอนมาตั้งหลายคืนแล้วข้างนอกก็มีผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนบ้านเขาอยู่กันตั้งหลายคนไอ้กันมันคงไม่เข้ามาหลอกให้มันไปหาพี่ชายมันที่ไต่ถุนเรือนนอน เสร็จแล้วทั้งหมดก็เปิดไฟนอนพากันหลับไปพักใหญ่ผู้คนที่อยู่ข้างนอกก็เงียบเสียงคุยกันละคงจะนอนกันหมดแล้วจะได้ยินก็แต่เสียงสะอื้นของแม่ที่อยู่ห้องข้างๆแม่คงจะคิดถึงลูกชายอยู่ๆในเอกพลก็ถูกดึงขาลากออกจากที่ที่กันเคยนอนแล้วเพื่อนอีกสามคนก็ถูกดึงขาจนตื่นกันหมดนิคมก็บอกเป็นบ้าอะไรวะไอเอกพลมึงมาดึงลากขาพวกกูทาไม เอกพลก็บอกกูก็ว่าจะถามพวกมึงเหมือนกันมามาลากขากูมาอยู่ปลายตีนทำไมเสร็จแล้วก็มีเสียงของกันบอกว่ากูลากเองอ่ะพวกมึงมันแล้งน้ําใจไม่เว้นที่ไอ้กูนอนมัน้งเห็นกูเป็นผีไม่ยอมให้กูนอนด้วยพอตายก็ตัดกูเลยเหรอปรากฏว่าทุกคนมองไปเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มภาพของกันนั่งก้มหน้าคอพับ แต่ตาเหลือกขึ้นมองเพื่อนๆทั้งสี่นิคมก็บอกว่า อ, อมึงจะนอนก็นอนไอ้กันพวกกูไม่นอนแล้วมึงนอนตามใจชอบเลยพวกกูจะไปเยี่ยมแล้วกันก็ชี้หน้าทั้งสี่คนมึงจะกลัวกูทําไมชีวิตกูน่ากลัวกว่าพวกมึงนั่งเยอะกูต้องโดดเดี่ยวเดียวดายกูเรียกแม่ก็ไม่กล้าเรียกไม่กล้าให้พ่อแม่เห็นกลัวพ่อแม่จะคิดมากกลัวแม่จะไม่สบาย กว่ากูจะเข้าบ้านได้กูต้องอ้อนวอนเจ้าทีเจ้าทางให้เห็นใจกูตายก่อนเวลาย ม, มาทูตเขายังไม่มารับกูกูต้องยืนต้องนั่งอยู่ตรงที่กูตายอย่างวังเวงมีคนมาตายแทนกูถึงจะไปได้ถึงจะเรียกวิญญาณยังไงกูกูยังไปไหนไม่ได้อะทำบุญเจ็ดวันแล้วกูก็ต้องไปนั่งอยู่คนเดียวพวกมึงยังอยู่กูก็อยากจะอยู่ด้วยเป็นครั้งสุดท้าย มึงให้กูไม่ได้แล้ววะเจ้า ก, กันพูดไปเสร็จแล้วก็สะอื้นทุกคนก็สงสารกันม า, ากเจ้าหนึ่งก็บอกเออเออพวกกูจะอยู่เป็นเพื่อนมึงพวกกูจะพยายามไม่กลัวมึงเอกพลก็บอกว่าแล้วใครชนมึงอ่ะจะได้เอาผิดมันกันก็บอกว่ากูนั่นแหละผิดกูบิดเร็วมแมลงมันเข้าตากูกูก็เสียหลักไปชนท้ายสิบล้อปล่อยก็ไปเถอะที่ตายกูอยู่ตรงนั้น ไม่ใช่แต่คนเป็นลอกที่เสียใจคนที่ตายก็ร้องไห้เหมือนกันที่ต้องจากคนที่เรารักพวกมึงกลับไปเรียนเมื่อไหร่ก็ฝากบอกแต้วด้วยนะกู ค, คิดถึงทุกคนคนนึกขึ้นได้ว่ากันเนี่ยรักแต้วอยู่แต่ว่าแต้วนี่ไม่ได้สนใจแต้วมีคนที่แต้วชอบพออยู่แล้วตกลงเพื่อนๆนก็เว้นที่ให้ผีเพื่อนนอนแล้วก็ได้ร่ำลากันในคืนสุดท้ายด้วยจิตใจที่อะไรอาวรต่อกัน ทั้งสี่ไม่มีวันลืมเจ้ากันเพื่อนที่มาด่วนตายหงกระทันหันนั้นได้เลยครับเมื่อตอนยุคของไอเอ็มเอฟนั้นส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วประเทศฝรั่งเขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งโรงงานขนาดใหญ่มีคนงานแห่งหนึ่งหลายพันคน ประสบกับการขาดทุนถึงขั้นล้มละลายปิดกิจการไปถึงสองพันแห่งแรงงานไทยทั่วทุกภูมิภาคตกงานเป็นล้านชีวิตต้องอบพยพตัวเองกลับภูมิลำเนาเดิมที่ต่างจังหวัดทำไรไถานาหาทุนรอนเลี้ยงครอบครัวไปพลางก่อนแต่ขณะเดียวกันบริษัทจัดหางานที่เคยซบเซาก็หวนคืนสู่ยุคเพื่องฟูอีกคารบหนึ่งเพราะว่าคนตกงาน ย่อมที่จะกระหายจะได้งานทําเร็วๆทันอกทันใจก่อนที่เงินทองของตัวจะหมดกระเป๋าสองเกลอคือในเฉยกันในอ่วมทํางานอยู่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งดวงสมพงกับเจ้าของบริษัทมีตําแหน่งงานประจํามั่นคงยาวนานเป็นสิบๆปีถึงแม้เงินเดือนจะน้อยมากคนความรู้น้อยอย่างสองเกลอนี่ก็พอใจไปตามอัตภาพ ขอแค่มีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขก็ดีถมถีไปแล้วในเฉยกันนายอ่วมนึกไม่ถึงจริงๆว่าบริษัทเล็กๆที่เขาสังกัดอยู่ก็พลอยโดนหางเลขวิกฤตเศรษฐกิจจนกระทั่งล้มละลายต้องปิดกิจการไปกับเขาด้วยนายจ้างเหลือแต่ตัวเปล่ากับปืนในมือที่พร้อมจะยิงตัวตายหนีปัญหาไม่มีปัญญาใส่สองขาวช่วยค่าครองชีพใครทั้งสิน้น การตกงานตอนแก่อายุป่าเขาไปตั้งห้าสิบเศษนี่ทารุณจิตใจสองเกลือในี่อย่างร้ายแรงมากพวกเขาตั้งใจว่าจะเริ่มเก็บหอมรอมริบเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตในยามแก่เท่าเนื่องจากงานบริษัทไม่ใช่ระบบราชการที่มีบำเน็จบำนานให้ใช้ในวัยปลดกเกษียณแต่ยังไม่ทันเก็บเงินเข้าบัญชีสักบาทมรสุมขนาดยักษ์ก็ถาโถมเข้าใส่กลายเป็นคนเตะุ่นตอนแก่ไปอย่างไม่น่าเชื่อ สองเกลอก็เลยจับมือเป็นพันธมิตรร่วมรุกร่วมรบกับมรสุมร้ายไปพร้อมกันใครได้ข่าวดีเรื่องการงานที่ไหนก็จะรีบบอกให้เพื่อนได้รู้ด้วยคราวนึ่งในเฉืยกันในอ่วมชวนกันไปนั่งรถไฟเล่นแกกลุ่มตีตั๋วขึ้นรถไฟขบวนธรรมดาถึงก็ชังไม่ถึงก็ช่างไปลงยังจุดหมายที่สถานีจังหวัดอยุธยาค่าตั๋วรถไฟคนหนึ่งไม่กี่บาท ลงจากรถไฟสายเหนือแล้วก็ตีตั๋วกลับสถานีหัวลำโพงทันทีเจตนาของสองเกลอมีเพียงนั่งชมวิวทิวทัศน์ข้างทางให้สมองปลอดโปรง่งจะได้คิดออกว่ามีงานรอพวกตอนอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนเดินออกจากหัวลำโพงนั่นเองสองเกลือก็พือเห็นบริษัทจัดหางานเปิดกิจการเรียงรายอยู่ริมถนนเต็มไปหมด ความรู้สึกของนายเฉยกับนายอ่วมก็เหมือนกระยาจกมาพบหลายแทงขุมทรัพย์เราดีๆนี่เองก็ชวนกันเดินอ่านใบปิดประกาศหน้าตึกแถวดูว่ามีงานอะไรเหมาะกับคนวัยพวกตนบ้างก็สะดุดตาเข้ากับงานไทายยามเฝ้าโกดังสินค้าต้องการคนใจถึงสองตำแหน่งอัตราเงินเดือนคุยกันได้เอองานชิ้นนี้เหมาะกับสองเกลอ ย, ยังกะกิ่งทองบห ย, ยกไม่เหนื่อยด้วย ไม่ต้องการวุฒิความรู้ที่สําคัญต้องการสองคนพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นเห็นแล้วจะรอช้าอยู่ไม่ได้ก็ชวนกันแวะกันไปพบผู้จัดการบริษัทในเดี๋ยวนั้นเลยคําว่าบริษัทจัดหางานในย่านหัวลําโพงนี่หมายถึงในหน้าที่รู้จักแหล่งงานหลายสิบแห่งแล้วก็เช่าตึกแถวชั้นล่างเขาเปิดหน้าร้านเป็นสํานักงานติดต่อเท่านั้นผู้จัดการหัวแม่งที่นั่งอยู่หลังโต๊ะทางาน กับในหน้าหางานนะเป็นคนคนเดียวกันเขาก็เชิญสองเกลอให้นั่งเก้าอี้แล้วเปิดการเจราจาสนใจงานอะไรไม่ทราบผมบอกเสียก่อนนะว่าทางเรานี่จะหักค่าในหน้าเป็นค่าธุรกิจติดต่อ 20% ของเงินเดือนเดือนแรกโดยหักเงินจากผู้ว่าจา้างพวกคุณต้องการงานแบบไหนหบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ เป็นพยายามเฝ้ากดังเก็บสินค้าครับแต่แปลกใจนิดหน่อยตรงที่มีหมายเหตุระบุตอนท้ายว่าต้องการขนใจถึงไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรกันครับในเฉยนี่ถามได้ตรงใจในอ่วมพอดีในอ่วมพยักหน้าส่งสิกเป็นเชิงเห็นด้วยผู้จัดการหัวเมงหน้าตาบอกย่อแปดเหลี่ยมสิบสองคมหัวรอ่อร่าอย่างอารมณ์ดีแล้วก็อธิบายให้หายข้องใจ ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่มีข่าวลือหนาหูวไอ้โกดังแห่งนั้นนะ่ะผีดุยามกี่ชุดตะกี่ชุดไปอยู่เป้่าได้คืนสองคืนก็เพ่นนะ่ะทิงงานไปเลยผู้ว่าจ้างเขาก็หัวเสียเพราะเงินที่จ่ายไปกลายเป็นศูนย์เปล่าผมหมายถึงศูนย์เปล่าที่จ่ายเป็นค่าในหน้าตัวเลขกระชับผมให้ระบุข้อความชัดเจนหน่อยคนปอดลอยอย่าส่งมา ผู้ว่าจ้างเขาต้องการแต่คนใจถึงไม่กลัวผีสางนางไม้เท่านั้นอะ่ะโอ้ยผมใจถึงอยู่แล้วละ่ะเพื่อนผมชื่ออ้วมในยิ่งเป็นนักเลงดังบนถนนนักเลงเลยแค่บอกชื่ออ้วมขึ้นดังๆดังอ่ต่อให้ผียกมาทั้งประชาชนก็เพนกลับหลุมไม่ทันนะครับว่าแต่เงินเดือนนะ่ะสมน้ําสมเนื้อความใจถึงหรือเปล่าล่ะครับเออก็อพอดูคนละหมื่นแปดนะคุณว่าจุใจไมหมล่ะฮะ สองเกลอเผลอร้องอุทานอย่างไม่เชื่อหูตัวเองยุคไอเอ็มเอฟคนตกงานกันทุกย่อมย่าขนาดพนักงานธนาคารยังถูกแจกสองขาวให้ออกเลยเออนี่เงินเดือนตังหมื่นแปดเหมือนสวรรค์ทรงโปรดในเฉยกันในอ่วมชัดๆเลยขณะเดียวกันผู้จัดการหัวเม่งก็เฝ้ารอคำตอบด้วยใจระทึกถ้าตกลงมันหมายถึงเขาจะได้ค่าในหน้าจากสองเกลอ คนละสามพันหกสองคนก็เจ็ดพันสองเนาะเนะเอาไปเที่ยวเป็นสัปดาห์เลยว่าไงร้องหานะเจ็ดหรือโนโอเคกันละครับอ้าวก็ต้องโอเคสิครับงานที่เหมาะกับคนใจถึงอย่างผมสองคนหาได้ง่ายง่ายสักเมื่อไรอะตกเย็นวันเดียวกันในหน้าหัวเมงกับสองเกลอก็โดยสารรถแท็กซี่มาปรากฏตัวต่อหน้านายจ้างซึ่งเป็นอาเซียวัยหกสิบเศษ้วนพุงพลุย สถานที่ตั้งโกดังสินค้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรสภาพรกร้างว่างเปล่าแห่งหนึง่งในย่านคลองเจ็ดอําเภอสซน้อยจังหวัดนนทบุรีเสียอ้วนพานั่งรถวิกอัพตระเวนดูความรกร้างของบ้านจัดสรรและทาวเฮาซึ่งปลูกสร้างไปแล้วห้าหกสิปเปอร์เซ็นตเผอิญเจอวิกฤตเศรษฐกิจโครงการก่อสร้างก็เลยชะงักลงอย่างไม่มีกำหนดสำหรับโกดังที่ว่าเนี่ยเก็บอุปกรณ์การก่อสร้างสารพัดไว้ในนั้น รวมมูลค่าหลายสิบล้านบาทเท่าที่สองเกลรมองเห็นเนี่ยตโกดังเป็นโรงทึมขนาดครึ่งไร่เศษมีประตูทางเข้าออกทางเดียวซึ่งกว้างใหญ่ยังกับประตูโบสเริ่มมีพงหญ้าขึ้นงอกงามข้างโกดังด้วยทิ้งร้างไม่มีการดูแลแต่ว่าภาพรวมแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวถึงแม้เสียจะบอกว่าแกะตัดไฟแล้วเพื่อทุนค่าโสฮุยแต่น้ํายังมีใช้อยู่ สองเกลือก็กล้ารับงานชิ้นนี้อย่างไม่หลังเลเสียอ้วนอย่างใจดีอนุ ญ, ญาตให้เข้าพักอาศัยในทาวเฮาคูหาที่ใกล้กดังเพื่อความสะดวกในการเดินไปมาว่ามีตะเกียงทองเหลืองจากเมืองจีนให้ลือสองของชายตอนกลางคืนนะเติมน้ำมันกาถโนเดียวสุดจุดส่องสว่างได้หลายวันพวกลืออ้างว่ากระเป๋าแห้งว่ามีเงินสำรองให้ติดกระเป๋าไว้ซื้อข้าวกินคนละสองพัน ใช้เขียมเขียมหน่อยก็พออยู่ได้ครึ่งเดือนถ้าอยู่ไหวอยู่ทนอนะ้วจะเอาเงินมาให้ใช้อีกโอ้โหเสียใจกว้างเป็นแม่น้ำขนาดนี้พวกผมขออยู่รับใช้ตลอดชีวิตเลยละครับเอ่อต้องดูกล่องนานะว่ารื้อใจถึงแค่ไหนถ้าอยู่ฝ้ากดังครบครึ่งเดือนอนะ้วรับเป็นคงงามประจำเลยคอยว่าจะครึ่งเดือนเลยครึ่งชาติหรือทั้งชาติก็ยังไหวครับเสีย เสียฟังแล้วก็หัวร่อร่าอย่างอารมณ์ดีควักกระเป๋าส่งเงินสดให้ในายเฉยนยอ่วมคนละสองพันส่วนนายหน้าหัวนกตะกรุมเนีย่ยรับไปหน่อนเนาะเจ็ดพันสองร้อ ย, อย 7, บาทแล้วก็หันไปบอกสองเกลือให้เริ่มงานได้ทันทีสิบห้าวันอันตรายแกจะนับหนึ่งตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปขากลับเสียให้ติดรถไปยังร้านอาหารใกล้ทางเข้าหมู่บ้านส่งสองเกลือลงไปกินข้าวกินปลา ทำความรู้จักกับร้านรวงต่างๆเพื่อว่ามีธุระต้องการจะซื้อสิ่งของเครื่องใช้จะได้ไปมาถูกทางสองเกลอกลับถึงทาวเฮาที่เสียอนุญาตให้พักอาศัยตอนหกโมงเย็นรีบอาบน้ำอาบท่าเรียกความสดชื่นซะก่อนครบคำเนื่องจากคืนแรกยังไม่มีอุปกรณ์ส่องสว่างสักอย่างเดียวถ้าจะมีก็เป็นไฟแชกสำหรับจุดบุรีสูบไอเรื่องเสื้อผ้าต้องกลับไปเอาที่บ้านวันรุ่งขึ้น รวมทั้งบอกข่าวดีให้ลูกเมียได้พลอยเป็นปลื้มไปด้วยในอ่วมซื้อเหล้าโรงติดมือมาสองขวดแบ่งกันในเชื่อยเปิดขวดยกดื่มไม่ไม่ต้องพึ่งถ้วยแก้วให้ยุ่งยากใกล้ตะวันลับฟ้านกกาบินกลับรังแล้วสองเกลอก็เริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ไยายามอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการนั่งจิบเหล้าอยู่หน้าประตูกดังซึ่งเป็นทางเข้าออกแห่งเดียว จุดอื่นไม่ต้องเสียเวลาเดินดูให้เมื่อยเพราะว่าปลูกสร้างไว้ทึบตันยุงสักตัวยังบินเข้าไปวางไข่ไม่ได้อย่าว่าแต่พวกหัวขโมยที่จะบุกเข้าไปโจรกรรมสินค้าของเสียซึ่งตัวใหญ่ว่ายุงเป็นล้านเท่าทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินปีกของราตรีก็แผ่สยายออกปกคลุมโลกสองเกลอรู้สึกว่าบรรยากาศบริเวณกดังสินค้านวิเวกวังเวงใจผิดปกติ เหมือนกับคนปอดลอยบังเอิญหลงไปนั่งอยู่กลางป่าช้าผีดุอย่างนั้นเส้นขนตามเนื้อตามตัวลุกเกลียวอย่างไม่มีเหตุผลยังดีที่เป็นคืนเดือนหายพระจันทร์สองสว่างอยู่กลางท้องฟ้าพอจะมองเห็นสิ่งต่างๆในหมู่บ้านร้างได้ชัดพอสมควรและแล้วอุปสรรคอย่างแรกก็มาถึงด้วยความสะเพร่าของสองเกลอนั่นก็คือลืมซื้อยากันยุงไปสนิทยุงฝูงใหญ่ได้กลิน่นคาวเลือดมนุษย์ มันก็จวนกันมาบินวันเต็มไปหมดที่แรกสองเกลือตั้งใจว่าจะรีบเดินไปซื้อยากันยุงจากร้านปากทางเข้าหมู่บ้านจะเดินไปได้ไม่ถึงสิบเก้าเสียงเหมือนคนตัวเท่าช้างเอามือฟาดผนังกดังเต็มแรงจนเกิดเสียงดังยังก้าผ่าเล่นเอาในเฉยกันในอ่วมสะดุ้งตัวลอย พอตั้งหลักได้ก็หันควับไปมองยังต้นเสียงก็คือก็ดังซึ่งปลูกสร้างด้วยเหล็กเคลือบอลูมิเนียมทั้งหลังเห็นประตูยังปิดอยู่ดีเฉยยุงสักตัวก็บินเข้าไปไม่ได้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเสียงดังสนั่นน่ะมันเกิดจากอะไรกันแน่กูแววไปเองหรือเปล่าะวะเฉยแววว่าผีเลยล่ะแก้วหูกูยังสั่น ง, ง, งิงงิถึงเดี๋ยวนี้แล้งเสียงดังเน่ว้าผ่าลงมาจริงๆอ่ะ มีอะไรไปเดินชนวัสดุก่อสร้างหรือเปล่าคูาวางของไว้มิ่นมินนะล้มโครมครามมาเกิดเสียงแปลกแปลแหมมองโลกสวยเหลือเกินในเองนะในเฉยก็พูดกระแน่กระแหนในอ่วมเพราะเห็นเพื่อนคูหูยืนตัวแข็งอย่างไม่ไว้วางใจในสถานการณ์อันผิดปกติจน อ, อดแวบคิดไปถึงเรื่องที่ในหน้าหัวนกตะกรมพูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับไทยยามรุ่นก่นกอนอยู่ได้แค่คืนสองคืนก็ทิ้งงาน เนื่องจากโกดังแห่งนี้ผีดุยังดีที่ในอ่วมเป็นคนใจถึงเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีต้นไปก่อนไข้ได้เชยโบราณเขาบอกว่าถ้าเห็นแปลกแล้วเราไม่นึกประหลาดประเดี๋ยวความแปลกมันก็หายไปเองบางทีข้างในโกดังในเสียกกอาจจะเลี้ยงไอสัตว์ดุร้ายไว้ฟ้าสมบัติตรงไหมเช่นงูยักษ์อนาคอนดาอะไรพวกนี้ออพองูยักษ์มันเลื้อยเล่นก็เกิดเสียงน่ากลัว เออมึงละคิดตพิสดารอยู่เรื่อยนะอ่าไม่ใช่ในหนังนี่เ อ, อ้ยรีบออกไปซื้ อ, อยากันยุงกันดีกว่าจะได้ซื้อไฟฉายติดมือมาด้วยอยู่มืดมือด่อย่างนี้รู้สึกมันเหมือนคนยุคหินยังไงไม่รู้ครึ่งชั่วโมงต่อมาสองเกลือพร้อมอยากันยุงแล้วไฟฉายคนละท่อนก็กลับมาประจำหน้าที่ตามเดิมเล่าโรงหมดไปหนึ่งในสี่แล้วเลือดนักสู้ฉีดพล่านใช่มเดียวว่าแต่เสียงดังทัวฟ้าผ่า ต่อให้ดังเท่าฟ้าถล่มลงมาก็ไม่กลัวอยู่ยามได้ถึงไหนถึงกันเดินท่อมท่อมดูโ น, โน่นดูนี่ไปรอบๆกดังให้สมกับคำว่าทายามไม่ใช่นั่งจุมปุ๊กอยู่กับที่เหมือนพวกแขกยามในอดีตขณะเดินอ้อมไปถึงด้านหลังกดังในเชยก็ฉายไฟไปกระทบเข่าเ ง, งาดำตะคุ่มเหมือนพวกหัวขมโมยกาลังวิ่งเหาะๆหลบพวกเขาไปทางด้านซ้ายของกดังก็สะกิดในอวมให้วิ่งตามไปดู ก็เห็นกับตาว่าร่างลึกลับร่างนั้นวิ่งทะลุผนังซึ่งทํำด้วยเหล็กทั้งแท่งหายเข้าไปอยู่ในโกดังได้อย่างไม่น่าเชื่อจะว่าจริงก็จริงแต่จะว่าเป็นภาพลวงตาก็น่าจะใช่ในอ่วมคนใจถึงก็ตรงเข้าไปใช้มือลูบคลาผนังโกดังตรงนั้นก็แน่นหนาดีไม่มีช่องว่างรอยโวเอาช้างมาถีบยังไม่พังเลยในอ้วมเป็นคนมองโลกในแง่บวกก็พูดปเปลือยให้กําลังใจเพื่อน คนเราเวลาไปอยู่แปลกถิ่นแปลกที่มักจะเห็นอะไรแปลกแปลกไปเสมอให้สมกับการไปอยู่ในที่แปลกแปลกเอาแล้วอะไรที่เองว่าแปลกอ่ะอย่าไปค้นหาเหตุผลต้องคำว่าแปลกไม่งั้นสิ่งแปลกแปลกจะไม่เหลืออยู่ให้เราเห็นอีกเออก็คงจะจริงอย่างที่เองว่างั้นไปนั่งสดเหล้าต่อที่หน้าโกดังดีกว่าวะคืนนั้นสองเกลอก็นั่งจิบเหล้าไปพลาง พูดคุยถึงอนาคตไปพลางทำนองว่าเงินเดือนมื่นแปดนี่ใช้อย่างเข็มเข็มสักแปดพันเก็บเข้าธนาคารไปหมื่นหนึง่งทำงานครบหนึ่งปีก็แสนสองสิบปีก็ล้านสองถ้ากัดวันอยู่ให้ครบร้อยปีจะมีเงินเก็บถึงส2บสองล้านบาทโอ้ยเป็นเศรษฐีตอนแก่ได้สบายมากระหว่างนั้นเสียงแปลกๆ ก, ก็ดังแทรกความมืดขึ้นเป็นระยะๆะะเพียงแต่ไม่ดังสนันลั่นโลกเช่นครั้งแรก สองเกอก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่นานเสียงแปลกๆนั้นก็เงียบไปเองสมดังพาษิทโบราณที่ในอ่วมหยิบยกให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างเฝ้ายามจนกระทั่งถึงหกโมงชาแแววเสียงไก่ขันดังมาจากที่ไกลลิฟเหล้าออก็หมดขวดพอดีหนังตาเริ่มย่อนก็ชวนกันกลับไปนอนอยังทาวเฮาที่เสียอนุญาตให้เข้าพัก เย็นวันรุ่งขึ้นเสียให้คนขับรถเอาไมา้คมแฝกมาให้ถือติดมือคนละท่อนเล้าอีกคนละขวดจักรยานอีกคนละหนึ่งคันมีโน้ตสั้นๆใ ส, เส่เศษกระดาษมาแสดงความชื่นชมว่าเก่งมากที่อยู่ได้ตลอดคืนขอให้อยู่ครบสิบห้าคืนซะก่อนจะมีรางวัลให้อย่างงามในอวมอ่านเสร็จก็ยิ้มแป้นอย่างปิติแล้วก็พอใจตัวเองที่มีความกล้าหาญเหนือกว่าไทยามรุ่นก่อนก่อน พอตกค่ำสองเกลือก็ปั่นจักรยานไปรอบรอบหมู่บ้านจัดสรรอันเป็นโครงการที่ถูกทิ้งร้างเพราะว่าเสียขาดสภาพคล่องทางการเงินธนาคารยุคฟองสบู่แตกไม่ปล่อยเงินให้ใครกู้ง่ายๆสภาพที่เห็นในบ้านแต่ละหลังเท้าเท้าแต่ละกูหานี่เริ่มมีขี้ตะไคร่จับเพราะยังไม่ได้มุงหลังคาเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าสินค้าในกลัดัง น, น่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าที่มีราคาแพง มิหน้าลราถึงต้องจ้างทยายามมาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดปัญจกยานจนเมื่อยก็ย้อนกลับมาประจำการอยู่หน้ากดังค่าคืนนี้นอกจากเหล้านะยังมีหมูแดดเดียวเป็นกับแกลมโดยความอนุเคราะห์ของเสียยากันยุงก็จุดพ่นควันขมงกันยุงได้อย่างชะงัดสดเล่าคุยกันเรื่องความสุขในอนาคตอย่างเรื่องเริงบันเทิงใจจนกระทั่งห้าทุมเศษ เสียงเจ้ากรรมก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เหมือนช้างทั้งโขลงหล่นลงมาจากท้องฟ้ากระแทกโครมลงบนหลังคาก็ดังเกิดเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าถลม่มดินทลายในเฉยในอ้วมกําลังคิดอะไรเพลินๆถึงกระสะดุ้งสุดตัวเพ่นไปข้างหน้าคนละสิบกว่าเก้าจากนั้นก็รีบหันกลับไปดูเพราะคิดว่าจะมีช้างกลิ้งตกจากหลังคามากระแทกพื้นดินแต่สิ่งที่หนักเท่าช้างทั้งโขลงหายไปไหนกุมารุ มีแต่เสียงสนั่นอย่างเดียวเหมือนยักษ์จับช้างคว้างใส่หลังคากดังน่ะแต่หายวับกลายเป็นอากาศไปแล้วในเฉยหันไปมองศบตากันในอ่วมเป็นเชิงถามความเห็นในอ่วมก็ยิ้มผุดๆแล้วก็อธิบายว่าเสียงเหล็กที่มันเชื่อมกันไว้มันขยับตัวเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเหล็กคลายความร้อนตอนกลางวันได้เร็วคืนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศมันเย็นกว่าปกติ พอร้อนกระทบเย็นเหล็กมันก็มีอาการยืดตัวหดตัวไม่เท่ากันทำให้เกิดเสียงแปลกๆงั้นเหรอเออก็คงจะจริงอย่างเองว่าแต่แม่มันดังลูกเกินนะฮะก็คงดังมันใหญ่ ม, หมาคมามันกว่าครึ่งไรข้างในเป็นโพรงเวลาเกิดเสียงอะไรนิดหน่อยมันจะดังกว่าในที่โล่งตั้งร้อยเท่ากฎของเสียงตามหลักวิทยาศ า, ศาสตร์เว่าไว้อย่างนี้ ความคลึกโครมของเสียงนั้นไม่มีผลต่อขวัญกำลังใจของในอ่วมในเฉยก็พลอยได้อา น, นิสงส์จิตใจเข้มแข็งไม่ปลอดลอยง่ายๆนั่งจิบเล่าพูดคุยกันในอ่วมเหม็นต่อยหอยจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนแววเสียงหมาฝูงใหญ่เปิดวงดุรยยางเอาหอนกันอย่างโหยหวนดังมาแต่ไกลทำเอาในเฉยหูปากนิ่งสนิททีเดียว เนื่องจากบรรยากาศตอนกลางดึกมันเริ่มกดดันอย่างไม่เป็นมิตรรู้สึกสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวยังไม่มีปีมีคลุยใจเต้นระทึกตึกตักเหมือนสังหรณ์อัปมงคลขึ้นมาเสียงหอนอย่างหวยหวนของหมาทั้งฝูงกระตุ้นความกลัวให้ผลขึ้นจากจิตใต้สำนึกจำได้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เคยพูดไวหมามันจะหอนก็ต่อเมื่อเห็นความหน้าเสียวสยองของพูดผี แม้แต่หัวโจกยังในอ่วมที่ฮึกเหิมใจถึงไม่กลัวใครก็เริ่มเหลียวซ้ายแลขวาอย่างหวาดหวาดรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจับจ้องอยู่ในความมืดทำท่าจะสัแดงร่างให้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วรังสีความสยองแผดจ้าเข้าจับตามเนื้อตามตัวในอ่วมจนขนลุกสู้ ส, สู้ตลอดเวลาท่านใดนั้นเองบริเวณมุมมืดของเทา้าห้าห้องหัวมุม ซึ่งเรียงรายอยู่ริมถนนของหมู่บ้านหลายสิบคู่หาประกฏร่างลึกลับเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มทะยอยกระโจนออกมาเดินอาจอาจเข้าใส่สองเกลออย่างประสงร์รถึงจะเห็นหน้าตาไม่ชัดเจนแต่แสงที่แผดจ้าจากในตาทุกคู่ของร่างลึกลับลุกโรดโชดช่วงยังกับเปลวเพลิงขยาวขวานสองเกลอซะไม่เมียยิ่งเดินอาจอาจก็ามาใกล้ห่างกันเพียงสิบกวเมตร อำนาจการเขย่าวขวัญก็ยิ่งรุนแรงเหลือเกินเหลือกันในอวมตัดสินใจใช้ความกล้าหาญที่เหลือเพียงนิดเดียวเปิดไฟฉายส่องดูร่างลึกลับให้มันรู้กันไม่ทีว่าใครกันแน่ที่แห่มาอยู่ในหมู่บ้านร้างไม่ยำเกรงทยายามใจสิงอย่างเขาเฮ้ยนั่นใครวะหยุดอยู่กับที่เดี๋ยวนี้นะยอมไม่ตรวจค้นอาวุธซะโดยดีในอวมต ว, วาดดังลั่นเอาเสียงเป็นเพื่อนช่วยให้กาลังใจดีขึ้น เสร็จแล้วก็มีเสียงตอบบุกรุกที่อยู่ของกูยังทำปากดีอยากคิดหนีเลยไ อ, อ, ไอ้อ้วนไอ้เฉยกูจะหักคอพวกมึงเดี๋ยวนี้ละ่ะกล่าวขาดคำมันก็กระชากหัวตัวเองคว้างใส่ในอว้วนอ่าในอ้วนเหลือบดูโดยไม่ได้ตั้งใจโอ้ยผีหลอกใครก็ได้ช่วยด้วย การเห็นผีแบบจะจะนี่ทําลายความห้าวที่เหลืออยู่นิดเดียวให้ปลิวหายไปกระเสียงหมาหอนฝ่ายในเชยหัวใจหดเหลือเท่าเม็ดกัวจีนานแล้วเมื่อได้ยินเสียงเกลอแหกปากร้องเสียงหลงในเฉยก็หลับหูหลับตากระโจนขึ้นรถจักรยานปั่นแนบจากหน้าโกดังสินค้าตรงดิ่งไปยังปากทางออกหมู่บ้านโดยมีในอ้วมปั่นจักรยานแหกปากไล่กวดตามมาติด ยังทันได้ยินเสียงผีเท้าของผีทั้งกระโยงวิ่งกวดตามมาอย่างกระชั้นชิดเรียวแรงสองเกลมีเท่าไหร่ก็ทุ่มใส่สองขาปั่นจักรยานอย่างไม่คิดชีวิตปรากฏว่าผีไล่กวดมาถึงปากทางก็หยุดชะงักตวาดด่าไล่หลังเจ็บเจ็บแสบแสบมึงอย่ามาหเห็นหน้าอีกนะถ้าไม่เชื่อนะกูจะหักคอแม้ทายประโยคของผีในฟังไม่ค่อยได้ยิน พรแค่มันเริ่มตวาดส่งท้ายสองเกลอก็ปั่นจักรยานจนวิ่งฉิวอย่างกระลูกธนูแข่งความเร็วจะกระทั่งไปถึงถนนสายใหญ่สายบังปรวยสายน้อยมีแสงสว่างจากนีออนบนยอ่อดเสาวไฟฟ้าให้อุ่นใจในอ้วมถึงได้กล้าถอนใจเฮือกใหญ่อย่างโล่งอกผ่อนความเร็วลงปั่นเนิบเนิบเสร็จแล้วก็หันไปบอกนายเฉยืยโอ้ยไอแบบนี้มันเป็นยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าถอยเพื่อรุก ข้ารู้จักสั ป, ปเหรอ่ออาคมขลังคนนึงชื่อสั ป, ปเหรอ่ออู๊ดเรื่องอื่นมึงพักไว้ก่อนเถอะรู้สึกเหมือนจะมีอะไรติดปกเสื้อมึงออกมาด้วยนะอะไรเอ็งพูดถึงอะไรฮะอ้าวเฮย้ยโอ้ยเสียงทวงติงในเฉื่อยในอวมก้มลงดูเห็นหัวขาดของผีจ่าฝูงยังงับอยู่กับติดกับปกเสื้อก็ร้องลั่นคอหอยแทบแตก ตกใจตัวสัน่นภาพๆจนจักรยานสายไปสายมาควบคุมมาอยู่พุ่งชนกับจักรยานในเฉยจนตกคูน้ำข้างทางไปพร้อมกันในเฉยยังพ้อมีสติรีบว่ายขึ้นฝังผิดกันในอ่วมที่สติแตกเพราะว่าหัวผีขาดติดปกเสื้อมาด้วยแหกปากร้องเ อ, อะอะอยู่ในคูน้ำเสียงหลงลืมตะเกียกตะกายขึ้นฝังพอดีมีรถปิกอัพของมูลนิธิอะไรไม่รู้แล่นผ่านมาพอดี เจ้าหน้าที่บนรถ ก, ก็รีบจอดช่วยในอ่วมขึ้นฝั่งมาได้อย่างปล อ, ปลอดภัยแต่ในอ่วมก็สำลักน้ำจนอ่วมนอนแ่อยู่ริมถนนหายใจระรินรรินจะตายแท้ได้อ่าสำหรับหัวผีที่สร้างความสยดสยองนี่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คืนนั้นในเชื่อในอ่วมติดรถของมูนิธิกลับถึงบ้านในซอยเรวดีอ่าเช้าวันรุ่งขึ้นในอ่วมก็ตกใจสุดขีดหลายครั้งทาเอาจับไข้หัวโกน แต่ว่าในเฉยนะตกใจแบบมีสติผมไม่ร่วงสักเส้นเดียวสองเกลอเพิ่งจะรู้ในภายหลังว่าหมู่บ้านร้างแห่งนั้นเคยเป็นสนามรบสมัยพม่ายกมาตีเมืองไทยจนกรุงแตกครั้งที่สองหน่วยลาชตระเวนพมายังตามมากวาดล้างแหล่งซ่องสมุมชาวไทยถึงเมืองนอนทและฝั่งจุดทนบุรีวิญญาณอาฆาตทั้งฝ่ายไทยฝ่ายพมายังสิงสู่อยู่ตรงจุดที่ถูกนาไปสร้างเป็นหมู่บ้าน ฐานเฮียนจึงสำแดงเดือดจนการก่อสร้างมีอุปสรรคขัดข้องตลอดเวลากระทั่งพบจุดจบในยุคไอเอเอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นทั่วแผ่นดินไทยเสียใหญ่ซึ่งถูกฟ้องล้มละลายอย่างเสียดายวัสดุก่อสร้างจํานวนมหาศาลในโกดังจึงว่าจ้างทยยามให้ไปเฝ้าดูแลทยายามชุดล่าสุดก็คือนายเฉืยกับนายอ่วมซึ่งโดนผีหลอกจนอ่วมสมชื่อหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเสียว่าจ้างใครไปเฝ้ายามอีกหรือเปล่า เนื่องจากสองเกลอนีหันไปขี่สามล้อถีรับผู้โดยสารอยู่ในซอยเรวดีก็เลยไม่มีเวลาไปสืบถามข่าวคราวจากใครอีกครับเรื่องของบาปของเวรเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่เขยของคุณพิชัยครับ แ่ซื้อที่ดินแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมัยที่ราคา ย, ยังถูกมากเพียงตารางวาละหนึ่งร้อยบาทตกไร่ละสี่มื่นบาทพี่เคยซื้อเอาไว้ห้าไร่ก็สองแสนเหตุที่ซื้อก็เพราะเจ้าของที่คนเดิมคือเพื่อนซึ่งเดือดร้อนต้องการใช้เงินด่วนหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เฉยๆจนวัชพืชขึ้นปกคลุมกลายเป็นป่าละเมาะสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่ดีดเหมือนปัจจุบัน ใครไปปากเป็ดก็จะรู้สึกคล้ายเดินทางไปท่องเที่ยวชนบทสองข้างถนนก็คือท้องนาสลับกระสวนผลไม้เกษสถานก็มีน้อยจนนับได้เลยว่ากี่หลังคาเรือนที่ดินย่านปักเป็ดจึงไม่มีคุณค่าอะไรในสายตาของคนกรุงเทพขนาดเป็นที่ดินติดทางหลวงเจ้าของปักป้ายบอกขายตั้งสามปียังหาคนซื้อไม่เจอร้อนเงินหนักข้าวบางรายต้องจำนอง หลงท้ายที่ดินต้องตกเป็นของนายทุนเงินกู้ไปเมื่อเวลาผ่านไปถึงปี 2,545 ราคาที่ดินถีบตัวสูงกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าดังนั้นที่ที่พี่เขยซื้อไว้เพียงสองแสนก็พุ่งพรวดจนไปถึงยี่สิบล้านมีนายทุนธุรกิจก่อสร้างติดต่อขอซื้อหลายรายประเิญพี่เขยหูตากว้างไกลค า, าดการถูกว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปี ที่ดินจะราคาสูงว่า น, นี้หลายสิบเท่าก็เลยทำเฉยไม่ขายให้ใครทั้งสิน้นแต่ว่าญาติพี่น้องและคนในครอบครัวของพี่เขยสนใจแต่ในปัจจุบันพี่เขยเป็นทหารนอกราชการเงินบำนาญ น, น้อยแล้วก็ไม่พออย่าไสเมื่อมีโอกาสลืมตาอ้า ป, ปากมาถึงถ้าเขาขายที่ปักเปรดไปเสียคนรอบข้างก็จะพลอยลืมตาอ้าปากได้เชื่อกันว่าอย่างน้อยที่สุด พี่เขยสื้อใจกว้างนี่อาจจะแบ่งเงินให้ใช้บ้างคนละหลายหลายแสนทุกคนก็จะได้สุขสบายเสียทีไอเรื่องหลายปีข้างหน้าจะขายที่อะไรกี่สิบเกียร้อยล้านนะไม่มีใครอยากจะรอนานขนาด น, นั้นด้วยเหตุ น, นี้ก็เลยมีคนบางคนอยากเห็นพี่เขยตายไปเสียเร็วๆแม้แต่พี่สาวคนโตของคุณพิชัยซึ่งเป็นภรรยาของพี่เขยก็อยากจะขายที่ดินเหลือเกิน ติดขัดที่พี่เขยคนเดียวแท้ๆไม่ว่าจะกล่อมยังไงก็ไม่เคยยอมฟังบอกแต่ว่าจะรอดูรอให้ราคาดีกว่านี้ซะก่อนช่วงก่อนที่จะมีคนขอซื้อที่ดินย่านปากเกร็ดพี่เขยสุขภาพดีไม่เคยป่วยไข้เพราะว่ากินมังสวิรัตแล้วก็หมั่นออกกำลังกายจนกระทั่งปี4ี่หสุขภาพที่ว่าดีก็เริ่มเจ็บอดออแอดสภาพเหมือนคนแก่กว่าเดิมหลายปีอย่างกระทันหัน เคยไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแข็งแรงไม่มีอะไรรอกอยากังวลไปเลยคนเคยอ้วนท้วนถ้าน้ำหนักลดก็จะดีต่อสุขภาพตกลงความแก่และภายผอมก็กลายเป็นดีในสายตาของหมอพี่เขยก็เลยกลับบ้านกินแต่ยาบำรุงที่หมอให้ช่วงกลางปีสี่หกพี่เขยซึ่งหมอบอกว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ล้มหมอ น, นอนเสือ่อผอมบกโรคจนเหมือนกับคนเป็นโรคเอช เคยเชิญหมอมาตรวจถึงบ้านก็ไม่พบว่าเป็นโรคอะไรตามเคยหมอก็จัดยาเจริญอาหารให้ดื่มแล้วก็คาดว่าพี่เขยอาจจะเป็นโรคเครียดก็เลยจัดยาแก้เครียดให้ด้วยผ่านไปถึงเดือนกันยายนพี่เขยผอมจนเหมือนโครงกระดูกเดินได้นอนแซวอยู่กับเตียงคล้ายคนตายที่ยังมีลมหายใจพี่สาวซึ่งเป็นภรรยาก็เริ่มเอใจ สงสัยว่าพี่เคยอาจจะโดนยาสั่งหรือไม่ก็ต้องโดนคนดีมีวิชาปล่อยของใส่ตัวเพราะว่าคนเราถ้าไม่มีโรคภัยอะไรต้องไม่บักโปรกขนาดนี้พี่สาวก็เที่ยวสอหาหมอแผนบุราณเก่งๆยิ่งมีวิชาอาคมหรือว่านั่งทางในได้จะสนใจเป็นพิเศษคราวนึงก็โทรปรึกษากับเพื่อนซึ่งอยู่ซอยเนติศึกษาในกรุงเทพเพื่อนแนะนาให้ไปหาแม่ชีที่วัดแห่งหนึ่งบอกว่าแม่ชีนั่งทางในได้ เพื่อนนี่เคยพาญาติไปให้ตรวจดูเพราะว่าญาติท่าทางเหมือนกับคนถูกผีสิงแม่ชีเห็นหน้าญาติแวบเดียวก็ร้องทักว่านั่นแกมาสิงอยู่ในร่างเขาทำไมปรากฏว่ามีผีเข้าสิงจริงๆแม่ชีใช้อำนาจจิตไล่ผีสำเร็จญาติของเพื่อนก็รู้สึกตัวแล้วก็งงไปหมดจำเรื่องที่ผ่านมาหลายๆปีไม่ได้กล่าวคือในระหว่างนั้นโดนศัตรูกันแกล้งให้หมอผีส่งผีมาสิง เนื่องจากญาติเพื่อนไปขัดขวางผลประโยชน์ของศัตรูคนนั้นเข้าพี่สาวพอรู้เรื่องอย่างนั้นก็อยากจะพาพี่เขยไปหาแม่ชีก็ทําไม่ได้โรคลึกลับทําให้พี่เขยมีอาการซุดหนักและแปลกจนน่ากลัวใครไปจับเนื้อต้องตัวเขาไม่ได้เลยพี่สาวเอาผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นเช็ดตัวยังร้องลั่นบ้านเหมือนกระโดนทํำร้ายพี่สาวก็เลยใช้วิธีจดวันเดือนปีกับรูปถ่ายพี่เขยไปให้แม่ชีตรวจดู แม่ชีนั่งปิดเปลือกตาครู่เดียวก็รู้หมดบอกพี่สาวว่าสามีโดนคนปล่อยของเข้าท้องเพราะว่าคนคนนั้นอยากจะให้พี่เขยรีบขายที่ดินย่านปักเกร็ดพี่สาวก็ถามว่าคนทำมาทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อพี่สาวเป็นภรรยาต่อให้พี่เขยถึงแก่กรรมที่ดินก็ต้องตกเป็นของพี่สาวคนเดียวแม่ชีก็อธิบายบอกว่าบอกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเวนเวรกรรมกรรมผูกพันยามาตรชาติปางก่อน เอาเป็นว่าจะให้ได้สายสินและน้ำมนตไปหนึ่งขวดได้ใช้พันธุ์ที่ข้อมือน้ำมนใส่ปนกับอาหารและน้ําดื่มของพี่เขยรับรองว่าแค่วันเดียวเท่านั้นอะไรอะไรก็จะดีขึ้นทันตาเห็นรวมทั้งรู้ด้วยว่าใครเป็นคนปล่อยของใส่พี่เยขยคันพี่สาวทําอย่างที่แม่ชีนนะปรากฏว่าเช้าวันต่อมาพี่เขยอาการดีขึ้นเริ่มกินข้าวได้ลุกขึ้นนั่งได้ทํานองเดียวกับคนป่วยยาวนานเพิ่งจะฟื้นไข้นั้นเอง ตกเย็นมีบางคนล้มป่วยทั้งๆ ท, ที่ก่อนหน้านั้นยังแข็งแรงดีคนที่ป่วยนั่นก็คือพี่ชายคนที่สามของคุณพิชัย่าชื่อนิยมคือแกมีพี่น้องท้องเดียวกันห้าคนพี่สาวนี่เป็นลูกคนที่สองแล้วก็คุณพิชัยเป็นลูกคนสุดท้องส่วนพี่ชายคนที่สามเนี่ยอชื่อนิยมเนี่ยสนิทกับพี่สาวมาก มีบ้านอยู่ซอยเดียวกับพี่สาวอาชีพรับราชาการเป็นทหารอากาศชอบกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เที่ยวกลางคืนเมื่อครั้งที่เมืองไทยโด่งดังเรื่องแชร์ลูกโซ่พี่ชายคนนี้ก็คือหนึ่งในขบวนการแชร์คราวนั้นแต่ว่าโชคดีตอนบุงแชร์ล้มคลืนเขาตีจากออกมาก่อนก็เลยไม่โดนจับคุมคุมขังพี่นิยมนี่อยู่ในกลุ่มเร่งรัดพี่เคยให้ขายที่ดินย่านปากเกร็ดเพราะว่าเขาใช้เงินเปลืองแถมมีเมียน้อยมาช่วยใชย้้ดวย แววแววว่าระวางนี่มีนี่มีสินจนท่วมหัวทาท่าจะเอาตัวไม่รอดเขาเชื่อว่าถ้าพี่เคยเป็นอะไรไปลำพังพี่สาวถ้าขายที่สําเร็จเขาจะอดอดออนอ้อนสักพักก็คงขอเงินไปปลดหนี้ได้แน่หลังจากรู้ข่าวว่าน้องชายคือพี่นิยมล้มป่วยพี่สาวก็รอดูอยู่พักหนึ่งจนแน่ใจว่าป่วยจริงและป่วยหนักถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อพี่สาวก็ชวน คุณพิชัยไปหาเขาถึงบ้านค่อยๆปลอบถามอย่างใจเย็นทำนองว่าเป็นอะไรถ้าเดือดร้อนจะช่วยพาไปหาหมอพี่นิยมทราบซึ่งน้ำใจเขารู้ตัวดีว่าถ้าเขาจะเอาชีวิตไม่รอดก็เลยตัดสินใจเปิดปากเล่าความจริงให้พี่สาวฟังว่าเขาเองแหละที่เป็นคนทำร้ายพี่เขยเพราะว่ากำลังหน้ามือดอยากจะได้เงินไปใช้หนี้ก้อนใหญ่พี่สาวถามว่าเป็นหนี้ใครตอบว่าเป็นหนี้ในทุนนอกระบบ เจ้านี้เขาคิดดอกร้อยละยี่สิบกู้เข้ามาแสนหนึ่งเจอดอกเข้าไปเดือนละสองหมื่นก็จะตายอยู่แล้วพี่สาวโกรธมากเนื่องจากน้องคนเนี้ยแกเคยช่วยเหลือไปหลายสิบครั้งแต่ละครั้งก็เป็นเงินของพี่เขยทั้งนั้นที่ไหนได้พอพี่เขยปลดเกษียณไม่มีไรายได้พิเศษช่วยจุนเจือใครเจ้าน้องตัวดีก็คิดตอบแทนบุญคุณวางแผนฆ่าพี่เขยเสแล้วเรื่องนี้สินพักไว้ก่อนเพราะปัจจุบันเวลานั้น พี่นิยมเนี่ยกำลังจะตายอยู่รามารอก็เลยถามกันตรงๆว่าแกไปจ้างใครปล่อยของใส่พี่เขยรู้ไว้เถอะว่าตอนนี้ของย้อนกลับมาเข้าตัวแกถ้ายัางอยากมีชีวิตให้รีบบอกมาเร็วๆว่าอาจารย์ที่แกไปจ้างเขาปล่อยนะเป็นใครเวลานี้มีอาจารย์คนนั้นเท่านั้นละ่ะถึงจะช่วยเรียกของออกจากตัวแกได้ พี่สาวไม่เอ่ยถึงแม่สีเพราะว่าแม่สีบอกว่าช่วยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมจะไม่ช่วยคนชั่วเด็ดขาดเนื่องจากช่วยแล้วก็เหมือนช่วยงูพิทย้อนมากัดคนดีอีกข้อเท็จจริงก็คือพี่นิยมเนี่ยไปจ้างหมอผีชั้นยอดถึงเมืองเขมรหนทางไปมาลำบากยังกะอะไรดีถ้าไม่ใช่พี่น้องร่วมสายโลหิตแล้วก็จ้างเท่าไหร่พี่สาวก็จะมีมีวันช่วยเป็นอันขัด พี่นิยมโดนของย้อนกลับมาเข้าตัวอาการสุดหนักอย่างรวดเร็วเพียงสองสาวันก็นอนแซลเหมือนพี่เขยขณะที่พี่เขยลุกขึ้นเดินไปมาได้แล้วพี่สาวขอแผนที่สำนักหมอผีจากพี่นิยมจากนั้นก็ขอแรงให้คุณพิชัยนี่ขับรถไปเมืองเขมรด้วยกันสำนักหมอผีอยู่ชายป่าใกล้พรมแดนไทยเขมรมีคนเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือมากหน้าหลายตา ตัวหมอผีเองรูปร่างผอมสูงผิวดำสนิทพูดภาษาไทยชัดเจนพอรู้จากพี่สาวว่าเกิดอะไรขึ้นหมอผีก็อธิบายว่าของเขาแรงมากจะเรียกออกมาก็ต้องให้เขาเรียกเองเขาคิดค่าเสียเวลาเดินทางไปบ้านพี่นิยมวันละห้าพันบาทส่วนค่ารถทางพี่สาวต้องจัดรถรับส่งจ่ายค่าน้ํามันด้วยสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดตกหมื่นพันบาทพี่สาวก็ตกลงตามข้อเสนอ หมอผีกับลูกศิษย์อีกสองคนก็ขึ้นรถกระบะของคุณพี่ชัยไปบ้านพี่นิยมไปถึงแล้วหมอผีก็สั่งคนที่ไม่เกี่ยวกับพิธีออกไปอยู่นอกบ้านหมดในห้องโถงชั้นล่างของบ้านจึงเหลือแต่พี่นิยมซึ่งป่วยพี่สาวแล้วก็ตัวคุณพี่ชยัยรวมทั้งหมอผีกับลูกศิษย์หมอผีสั่งลูกศิษย์ให้เอาด้ายสายสินขึงรอบห้องโถงสีทิศ ทำพิธีกันบนโต๊ะกินข้าวให้คนโดนของนอนกับเสือที่หน้าโต๊ะหมอผีจุดทูบเทียนควันตลบลูกศดเอาแป้งผสมน้ำปั้นเป็นลูกแล้วหยิบลูกแป้งเป็นแผ่นไปแปะที่หน้าท้องของพี่นิยมระหว่างนั้นหมอผีบริกา ร, รมมน์อยู่พักใหญ่บริกา ร, รจบก็เอาแป้งจากท้องคนป่วยวางบนโต๊ะเรียกคุณพิชัยกับพี่สาวไปยืนดูปรากฏว่า บ, บนแผ่นแป้งมีวัตถุเล็กๆเหมือนกับเส้นผม สีขาวอยู่ชิ้นหนึ่งที่แรกมองกับไม่เห็นแต่ช่วงรูเดียววัตถุประหลาดก็ขยายใหญ่ขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งเห็นชัดว่าเป็นกระดูกควายแท่งเบิ่มกระดูกแท่งนี้ถูกแสกเป่าจนหดเหลือเท่าเส้นผมถ้าใส่ปนกับอาหารให้ใครกินใครคนนั้นจะไม่สะดุดความรู้สึกเลยว่ากินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจ้ากระดูกนี้จะขยายใหญ่เต็มกระเพาะในทุกครั้งที่คนคนนั้นกินข้าวปลาอาหารจึงทําไม่รู้สึกคล้ายอิ่มกินอะไรไม่ลง ที่ร้ายก็คือมันเคลื่อนไหวได้เองคอยเคลื่อนตัวขึ้นขึ้นลงลงทำลายอวัยวะภายในหมอผีบอกว่าถ้าต้องการให้ตายเร็วก็สั่งมันให้เคลื่อนไปกระแทกหัวใจแต่ถ้าต้องการให้ตายชา้าเหมือนกับสุขภาพทรุดสรมจนถึงแก่กรรมเจ้ากระดูกชิ้นนี้จะถูกกำหนดให้ขยายตัววันละหนึ่งครั้งแต่ละครั้งนานเพียงสิบนาทีฉะนั้นเครื่องมือแพทย์สองโรงพยาบาลดีแค่ไหนก็ตรวจไม่พบหลังจากส่งหมอผีกลับเมืองเขมรเรียบร้อย พี่นิยมก็หายวันหายคืนเช่นเดียวกับพี่เขยสำหรับพี่เขยเมื่อแข็งแรงเป็นปกติเขายืนกลานกระต่ายขาเดียวไม่ขายที่ดินย่านปากเกร็ด จ, จนกว่าจะผ่านปีสองพันห้าอยห้าสิบแล้วฝ่ายพี่สาวซึ่งรักสนิทสนมกับพี่นิยมทนเห็นความเดือดร้อนของพี่นิยมไม่ไหวต้องตัดใจถอดเครื่องประดับขายใช้นี่แทนน้องชายเสร็จแล้วก็ขอสัญญาเป็นจริงเป็นจังว่าห้ามคิดร้ายกับพี่เขย วันใดพี่เขยเจ็บป่วยจนหน้าสงสัยว่าอาจจะโดนของพี่สาวจะตัดเป็นตัดตายไม่ต้องมานับญาติกันอีกยังไม่ทันถึงปี2550้าห้าพี่นิยมซึ่งเป็นคนเสเพลกินเหล้าเมายาและเที่ยวกลางคืนอยู่ๆก็ล้มป่วยอย่างกระทันหันทางบ้านก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารระยะที่สี่หรือระยะสุดท้าย อาการที่เห็นภายนอกก็คือพุงป่องเหมือนกับผู้หญิงท้องใกล้จะคลอดหมอกระซิบกับญาติๆว่าให้ทำใจล่วงหน้าได้ไม่เกินสี่เดือนทุกอย่างจบเพราะว่าเชื้อมะเร่งลุกลามไปทั่วแล้วครั้นถึงกำหนดเส้นตายปรากฏว่าพี่นิยมก็ถึงแก่กรรมจริงๆตามคำทำนายของแพทย์คุณพิชัยเศร้าสลดในการจากไปของพี่ชายมากแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะเชื่อว่าเป็นเวรกรรมตามสนองเขา เพราะว่าเขาทำร้ายพี่เคยที่เคยอุปการะเขากรรมก็เลยตามทันตาเห็นเลยครับอาชีพซื้อของเก่าเหลือใช้แล้วไปขายให้แหล่งรับซื้อของเก่าเนี่ยเป็นการริเริ่มโดยชาวจีนพูนทะเล ซึ่งอพยพหลีภัยสงครามจากจีนแผ่นดินใหญ่คราวที่เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งคนจีนสู้รบกับมหาอำนาจอย่า ง, งกฤษไม่ไหวก็ถูกฆ่าแกงล้มตายไปถึงสองล้านสงครามฝิ่นจบลงแล้วก็ยังมีจีนกบฏล้มล้างราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นเชื้อสายชาวแมนจทูที่ชอบโกนผมไปครึ่งหัวไว้หังเปียยาวแล้วรบราฆ่าฟันกันหลายปี ทั้งสองฝ่ายก็ล้มตายไปเกือบสี่สิบล้านชีวิตฝ่ายรัฐบาลราชวงศ์ชิงก็มีชัยชนะแล้วกวาดล้างพวกกบฏแบบล้างโคตรให้สิ้นแผ่นดินพวกกบฏก็ต้องหนีตายลงเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมีบางส่วนมาขึ้นฝั่งเมืองสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามคนจีนกลุ่มนี้เอง เวลาใครทำผิดคิดร้าหน้าอับอายจะถูกจีนด้วยกันซึ่งอยู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยอยุธยากลด่าอย่างเจ็บแสบว่าเจ๊กกระบทคำว่าเจ๊กกระบทนี้การต่อมาก็ถูกใช้ด่าคนจีนนิสัยเลวทรามไม่เลือกหน้าว่าจะเป็นพวกกระบทสมัยราชวงศ์ชิงหรือเปล่าคนจีนชั้นลูกหลานยุคต่อมาถ้าใครโดนด่าเป็นเจ๊กกบฏนี่จะโมโหมากแล้วก็เปิดฉากเลียพระ ใช้วิทยายุทธต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่ไม่รู้ที่มาของคำด่าทํานองเดียวกันกับคนเมืองตราดในอดีตโกรธใครขึ้นมาก็จะตะโกนคำเดียวว่าเชียสฝ่ายถูกด่าจะโกรธหน้าดำหน้าแดงประเอิญมีคนต่างถิ่นได้ยินเข้าก็ถามคนด่าถึงคำว่าเชียสนะคืออะไรคนด่าก็ตอบไม่ถูกรู้อย่างเดียวถ้าโดนด่าด้วยคานี้จะโกรธมาก พอเพอ่อมีคนต่างถิ่นรอบรู้ประวัติศาสตร์ดีพอสมควรรู้ว่าสมัยหนึ่งฝรั่งเศสนักล่าอนานิคมนี่เคยยึดครองเมืองตราดมาหลายปีเวลาไม่พอใจคนไทยที่เป็นท่ารับใช้ก็จะด่าเป็นภาษาฝรั่งเศสกับบลูเชสทำนองว่าไอ้พวกขี้หมูขี้หมาอะไรพวกนี้ฝ่ายคนไทยที่อยู่ใต้การปกครองเห็นเจ้านายด่าอย่างนั้นก็จาไปด่าจนติดปากเชื่อว่าเป็นคาด่าที่หยาบคายมาก ถึงแม้จะแปลไม่ออกก็โกรธอยู่ดีที่นี้จะกล่าวถึงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะประทุขึ้นเมืองจีนถูกกองทัพญี่ปุ่นรุกราน้าบวันล้มตายไปเป็นล้านๆชีวิตคนที่รอดตายก็ดิ้นรนข้ามน้ำข้ามทะเลมาขึ้นฝั่งที่เมืองไทยจีนอพยพรุ่นนี้ทำมาหากินแบบซื้อมาขายไปเก่งส่วนน้อยเท่านั้นที่หันไปประกอบอาชีพอย่างอื่น เมื่อพบเห็นคนไทยมีเศษสิ่งเหลือใช้ทิ้งกว้างเป็นนั้นมากก็เก็บตามกองขยะไปขายเช่นขวดเปล่าเป็นต้นต่อมาสมัยหลังสงครามโลกคนจีนอบพยพรุนหลังก็สืบสารเจตนารมการเก็บของเก่าไปขายเอาไม้คานหาบเข่งสองใบแล้วตะเวนไปตามตรอกซ อ, กซอยป่ากก็ร้องได้ยินตะไกลว่ามีขวขกมาค่ะก็เป็นอันรู้กันบ้านไหนมีเศษสิ่งของเช่นขวด หนังสือเก่าซึ่งอ่านแล้วถ้วยถังกร ะ, ะมังจำรุดก็จะรวบรวมไปรอขายให้กับผู้รับซื้อซึ่งเรียกกันติดปากว่าเจ๊กขายขวดน่าจะเรียกว่าเจ๊กซื้อขวดมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายมาซื้อการเวลาผ่านไปอีกนานปีการใช้ไม้คานหากระบุงนี่เป็นเรื่องเหนื่อยยากลําบากลําบนบ้านเมืองก็เริ่มเจริญทางวัตถุมากขึ้นรถโดยสาร ที่ใช้คนลากจุงที่เรียกว่ารถแจ็คเพราะว่าคนจีนเป็นผู้ลากก็ถูกพัฒนาเป็นรถสามล้อถีบไปมาได้เร็วกว่ารถแจ็คหลังจากนั้นสามล้อถีบก็พัฒนาเป็นรถส่งสินค้าเรียกเป็นสับภาษาจีนภาษาเลงอ่าตอนที่ซาเล้งถูกนํามาใช้งานขี่ตะเวนซื้อสิ่งเหลือใช้สมัยแรกๆเมืองไทยยังบอบช้าจากพิษภัยของสงครามซาเล้งรุ่นบุกเบิก ชาวจีนชื่อแป๊กกวงเดิมทีรับจ้างชาวบ้านที่ส่วมเต็มกขตักอุจระใส่ถังเหล็กขึ้นรถเข็นไปเททิ้งในหลุมกลางป่าละเมะแล้วกลบดินเรียบร้อยเสร็จแล้วก็รับค่าจ้างไปเลี้ยงดูครอบครัวต่อมาเพื่อนชาวจีนที่ขี่สะเล้งรุ่นพี่ก็แนะนำให้ทุบกระปุกซื้อสาเล้งสักคันเพราะว่าช่วงองเนี่ยคนไทยเดือดร้อนหนักเก็บของเก่าแก่ในบ้านขายกันพบเห็นได้ทุกอกซอกซอยทั้งในแล้วก็นอกเมือง อาชีพสาเล้งหากินได้คล่องทำไรายได้มากกว่าอาชีพตักอุจระหลายเท่าธรรมเนียมคนจีนยุคบุกเบิกซึ่งกําลังก่อร่างสร้างตัวหนีความยากจนจะอุดหนุนคนจีนด้วยกันอย่างสุดความสามารถก็ให้แป๊กพวงติดรถไปเรียนรู้วิธีซื้อถูกขายแพงแต่และอย่างช่างกิโลขายโลละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามสินค้าขวดเปล่าก็ราคาหนึ่งทั้งสือเก่าก็อีกราคาหนึ่ง ถนนหนทางที่ควรไปเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างก่อนแนะนำโดยพาไปพบสถานที่จริงๆคนจีนหัวไวเรื่องค้าขายแปะ ก, กวงใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานก็ปั่นซาเล้งออกหากินเองได้ชั่วโมงนั้นสงครามโลกสงบลงได้เพียงห้าหกปีชาวกรุงเทพก็ทิ้งบ้านอุปยปไปลี้ภัยอยู่ตามชนบทต่างจังหวัดพ้นจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร แต่ก็มีหลายรายยังไม่แน่ใจในสถานการณ์ด้วยมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับโจรขโมยในเมืองหลวงชุกชุมยิ่งกว่ายุงกลางหน้าฝนอ่าก็เลยขออยู่ทรมาหากินตามชนบทไปก่อนก็เลยมีบ้านเรือนถูกทิ้งร้างเป็นจำนวนมากพวกมิตราชีพยึดครองเป็นซ่องโจรของมันสบายใจเฉบนอกจากนั้นยังมีคนต่างจังหวัดเผชิญทุพพิภพไข้าวยากหมากแพง เข้ามาเสียงโชคในกรุงเทพเป็นแสนแสนชีวิตก็เกิดแหลงสลัมนับแห่งไม่ถ้วนบ้านใครทิ้งร้างไว้ก็เข้าไปอาศัยอยู่ถ้าจะของกลับมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงแป่กวงก็รู้เหมือนที่ชาวบ้านเขารู้วันหนึ่งแกปั่นซาเล้งไปหาซื้อของเก่าในซอยย่านชานกรุงบริเวณค่อนไปทางท้ายซอยมีสวนผลไม้อยู่ขนาดหนึ่งเนื้อที่ประมาณสองสามไร่ กลางสวนมีเรือนทรงไทยปลูกอยู่ก็ร้องตะโกนตามทําเนียมของแจ็คขายขวดมีควักมาขาย啊ร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีใครขาน ร, รับแกก็เลยจอดซาเล้งไว้ข้างทางแล้วลงไปชะงกดูอ้าวนี่มันบ้านล่างนี่ว่ามีหน้าไหนยากขึ้นยังกับป่าละเมอเจ้าของบ้านเทาอบพยพบไปอยู่ที่ไหนหมดก็ไม่รู้เดี๋ยวขับไปดูข้างในก่อนดีกว่า ที่แรกแกก็สนใจผลไม้รากไม้ในสวนว่ามะม่วงกำลังสุก ข, ขาต้นห้อยระยะหน้าเก็บกินดูผลไม้ ก, กำลังออกผลเต็มต้นเสร็จแล้วก็เชื่อสนิทว่าบ้านที่เห็นนี่ร้างแน่ๆถ้าเจ้าของยังอยู่เขาก็ต้องเก็บไปขายแล้วย่าก็ต้องไม่รกยังกับป่าช้าแบบนี้แกเดินไปถึงบันไดาทางขึ้นซึ่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเรือนไทยรูปทรงโบราณ ที่มีอยู่อีกเยอะในช่วงหลังสงครามขั้นบันไดก็มีฝุ่นจับเคลอะไม่มีรอยเท้าเหยียบย่ำไม่เห็นเลยบ้านล่างแง่แงเดี๋ยวขอขึ้นไปดูให้เต็มตาหน่อยขึ้นบันไดถึงนอกชานก็เห็นตัวเรือนกว้างขวางมากเทียบกับปัจจุบันเท่ากับเท้าห้าสี่คูหารวมกันไม่มีชั้นล่างเป็นเรือนทรงไทยใต้ถุนสูงเท่าที่เห็นในประตูห้องโถงเปิดทางอยู่เหมือนกัน โดนมือดีย่องมังัดงะแต่ว่าเครื่องเรือนโตตู้เตียงยังอยู่ครับแต่ว่าข้าวของถูกขนไปเกลี้ยงแล้วแสดงว่าหัวขโมยมันยกข้าวไปก่อนหน้านี้หลายปีแล้วก็เลยไม่มีรอยเท้าเหยียบย่ำปุ่นละอองให้เห็นฝ้าเพดานมันก็รื้อทิ้งหมดมันคงนึกว่ามีสมบัติซุกซ่อนอยู่แปะกวงแกงแหงนหน้าขึ้นมองเห็นคือเห็นโครงหลังคาทรงไทยรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วยันหลังคาบ้านซึ่ง มุงด้วยกระเบื้องไม้ฟ้าเพดานนะ่ะถูกขนย้ายไปขายแล้วเพราะว่ามีร้านรับซื้อไม้เก่าเกิดขึ้นย่านชานกรุงเป็นสิบสิบร้านหน้าแปลกตรงที่หัวขโมยไม่ย้อนกลับมารื้อบ้านไปขายทั้งที่สภาพยังดีอยู่คือนะ่าทำได้ไม้ตะเคียนหน้ากว้างสอกเศษหนาเป็นคืบเครื่องเรือนทุกชิ้นทําจากไม้สักฝีมือช่างเสียงไห้ที่อพยพมาจากเมืองจีนเป็นที่ต้องการของผู้ซื้ออันนี้ก็ยังอยู่ ดีเฉยหัวขโมยทิ้งไว้อย่างมีปริศนาแต่ว่าแป๊กวงไม่คิดอะไรมากรีบกลับไปห้องเช่าไปเล่าให้ลูกเมียฟังอ้วได้ที่อยู่ใหม่แล้วน่ะเป็นบ้านร้านหลังใหญ่ปลูกอยู่กลางสวนเย็นสบายดีเก็บข้าวของไปอยู่วันนี้เลยพอกันที่ห้องเช่าเล็กเท่ากับรูหนูอ้าวถ้าเจ้าของบ้านเขากลับมาแล้วเราจะทำยังไงล่ะไอเฮีย ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะเขาไม่ได้อบพยพกลับมาง่ายๆอย่างที่เลือกคิดหรอกตอนเนี้โจนขมโมยมันชุกชุมจะตายแล้วเขากลับมาเมื่อไหร่ก็ค่อยย้ายออกมีบ้านร้างอยู่ฟรีๆแล้วอยากคิดมากเลยนะซอยย่านชานเมืองไกลจะตายแล้วลูกๆจะไปเรียนหนังสือกันยังไงอะ่ะอ้วก็พาลูกนั่งรถซาเล้งไปส่งที่ป้ายรถเมแค่นี้ก็สิ้นเรื่องอืมจำใจเอาก็ๆ เฮียเป็นช้างเท้าหน้านี่ว่าไงกูว่าตามขันสองวันต่อมาสี่พ่อแม่ลูกก็ย้ายจากห้องเช่าทําความสะอาดบ้านร้างจนสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วเข้าอยู่อาศัยกันได้สบายช่วยกันถางหญ้าให้เป็นทางคนเดินไปมาได้สะดวกแต่ไม่มีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าเป็นการเข้าอยู่อาศัยในช่วงที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ซึ่งก็ไม่แปลกบ้านร้างหลังสงครามมีคนเข้าไปอยู่แทนถมเถไป ใช่ว่าครอบครัวแปะกลวงจะเป็นเจ้าแรกซะเมื่อไรการเข้าอยู่สองสามคืนแรกก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาช้ามืดก็หุงข้าวต้มแกงกินอิ่มหนำแล้วแปะกลวงก็พาลูกๆขึ้นซาเล้งไปส่งที่ป้ายรถเมล์ก่อนที่จะตระเวนซื้อเศษสิ่งเหลือใช้ขายให้ร้านของเก่าฝ่ายเจมหมวยก็อยู่เฝ้าบ้านตอนกลางวัน ใช้เวลาว่างก็เก็บมะม่วงที่มีเป็นสิบสิบต้นกําลังออกผลสับพืชคัดลูกใหญ่ๆที่ยังดิบอยู่ใส่ขวดโหลใส่หายดองไว้เป็นสิบสิบหายเพื่อเอาไปขายเป็นมะม่วงดองมายมก็ทำมายมยมดองอะไรที่ดองได้ก็เก็บมาดองหมดอะสมัยนั้นมีเจ๊คผดังดองเขียนรถขายอยู่ตามริมถนนทุกสายเอาไปขายให้เจ๊กฝรังดองมีกี่เข่งก็ไม่เหลือละ เป็นการหาลำไพยเสริมไรายได้แก่ครอบครัวจะแปลก็ตรงที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องจุกจิกกวนใจอะไรพอเริ่มทำผลไม้ดองเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นกลางวันแสงแจ้มบ่อยกระดองผลไม้อยู่ใต้ถุนเรือนไม่มีใครอยู่บนบ้านอยู่ๆก็มีเสียงคล้ายๆคนตัวใหญ่มากเดินลงซนตึงๆอยู่บนบ้านเจะว่าคิดไปเองฝุ่นผงตามร่องกระดานก็ปลิวฟุ้งลงหัวหูหน้าตาเต็มไปหมด ครันแงนหน้าขึ้นมองให้หายสงสัยเสียงเดินก็เงียบกริบไปดือด้อๆเอ้ไข่ขึ้นไปเดินลงส้นโครมโครมบนบ้านนะไม่ได้การแล้วอ่ะหัวขโมยหรือเปล่าก็ไม่รู้เจมบ่อยแกเป็นคนใจถึงกรเกิดเป็นห่วงข้าวของเงินทองซึ่งมีอยู่ไม่มากกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหากถูกขโมยไปก็เสียดายแย่แกก็ย่องกลิบขึ้นบันไดไปพร้อมกับมีดอีโต้ถ้าเป็นหัวขโมยรับรองว่าหัวแบะแน่ แต่เดินดูจนทั่วบ้านก็ไม่เห็นใครสักคนอ่ะวะเสียงเดินลงส้นชัดๆแล้วตัวคนเดินมันหายไปไหนวะเนี่ยหรือว่าเสียงจะดังมาจากที่อื่นย้อนกลับไปดองผลไม้ต่อได้พักเดียวเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เหมือนจะมีคนปีนขึ้นไปอยู่บนขื่อแล้วกระโจนลงมาเสียงดังโครมฝุ่นละอองร่วงพลูยังกระหมอกลงอ่ะแกก็รีบคว้ามีดีโต้ววิ่งพรวดขึ้นไปดูเดี๋ยวนั้นเลย แต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมมองไม่เห็นใครสักคนที่ยังไงของมันวันเนี่ยเอย๊ชักใจคอไม่ดีซะแล้วสิมีแต่เสียงแต่ไม่มีคนบ้าชัดๆเลยคนเราใจกล้าแค่ไหนถ้าอยู่บ้านกลางสวนคนเดียวแล้วก็มีเสียงที่ไร้ตัวตนดังขึ้นบ่อยๆก็ฝืนนั่งดองผลไม้ที่ใต้ถุนเรือนไม่ไหวก็คว้าเข่งไปสอยมะม่วงในสวนอยู่ห่างจากบ้านหน่อยใจคอค่อยดีขึ้น ตกเย็นแปะกวงกลับจากซื้อของเก่าไปขายได้ยินเมียฟ้อ ง, งั่ะเข้าบ้านก็โวยหัวเสียลึกเคยอยู่แต่ห้องเช่ามีแต่เสียงเ อ, อะอะล่งเร่งพอมาอยู่บ้านสงบสง บ, สงบข่าวหน่อยก็ประสาทกินถ้าไม่ใช่หัวขโมยก็เลือแหละหัวแววไปเองหรืออยากคิดมากอนะโรคประสาทจะถามหาดูพูดเขาสิอ้วปรับทุกข์เพราะากลัวทแย่เงมาพูดให้เสียหายอี ก, อกสี่ั้วตา ติดปลายหุงหาข้าวปลาเหอะลูกๆมันหิวแล้วอยากขี่บนน่าหนาสำคาญตกค่ำกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกความมิตรตกก็สั่งไปเกินครึ่งสงสัยหูแว่วไปเองอย่างที่ผัวว่านั่นแหละกินอิ่มนํำก็เก็บถ้วยจานไปล้างแล้วก็ปัดกวาดบ้านเรือนก่อนจะอาบน้ำเข้ามุ้งนอนตามปกติกำลังดับตะเกียงให้เรียบร้อยเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นอีก มันเหมือนมีใครขึ้นไปนั่งอยู่บนขื่อเอามือเคาะแรงๆจนได้ยินเสียงดังโป๊กโป๊กแกก็เลยเปลี่ยนใจไขยไส้ตะเกียงเร่งความสว่างครบทั้งสามดวงแล้วแหงหน้ามองขึ้นไปใจก็นึกว่าคงจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างไม่นึกจริงๆว่าจะได้เห็นสิ่งที่เห็นแล้วเสียวปราบยังกระโดนไฟช็อตอ้ะยะใครอะตัวดาเมี่ยมยังกระทานเจมหวยรอ้องอุทานอย่างตกใจแต่ยังมีสติ อุทานเบาๆแบบว่ากลัวลูกตกใยจยตื่นฝ่ายแป๊กวงเพิ่งอาบน้ำที่ตุ่มข้างบ้านนุ่งพรขาขมายัางตัวเปียกขึ้นบ้านมาได้ยินเมียอุทานแล้วก็เสียหลักล้มก้นจำเบาก็นนึกว่าเกิดประสาทหลอนขึ้นมาอีกตกใจอะไรอีกละ่ะพักนี่ขวัญอ่อนจังนะลื้อเนี่ยก็เฮียดูบนคือหลังคาก่อนสิแหกตาดูซะก่อนก็นว่าอวะไหนทำไมมีอะไรฮะ ว้ยแปะกวงยังไม่เคยเจอเรื่องขยาวขวัญเหมือนเมียซึ่งเจอดีตั้งแต่ตอนกลางวันแสแสๆพอแงนหน้าเห็นเงาดำทำมืนนั่งยองๆ อ, อยู่บนคือตาแดงยังก็แสงไฟจ้องเป๋งลงมาอย่างดุร้ายแกเผลอตัวสติแตกร้องเสียงหลงเหมือนแจ๊คตื่นไฟทำเอาลูกๆในม่งสะดุ้งตื่นเกิดอะไระเตียร้องทาไมไม่เนาะม่ไม่ไมอว้วเดินสะดุดของไม่มีอะไรหรอกลื้อไปนอนเถอะ เ อ, อนึกว่าขโมยขึ้นบ้านลูกๆเงียบอยู่ในม้งแล้วแป๊กวงกับเจ๊หมวยก็พากันดับตะเคียงมุดเข้ามง้งคลี่ผ้าหม่มคลุมโป่งหันเข้าหาหรือกันเบาๆอยู่ในโป่งผ้าหม่มจายคอไม่อยู่กันเนื้อกับตัวกันทั้งคู่ไอ้ยาพี่แท้ว่าบอกแล้วไงที่นี่เป็นบ้านผีสิงขนาดเจ้าของบ้านเขายังไม่อยากกลับมาหรือก็ย้ายมาอยู่นึกว่า ม, มันจะดีแล้วทีนี้จะทำยังไงกันนะถ้าลู ก, ล, กลูกรู้นะมันกลัวตายเลยอะ่ะคำว่าลูกเนี่ยมีมนขลังกับความเป็นพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวกลัวยังไงก็จะทำปอดแทกไม่ได้ไม่งั้นลูกเมียจะเสียขวัญจนสติแตกเออใจเย็นๆไว้ผีมันเป็นสิ่งไม่มีตัวตนอย่างเก่งมันก็แค่หลอนให้เราผวาถ้าหลอนแล้วเราทาเฉยๆพอนานเข้ามันลาคานขึ้นมามันก็เลิกหลอนไปเองนะเชื่อที แล้วผีหลอกมีวิธีแก้ไขง่ายแค่นี้เหลือเฮียนอนคุยกันในโปรงพ้าห่มขอช่วยให้กำลังใจดีขึ้นแต่ยังไม่ทันหาย ห, หวาดกลัวเสียงเหมือนใครนั่งอยู่บนคือห้อยขาลงมาเอาขาสองข้างกระแทกกันอยู่เหนือหลังคา ม, มงุงแล้วก็ดังเข้าหูอีกเสียงกระแทกดังมากจนต้องเชื่อสนิทว่าผีมีตัวตนไม่ใช่อากาศโล่งๆนะ แสดงว่าขาที่ห้อยลงมาแค่หัวเข่าก็ยาวสองเมตรขึ้นไปถึงห้อยลงมาเรียหลังขามุงได้เสียงขากระแทกกันท่ามกลางความเงียบสงัดตอนสามทุ่มดังจนลูกๆสะดุ้งตื่นเจมบอยนะั่นนอนตัวสั่นเป็นเจ้าเขา่าแป๊กวงก็ตกใจสุดขีดในตอนแรกแต่เห็นลูกเมียวหวาดกลัวจนร้องไม่ออกก็เลยเกิดลูกบ้าฮึดสู้ปกป้องครอบครัวมด ออกจากม้งจุดตะเกียงสว่างรูแล้วลากโต๊ะกินข้าวมาไว้ใต้คือหลังคากระโจนขึ้นไปยืนพร้อมกับมีดติโตเห็นเงาดำทะมุนหดขาเป็นท่านั่งยองๆก็เพ่นขึ้นฟันโครมเข้ากลางคือไม้ตะเคียนสุดแรงเกิดพริบตาที่คมมีดดื่มลึกลงไปในเนื้อไม้ก็มีเสียงผู้หญิงกรีดกรีดร้องเสียงเย็นเ ย, ยือกดังลั่นบ้าน แบ ก, กวงยังไม่ทันกระชากมิดิโต้ที่ติดแน่นอยู่ก็คือร่างลึกลับก็ใช้ฝ่าตีนดำทำมึนยันโครมเขาที่ยอดอกแก่เต็มรักตูมเดียวร่างกำยำก็ปลิวจากโต๊ะกินข้าวเอาหลังฟาดพื้นดังสนัน่นก่อนที่จะแน่นิ่งคาที่อยู่ตรงนั้นแรงเฮี้ยนที่สามแม่ลูกเห็นกับตาตัวเองแต่ละคนตกใจกลัวสุดขีดพะขยับแขนขาไดจากการเกรงก็ แล่นถลาจากมุ้งเพ่นลงบันไดหน้าบ้านอย่างไม่กลัวคอหักตายหนีตะเลิดไปยืนตัวสันอยู่ริมถนนในซอยแต่ชะงักเท้าไว้เพราะเป็นห่วงแป๊ ก, กวงมองจากถนนเห็นเรือนทรงไทยเป็นเงาตะคุ่มมหือมาเหมือนผีเปรตจังกล้าอยู่ในความมืดอตีสองพี่น้องเพิ่งอายุสิบ2อ็ดสิบสองไม่กล้าแม้แต่จะคิดจะไปช่วยเตียก็ถามอามยผู้เป็นแม่ ทำยังไงเดียแม่เตี่ยเป็นตายร้ายดีไงมังก็ไม่รู้รออยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวอ้วจะเข้าไปดูเองพูดยังไม่ทันขยับขาเสียงกรีดร้องก็ดังมาจากในบ้านอันมืดทะมึนสามแม่ลูกเซพะงะถอยหลังคนละสี่ห้าเก้าแทบล้มก้นกระแทกแรงเหียนองผีเขยา่าขวัญอย่างหนักจนช็อกหัวใจแทบจะหยุดเต้นไม่เคยหวาดกลัวอะไรเท่านี้ในชีวิตลืมความปลอดภัยของเตี่ยชั่วคราว จำอ้าวอ้าวไปหลบอยู่แถวปากซอยติดถนนใหญ่ซึ่งมีแสงนีออนจากยอดเสาไฟฟ้าสว่างอยู่พอให้รู้สึกอุ่นใจกว่าอยู่ในที่มืดทนตากยุงที่แห่จากแอ่งน้ำคล้ำ ม, มารุมกัดยันเช้าจนอาทิตย์อุทัยเริ่มไขแสงท้องฟ้าเปิดสว่างพ้นจากความมืดอันน่ากลัวก็แข็งใจชวนกันกลับไปดูอาการของแปะกวงซึ่งเห็นแวบสุดท้ายในยังแน่นิ่งไม่กระดุกระดิกไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงบ้าง พอขึ้นบ้านพบแป๊กวงลุกขึ้นนั่งพิงผาบ้านได้สามแม่ลูกก็กำลังใจมาเป็นกองสองกองก็รุมซักถามอาการอย่างห่วงใยแป๊กวงก็เล่าให้ฟังเออตอนอ้วสลบอยู่อ้วฝันไปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสิงอยู่ในไม้ตะเคียนที่ใช้ทำคือหลังคาเขานะ่ช่วยดูแลบ้านตอนที่เจ้าของลีภัยสงครามอพยพไปอยู่ต่างจังหวัด เส็จแล้วอัวพาพวกลือมาอยู่โดยไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนเขาก็เลยสำแดงเดชขับไล่ให้ไปซะดีๆแต่ว่าอ้วมันหัวดือเองไม่ยอมเชื่อฟังมีหนำซ้ำยังเอามีดอิโต้ฟันท้องเขาเป็นแผลเวอะแวะยังดีที่เขาเป็นผีฝ่ายสามมาทิฏฐิไม่อยากทำบาปหนักโดยการฆ่าคนตายเขาบอกว่าเมื่ออ้วพื้นแล้วให้รีบไปเอามีดที่อ่า ฟันทองเขาออกมาเร็วๆแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้ายังไม่เชื่อฟังอีกคราวนี้จะเห็นดีกันอ้วก็บอกแต่แรกแล้วว่าบุญนักหนาที่เขายังมีเมตตาไม่เอาชีวิตรีบขึ้นไปดึงมีดออกมาจะขี่เร็วๆเธอะแล้วก็ไปดูห้องเช่าวัยมีใครเช่าไปหรือยังถ้ายังว่างจะได้กลับไปอยู่ที่เก่าทำเลดีจะปลายซื้อง่ายขายคล่องไปไหนมาไหนก็ะสะดวกเออเอรู้แล้ว ในฝันอัวบอกผู้หญิงเข้าไปว่ารอดตายคราวนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอเขาหายวับไปอ้วก็ลุกขึ้นนั่งได้ไม่เจ็บตัวอะไรมากอะอ่ะมาอาติช่วยกันเก็บข้าวของหยุดเรียนสักวันหนึ่งขืนรอชาเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสย้ายไปไหนอีกอติก็ขานรับอย่างโล่งอกความกลัวจับจิตจับใจยังไม่ทันหายไปไหนไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แม้แต่นาทีเดียว แปรกวงในปั่นซาเล้งไปถึงปากซอยก็จอดทิ้งไว้โดยสารรถเมยซึ่งเร็วกวา่าไปดูห้องเช่าที่เพิ่งย้ายออกมาไม่กี่วันเดชบุญห้องยังว่างอยู่ก็เลยรีบวางเงินมัดจำก่อนที่จะแล่นไปกับลูกเมียอพยพข้าวของมาอยู่ห้องเช่าตามเดิมเหตุสยองที่เกิดขึ้นบนเรือนทรงไทยกลางซอยเปลี่ยวนี่ยังอยู่ในความทรงจาของอติมาตราเท่าทุกวันนี้ปัจจุบันอติเองก็แก่เท่าเหลาเยเป็นตาแปะแก่ไปแล้ว ส่วนแป๊กัวงกับเมยียทั้งสองคนก็อำลาโลกไปอยู่กับเงี่ยมล่ออ๋องเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2511มีว <kh> ิทยาลัยแห่งหนึ่งเปิดใหม่ย่านชานกรุง ทำการสอนตั้งแต่อนุปริญญาถึงปริญญาตรีมีอาคารเรียนหลังเดียวเป็นตึกห้าชั้นโครงสร้างของอาคารเป็นรูปตัวทีปีแรกก็ให้เด็กสมัครเข้าเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบเข้าพื้นที่ของสถาบันแห่งนี้คับแคบมีเพียงหนึ่งไร่เศษเปิดสอนได้ไม่นานก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่มีพื้นที่หลายสิบไร่ สำหรับเรื่องที่จะนํามาเล่าวันนี้ครับเกิดขึ้นบริเวณสถาบันรุ่นบุกเบิกที่ว่ามีเพียงตึกห้าชั้นรูปตัวทีหลังเดียวเด็กที่สมัครเข้าเรียนส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอาถรรพ์ผีสางเทวดาอินพรมยมยักษ์เชื่อตามฝรั่งที่ว่าคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวพอตายแล้วก็เน่าเปื่อยหรือว่าเข้าเตาเผาก็กลายเป็นผงทุลีดิน วิญญาณหรือว่าผีสางก็ไม่มีสวรรค์นรกก็ไม่มีอย่าไปเชื่อคนโบราณที่กูกเรื่องผีผีสังสารขึ้นมาหลอกเด็กเขาบอกว่าหลอกเด็กให้เด็กกลัวผีจะได้วิ่งหนีมาให้ผู้ใหญ่ช่วยแล้วผู้ใหญ่ก็อบรมสั่งสอนก็จะยอมอยู่ในโอวาดโดยง่ายเอาว่าเข้าไปนั่นนะไวพวกที่เชื่อตรงกันข้ามอันนี้มีน้อยนับคนได้ทีเดียว แต่ทั้งสองฝ่ายก็มักจะงัดเอาเรื่องผีสางขึ้นมาโต้วาทีกันอยู่เสมอฝ่ายที่ไม่เชื่อนี่มีกลุ่มใหญ่จะฝูงในอายุเลยวัยเกณฑ์ทหารแล้วชื่อในปอ๊อตน่ะอันนี้ฝ่ายที่ไม่เชื่อส่วนฝ่ายที่เชื่อเรื่องคนตายแล้วต้องเกิดใหม่หรือว่าผู้ตายบางส่วนกลายเป็นสิ่งที่คนเราเรียกว่าผีหัวหน้าฝ่ายเชื่อเรื่องผีนี่คือในสาร สถานที่โตวอาทีก็ได้แก่ดาดฟ้าของตึกห้าชั้นนั่นแหละพอแดดร่มลมตกซื้อเหล้ายาปลาปิ้งขึ้นไปซดกันตามประษาเด็กรุ่นใหม่ที่ถือมติว่าเรียนไม่ยุ่งมุ่งแต่กินเหล้าเที่ยวเตสเมลเทเมาอันที่จริงฝ่ายในศาลโตเถียงกับนายป๊อดทิไรก็แพ้ขรมทุกทีไปแค่นายป๊อดถามคำเดียวว่าแฮ ถ้าผีมีจริงเอ็งไปจุงมือมาให้ข้าดูถ้ามันยอมมากับเอ็งก็จะกราบเอง็งทั้งเอง็งทั้งผีเลยแล้วก็หาทุนมาซื้อเครื่องเส้นผีเลี้ยงดูปูเสือเอ็งสามวันสาคืนให้มันเมาตาย ไ, ไปข้างไปลากแขนผีมาให้ข้าดูหน่อยสิไอสารเอ้ยแค่จะพูดยังไงดีเอ็งถึงจะยอมเข้าใจผีเขาก็มีที่อยู่ส่วนผี เหมือนกับคนเราอะที่ต้องมีบ้านอยู่อาศัยของตัวเองถ้าไม่รู้จักกันใครแล้ววัดจะไปลากเขาออกมาจากที่อยู่ได้เอาเงี้ละกันบุษถานมึงตรงๆเลยบ้านผีอยู่ที่ไหนเฮ้ยโถมเถไปหลักๆก็ป่าชาแหละแหล่งใหญ่ของคนตายแต่ว่าถนนหนทางหรือว่าตรอกซอกซอยปากเขาก็มีผีอาศัยอยู่เต็มไปหมดถ้าเป็นผีถนนน่ะก็เรียกผีชมพ์ แล้วมันบอกเองตอนไหนว่าเป็นผีชมบหรือว่านึกขลังนั่งเทียนยยกแม่คิดตัวเองเฮ้ยข้าคนบ้านนอกจนน้ำบทพูดจาตรงไปตรงมาเองก็น่าจะรู้ข้าจะคิดชื่อผีขึ้นมาเองหาสวรรค์อะไรผีชมบเนี่ยเขามีความเป็นมาเก่าวแกนะเว้ยคนโบราณรู้จักกันดีว่าเป็นพวกผีไตหงไม่ใช่ตายธรรมดาแบบแก่ตายอะไรพวกเนี้ยอ่ะ หรือผีชะมบเนี่ยตายที่ไห น, นจะสิงอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเอาศพไปปา่าช้ามันก็จะไปอยู่ปา่าช้าถ้าตายบนถนนก็อยู่อยู่แถวถนนแถวนั้นน่ะมันรอคนดวงตกพระสุขข้าวพระสาวแทรกนะพอคนดวงจูผ่านมาใ น, ในเขตอาถรรพ์มันจะโดดเกาะหลังเหมือนกับถูกผีเข้าแต่ที่จริงมันเกาะแจไปไหนไปด้วยหาโอกาสเหมาะทำให้คนที่มันเกาะหลังนนะตาย เพื่อมันจะได้พ้นกฎเกณฑ์อาถรรพ์ไม่ติดค้างเป็นผีเฝ้าถนนหรือว่าเฝ้าประช้าชั่วนาตะปีแหมมึงพูดซะเป็นคุ้งเป็นแกยังก็เป็นผีชมบซะเองถามคำเดียวเอ็งเคยเจอผีชมบตัวเป็นเป็นปะถ้ากลาสาบานว่าเคยเจอข็จะเลี้ยงเล่าเอ็งขวดเดี๋ยวเนี้ในปอดนี่เป็นคนชอบคุยโ อ, โอหังเพราะว่าเคยมีพี่ชายคนโตเป็นนักเลงดัง ยุคอันถ่านครองเมืองมีเพื่อนร่วมซอยเป็นเด็กสถาบันนักเรียนนักเลงผ่านการตีรันพันแทงมาอย่างโชคชนประกอบกับพ่อเขาในป๊อกในฐานะดีลูกทําผิดกฎหมายก็สามารถยื่นประกันออกมาได้นายป๊อดก็เลยเป็นจ่าฝูงของเด็กหัวสมัยใหม่กลุ่มนี้ผิดกับนายสารเหมือนฟ้ากับเหวนายสารเป็นเด็กชนบทเมืองแกลงยังหวรยอง พ่อแม่ส่งมาสอบเอนทรานเข้ามาหาวิทยลาลัยพอเอิญสอบไม่ติดก็เลยสมัครเรียนที่สถาบันแห่งนี้ดีวอเตะฝุ่นไปวันๆหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้ความเป็นคนร่างใหญ่พูดตรงทำจริงไม่รังแกใครก็เลยมีเพื่อนส่วนน้อยชื่นชมเข้าเป็นพรรคพวกร่วมกวนด้วยค่าวันนั้นการโต้วาทีแบบประครมก็จบลงด้วยการยกธงขาวของนายสารหนุ่มระยอง เละเอาล ะ, าละข้าเสียท่าเองตามเคย ท, ทั้งทั้งที่มีลุงเป็นสับปะเลอแกเจอผีเฮียนมานักต่อ น, นักละมีอาคมขลังเรียกผีไร้ายๆกลับประชาได้ถ้าข้ายอมเรียนวิชาสับปะเลอสัหน่อยนะก็คงมาเถียงกับเองได้อร่อยเหาะวันนี้เออเดี๋ยวข้าจะรอวันที่เองเก่งเรื่องศาสตร์สับปะเลอนะไอเด๋อเมืองแกลงการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สถาบันแห่งนี้เปิดสอนเป็นปีที่สองสี่ทุกคนก็เรียนอยู่ปีสองตามไปด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นบุกเบิกวันหนึ่งในป๊อตกันในศาลกับเพื่อนอีกสามสี่คนก็หนีเรียนไปเข้าโต๊ะสนุกย่านซอยสุดที่ศาลสะพานกวายซึ่งชั่วโมงนั้นเป็นย่านชานเมืองที่ไกลปืนเที่ยงยวดยานบนถนนใช้ความเร็วสูงเหมือนกับวิ่งอยู่ต่างจังหวัดรถจะติดเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นกวนวัยรุ่นปะทะกันในเชิงสนุกถึงสามสี่ทุ่ม เดินรอบโต๊ะกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบก็มีมีใครแพ้ใครชนะอ่ายังดีที่ในป๊อตกระเป๋าหนักมีเงินซื้อเหล้ายาปลาปิ้งไปนั่งดื่มกินบนดาดฟ้าของตึกเรียนที่ว่ามีอยู่ห้าชั้นพันโรงก็สีกันก็กดอ่อดให้เปิดประตูรับได้ระหว่างซื้อเหล้าที่ร้านเกิดอุบัติเหตุแถวแถวสี่แยกสะพานควายมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดง เจอก็ปิกอัพวิ่งมาทางตรงชนกันดังสนัน่นยังคับฟ้าผ่าคนขีม่มอเตอร์ไซค์กระเด็นไปขวางทางรถสิบล้อถูกทับจนท้องแตกปลายขาที่ใส่กี่ขดกี่ขดทะลักเลี่ยราดออกมาอยู่นอกท้องหน้าเสยดสยองเผอิญจุดที่คนเคราะร้ายถูกสิบล้อขยี้นี่ตรงหน้าร้านเหล้าพอดีแก๊งวัยรุ่นเห็นภาพหวาเสียวกับตาตัวเอง แล้วหลังจากที่มุงดูกับพวกไทยมุงแล้วก็เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถาบันริมถนนเรียบคลองทันทีเหตุที่ย้อนไปกินเหล้าบนชั้นดาดฟ้าก็เนื่องจากแก๊งวัยรุ่นถือเอาเป็นอาณาจักรของตนอาณาจักรนี้จะยึดครองได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นส่วนกลางวันก็จะมีอาจารย์ที่เข้มงวดกวดขันแสงแดดก็แผดเผาดาดฟ้าร้อนเปรี้ยงยังกระเตาเผาไม่มีใครบ้าขึ้นไปตอนนั้นคือตอนกลางวัน ขณะที่นั่งล้อมวงชดเล่าในแต่ละคนก็งัดเอาฉากสยองที่พบเห็นศพตายโหงนี่เป็นหัวข้อพูดคุยทั้งคนเชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องผีคนลุกขนพองกับความสยองที่เห็นนายสอนก็อธิบายให้ทุกคนฟังเอยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อตะกี้บนี่พูดกับพูดแต่เพื่อนผงถ้าซี่แยกตรงนั้นไม่มีใครเคยตายโหงกลายเป็นผีชมบสิงอยู่ที่นั่น มอเตอร์ไซค์มันจะบ้าบินถึงก็วิ่งฝ่าไฟแดงเหรอทั้งทั้งที่รถทางตรงกำลังคัวบริ้วเป็นพายุผีชมบเนี่ยมันจะกระโดดเกาะหลังคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดนใจให้เห็นเป็นถูกพรวดออกไปแล้วก็ตายห่วงตามกดตัวตายตัวแทนจนกว่าจะมีคนมาตายห่วงแทนที่มันมันก็จะเป็นอิสระพ้นเขตแดนอาถรรพ์ไปไหนมาไห น, ไ, หนได้ตามใจชอบเอาอีกแล้วไอ้สาร ได้ทีขี่แพะไล่ยังงัดเอาเรื่องผีผีสงสางมาสวมรอยให้เป็นจริงเป็นจังอยู่นะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอหลักกับคนที่ขับรถประมาทจะไปเกี่ยวกับผีตรงไหนอ่ะแม่พูดมีผีโดดเกาะหลังซะด้วยพูดยังก็ตาเห็นบัตทะคารมมันคุณ ค, คําสองคําตอนที่จะหันไปวิพากวิจาร์กันเรื่องอื่นต่อไปคุยกันอยู่อีกไม่กี่คําเจ้าเก่ง เจ้าเก่งนี่ฉายาหมาเมินจอมกิเรอ่ากิเรขนาดหมาเห็นอย่างเมินอยู่ๆก็นึกขลังไตแท่งปูนของอาคารเรียนที่ยื่นไปในอากาศสิบกว่าแท่งอันเป็นสถาปัตยกรรมล้ำยุคเขาแต่งเติมดาบฟ้าไม่ให้มีสภาพเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนกับตึกแถวขายของความยาวของแท่งปูนประมาณสามเมตร สูงจากพื้นล่างขึ้นมาถึงยี่สิบเมตรการออกไปนั่งคล่อมแท่งปูนตรงปลายแท่งเป็นความหวาดเสียวจนกลุ่มวัยรุ่นนะมองแล้วเสียว่าไปตามๆกันไอ้เก่งน้่นมันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาวะนะ่ะไปเล่นเสียวให้ข้าขนลุกทำไมกลับมาบนดาดฟ้าเดี๋ยวนี้ในเก่งนี้เป็นกึ่งเพื่อนกึ่งบริวารขาองนายป๊อตปกติไม่ใช่คนมีจิตใจห้าวหาญอะไร การเสี่ยงที่จะตกจากความสูงขนาดดาดฟ้าตึกห้าชั้นนี่ยังไม่ใจถึงป่านนั้นแม้กระทั่งบรรดาวัยรุ่นที่เหลือก็ไม่มีใครกล้าหรอกที่จะเอาชีวิตไปล้อเล่นกับความตายการกระทำของนายเก่งทำให้เพื่อนๆ อ, อกสัน่นฝันแผวนไปตามๆกันไอ้แกงหูแตกนรือไงคขาบอกไอ้ถอยกลับมาที่ดาดฟ้ามีเรื่องขับอกคับใจอะไรเราเพื่อนฝูงกันปรับทุกข์กันได้เชื่อกะตี ในเก่งยังทำหูทั่วลมร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือเปลี่ยนจากนั่งคล่อมเป็นลุกขึ้นยืนงโงนเงินอยู่บนแท่งปูนสี่เหลี่ยมความกว้างเพียงหกนิ้วซ้ำยังเดินออกไปยืนอย่างมินเมสุดปลายแท่งปูนอันเป็นความเสียวในความเสียวทุกคนที่เห็นรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นช่วยกันร้องตะโกนเรียกเจ้าเก่งเสียงหลงไอ้แก่งเข้ามาก่อนมึงอย่าเล่นบา้บาๆนะเก่ง ơi, เอ้ยเอ็งอยากจะได้อะไรก็บอก ขออย่างเดียวว่ารีบถอยกลับมาวนดาดฟ้านี่สงสัยไอ้เก่งจะเจอดีเขาให้แล้วตอนเกิดอุบัติเหตุที่ตายหัวงท้องแตกนั่นมันออกไปอยู่ในกลุ่มไทยมงุงไปมุงดูศพเขาด้วยในศาลก็พูดอย่างนั้นแล้วเองยังงัดเอาเรื่องนั้นมาพูดหาสวรรค์วิมานอะไรลราเหตุการณ์กําลังหน้าซิวหน้าขวานทําไมไม่ช่วยเกลี้ยกล่อมไอ้เก่งซะก่อนเฮ้ย เอ็งลองมองดูที่หลังไอ้เก่งให้ดีสิเพื่อนเห็นเงาอะไรบางอย่างดำๆเกาะติดหลังมันไหมอ่ะในปอดเพ่งมองขวาความมืดของคืนเดือนแรมอาศัยแสงไฟที่เสารั้วสถาบาันสตร์ส่องขึ้นมาทำให้แยกออกระหว่างเสื้อสีขาวกับเงาดำอันเลือนลางที่เกาะติดอยู่กับเสื้อตรงแผ่นหลังในเก่งลักษณะของเงาดาเหมือนคนขี่หลังในเก่งไม่มีผิด พอแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรในป๊อด ก, ก็ตกใจจนข่าวอ่อนถอยกรูดจากการยืนริมดาดฟ้าไปล้มก้นจำเบ้าในที่ปลอดภัยหูตาเหลือกเมื่อได้เห็นในสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นเฮ้ยมันอะไรของมันวันนั้นผีชมบไม่มีจริงอย่างที่ไอสารมันบอกหรือไงวะเนี่ยบ้า ช, ชัดเลยทางเดียวที่จะช่วยไอกเก่งได้ต้องใช้เชือกเส้นยาวๆเหนียวเหนียว กับคนที่ใช้บ่วงบาดเก่งๆนะต้องรีบไปขอเชือกจากผานโรงจำได้ว่าแกมีเชือกมณิลาอยู่ขดหนึ่งแต่ถ้าไม่มีใครใช้บ่วงบาดเป็นนิ้นได้เชือกมาก็ป่วยการเสียเวลาเปล่าในปอสก็อ่านแผนของนายสารออกเวลานั้นท่ามกลางความฉุกละหุกแบบนาทีเป็นนาทีตายก็ร้องตะโกนเรียกเพื่อนนายเวกคณสระบุรีเคยคลุกคลีกับคว์มเลี้ยงวัวก็ร้องบอกเพื่อนเพื่อนบอก เคอยอใช้บ่วงบาดเป็นเคยใช้คล้องคอวัวจับเข้าคอกเป็นประจำออดีไอสารเอ็งรีบวิ่งไปขอเชือกจากพานโรงเดี๋ยวนี้ล้วทําเวลาด่วนจีเรานะเว้ยไอเก่งมันจะแย่อยู่แล้วทากลางความฉุกและหุกเหมือนกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้กลุ่มวัยรุ่นก็แบ่งหน้าที่กันทําอย่างเร่งด่วนสุดๆในสารวิ่งลงบันไดตึกห้าชั้นยังก็หอะได้ ในปอดกับพวกที่เหลือก็ช่วยกันตะโกนเกลี้ยกล่อมร่างผีสิงจนเสียงแหบเสียงแห้งไม่กี่อึดใจต่อมาในสารกับพันโรงก็วิ่งหน้าตั้งขึ้นมาบนดาดฟ้าพร้อมเชือกมันนีลาขดใหญ่ในเวกก็เร่งมือขมวดเกลียวเชือกปลายหนึ่งทำเป็นบ่วงบาทชนิดไม่หายใจหายคอในแข่งกับเวลาเพราะว่าในเก่งจะทำพิเรนโดดตึกตายหงสมัไรก็ไม่รู้พลิปตาที่บ่วงบาดเสร็จแล้วในเวก กำลังคว้าเชือกไปคลี่ออกให้สุดความยาวเพื่อจะควงเชือกในอากาศให้ได้ที่ก่อนจะปล่อยบ่วงบาดไปคล้องร่างในเก่งพริบตาที่แผนการทุกอย่างกําลังจะเข้าสู่ขั้นทําตามแผนในเก่งซึ่งออกไปเดินท่อมท่อมท่มทมมามจุราตบนแท่งปูนสูงเหนือพื้นซีเมนต์เบื้องล่างราวๆสี่เท่าของสะพานลอยคนเดินข้ามต่อให้คนเหล็กตกลงไปก็ต้องแหลกยับปนปี้ อยู่่ในเก่งหันหน้ามาทั้งกลุ่มเพื่อนบนดาดฟ้าวิธีหันนี่ทำให้บรรดาวัยรุ่นเห็นแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะมันสามารถบิดคอจนหน้าพลิกกลับมาอยู่แทนที่ทายถอยอันเป็นการเหลียวหน้าได้เก้าสิบองศาซึ่งไม่มีมนุษย์มนาที่ไหนในโลกเขาจะทำได้นอกจากนั้นยังมีเสียงพูดแปลกๆดังออกมาจากปากคนในเก่งหยาฝันแล้ ว, ว่าพวกเองจะช่วยไอ้นี่ได้ ฆ่าเลือกมันเป็นตัวตายตัวแทนแล้วไอ้เก่งจะตายหงดโดยวิธีตกตึกตายเป็นผีเฝ้าตึกรอเวลาเอาพวกเองคนใดคนหนึ่งไปตายแทนที่มันอีกจฉำคำค่าไว้ให้ดีกล่าวจบประโยคก็ไม่รอฟังคำตอบกระโจนจากแท่งปูนเหมือนดิ่งพระสุธาจากเครื่องบินระดับของความสูงมันมีเพียงยี่สิบเมตร คนโดดตึกในสามารถถึงพื้นล่างได้ในพริบตาเดียวบรรดาวัยรุ่นที่เห็นการกระทานี่ตกใจสุดขีดแทกปากร้องเสียงหลงว่าเฮ้ยไอแกงยาร้องตะโกนสุดเสียงบพร้อมกันฟังไม่ได้สับว่าใครพูดอะไรรู้แต่ว่าไม่มีใครกล้าไปยืนชะงงอกหน้าดูที่ริมดาดฟ้าเนื่องจากภาพของการกระโดดด่งพระสุธาหน้าวาเสียวไม่มีอะไรเท่า เมื่อได้สติก็วิ่งแข่งกันลงบันไดไปยังชั้นล่างพบร่างนเก่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนลานซีเมนข้างๆอาคารเรียนเป็นการกระโดดแบบเอาหัวโม่งพื้นโลกกระโลกแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงทั้งเลือดทั้งมันสมองสรดกระเซ็นไปทั่วลานตกึกจนเปลี่ยนเป็นสีขาวปนแดงของเลือดและเศษมันสมองบรรดาวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นนป๊อในาสารนเวกตลอดจนผ่านโรงขนลูกเกลียว ยืนตัวแข็งทื่อกับความสยองที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเข็มนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มเศ็จซึ่งก็ดึกเอาการแล้วในปีนั้นแต่จะรอช้าอยู่ไม่ได้ต้องรีบโทรแจ้งโรงพักให้ตำรวจท้องที่รุดมาชนสูตรพริกษพก็โทร บ, บอกอาจารย์ที่สนิทกันพอจะเล่าให้ทราบได้ด้วยเพื่อให้ท่านช่วยม า, มาเป็นผู้ดูแลเหตุการณ์แทนพวกตน เหตุด่วนเหตุร้ายคืนนั้นตกเป็นข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับวัยรุ่นทั้งหมดถูกตำรวจกักตัวไว้สอบปากคำอย่างเข้มงวดเพื่อว่าจะกลายเป็นฉากฆาตกรรมอำพรางวางแผนฆ่าในเก่งร่วมกันเดชบุญที่วัยรุ่นทุกชีวิตให้ปากคำขณะถูกสอบสวนตรงกันเป๊ะตำรวจเองก็ไม่ได้มองข้ามความเฮี้ยนนงผีสางบรรดาวัยรุ่นก็เลยพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัย ไม่เลยเถิดถึงขั้นเป็นผู้ต้องหาของตำรวจหลังจากงานชาปน ก, กิจศพในเก่งผ่านไปความตกใจและความเศร้าโศกก็ผ่านพ้นไปด้วยบรรดาวัยรุ่นที่ร่วมกันเผชิญภัยในคืนสยองก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติยังมีการดื่มเหล้าสังสรรค์กันเสมอแต่ว่าระยะหลังนี่นป๊อตยุติการโต้วาทีเรื่องผีกับนศารเนื่องจากเงาดำๆที่เกาะหลังในเก่งคืนนั้น ถึงจะเห็นไม่ชัดเจนเป็นเพียงเงาเลือนลางก็ทำให้รู้ว่าผีสมบในมีจริงเกาะหลังตามมาเอาชีวิตคนดวงขาดเป็นตัวตายตัวแทนของมันได้จริงๆโดยเฉพาะตอนที่ในเก่งบิดหน้าถึงหกสิบองศาเอาหน้ามาอยู่แทนที่ท้ายถอยเป็นอะไรอะไรที่เขย่าวขวัญในปอสสุดๆชนิดลืมไม่ลงไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สยองล้มหายตายจากไปจนเกือบหมดเหลือเพียงนายเวกับนายสอนปัจจุบันทั้งคู่อายุเกือบแปดสิบแล้วเคยนำเอาความสยองในคืนนั้นมาเล่าให้ลูกหลานฟังเนื้อเรื่องที่รู้ก็รู้จากลูกหลานของนายสารอีกทีหนึ่งครับเฮียยงนี่ก็เป็นเจ้าของโรงค้าไม้เก่า ย่านเมืองนนเดิมทีแกก็เป็นซาเล้งขนหาขุมทรัพย์จากถังขยะแล้วก็เศษสิ่งเหลือใช้ตามบ้านเอาไปขายให้เอเย่นรับซื้อของเก่าพอมีกำไรเข้าพกเข้าหอเลี้ยงดูลูกเมีย ไ, ได้แบบไม่อิ่มหนำทํารานอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นอดอยากปากแห้งวันหนึ่งมีบ้านติดประกาศขายว่าจะซื้อเฉพาะบ้านก็ได้หรือบ้านพร้อมที่ดินก็โอเค เฮยงก็เลยซื้อเฉพาะบ้านที่เป็นไม้เก่าเอามาขัดสีฉวีวันจนผุดพองทําให้ขายต่อได้ราคาอย่างงามสามารถใช้เป็นทุนต่อทุนตระเวนซื้อบ้านไม้เก่าเอามาขัดถูแล้วก็ขายได้ราคาแพงๆทําไปทํามาสิบ ป, ป, ปีเปลี่ยนฐานนาจากอฮยงเป็นเสียหรือว่าเยยงไปได้อย่างน่าอัศจรรย์มีโรงไม้เก่าปลูกอยู่บนที่ดินครึ่งไร่ย่านชานเมือง มีลิ้วล้อบริวารช่วยทำงานแทนไม่ต้องเหนื่อยยากเหมือนแต่ก่อนลูกเมียก็สุขสบายเป็นอาซออาตียิ้มหน้าบานกันปี2547้ายเจยุควิกฤตเศรษฐกิจคนรวยกลายเป็นคนจนใครที่จนอยู่แล้วก็ยิ่งจนหนักเข้าไปอีกบ้านหลังหนึ่งมีประวัติเก่าแก่โบราณ น, นานเป็นร้อยปีถึงคราวตกยากเพราะ IMF อ็มเอฟไม่เคยปราณีใคร เจ้าของบ้านตกงานนอนเอาเท้าก่ยณผกักเก็บของเก่าขายกินกันตายจนเหลือแต่บ้านไม้โล่งๆก็ตัดสินใจบอกขายเฉพาะบ้านส่วนที่ดินครึ่งไร่นะเก็บไว้ก่อนได้เงินจากการขายก็จะเอามาปลูกกระตอบหลังคามุงจากอยู่ไปพัางๆด้วยราคาที่ดินเคยแตะสี่ห้าหมื่นลดหวบภาพเหลือเพียงตารางวาละหมื่นเศษอย่างน่าใจหาย เฮียยงรู้ข่าวว่านายวิชิตจะบอกขายบ้านไม้หลังใหญ่แบบร้อนเงินก็รีบขับปิกอัพไปดูแล้วก็ต่อรองราคาจนต่ำติดดินเหลือเพียงห้าหมื่นบาทไม้ทุกชิ้นที่ประกอบเป็นบ้านเป็นไม้เนื้อแข็งปลวกไม่กินเอาไปขัดถูให้ดูใหม่เอี่ยมอ่องก็จะขายได้หลายแสนทีเดียวก่อนที่จะพาลูกน้องมารื้อบ้านเฮียยงก็จ่ายเงินเรียบร้อย มีสิทธิ์เข้าไปเดินสำรวจองค์ประกอบของบ้านได้ตามความพอใจด้วยประสบการณ์อันคล่ำบอดในวงการค้ามไม้เก่าแก่พอจะรู้ว่าบางจุดของตัวเรือนเนี่ยอาจจะมีสมบัติคนโบราณเก็บซ่อนอยู่ใ น, ในที่ลับหูลับตาเช่นบนผ้าเพดานหรือว่าในถุนเรือนเป็นต้นถ้ารีบรื้อทันทีเลยของเก่าราคางามๆนี่อาจจะพลัดไปอยู่กับคนงานที่มารื้อบ้าน ซึ่งมีมูลค่าแพงกว่าตัวบ้านเป็นไหนๆเหียยงก็บอกว่าเชิญคุณวิชิตออกไปรอที่อื่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสำรวจไม้ทุกชิ้นสันหน่อยถ้ามีปลวกมีหมอดช้อนใช้จะได้เอายามากำจัดขืนรื้อไปเก็บที่โรงไม้ทันทีไอ้ไม้เก่าที่คุณขายให้อาจจะแพร่เชื้อร้ายทำลายไม้เก่ามูลค่าหลายล้านของผมปนปี้หมดเชิญเชิญเลยครับ ผมอบพยพลูกเมียไปอาศัยอยู่กับแม่ยายแล้วเฮียรื้บ้านเสร็จถึงจะย้อนกลับมาปลูกกระท่อมอยู่อาศัยต่อครับรอจนเสียงมอตอร์ไซ์รับจ้างที่นายวิชิตซ้อนท้ายมาหายเงียบไปทางปากซอยแล้วเฮียยงก็รีบใช้คอนเหล็กเคาะโน่นเคาะนี่สำรวจความพิรุษของตัวบ้านซึ่งใหญ่โตยังกเรือนขุนนางโบราณ มีประตูทั้งชั้นบนชั้นล่างหลายสิบแผงหน้าต่างเป็นร้อยบานถ้าปลูกสร้างสมัยนี้คงต้องใช้เงินสามถึงสี่สิบล้านเป็นอย่างน้อยเออความวิบัติของชีวิตแท้ๆทำใหน้นายวิชิตต้องขายทิ้งในราคาเหมือนกับแจกฟรีว้าเพียดา น, นมีทั้งชั้นบนชั้นล่างไม้ทุกชิ้นยังแน่นตึกไม่มีร่องรอยใครงัดแงะมาก่อน เฮียยงต้องใช้หางเหี่ยวของคอลเหล็กนิ่งัดคว้าเพดานชั้นล่างออกดูเปิดไปฉายส่องจนทั่วก็พบแต่ความโล่งว่างไม่เคยมีใครเอาอะไรมาซุกซ่อนไว้ก็ขึ้นไปงัดแง่คว้าเพดานชั้นบนดูบ้างภาพที่ส่องไฟฉายไปเจอเข้าก็ทําเอาเยียยงตกตะลงึงเนื่องจากหลังคาอยู่สูงจากฝ้าเพดานมากอุปมาเหมือนห้องใต้หลังคาของฝรั่ง ขั้นตะเกียกตะกายขึ้นไปเดินสำรวจจนทั่วอาการตกตะลึงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพบเจอภาพเขียนสีน้ำมันผีมือชั้นครูเป็นจำนวนมากเฮ้นี่ใครไทยหรือฝรั่งเป็นคนเขียนวะเนี่ยแมงมีตรูปผีเปรตอสุรกายเห็นแวบแรกนึกว่ามีปรชาช้าอยู่ในห้องใต้หลังคาผีผู้หญิงรูปนั้นต้องเป็นผีตายท้องกลมแงแงโอ้น่ากลัวชะมัดเลย คนเขียนเนี่ยมันไปสรรหาตัวอย่างที่ไหนมาเป็นต้นแบบกันวะเนี่ยเหยยงก็ส่องไปฉายดูภาพสีน้ามันครบทุกภาพขนลุกเกลียวกับความสยองของภาพแต่ละแผ่นยังผีหัวขาดก็ยืนหิ้วหัวตัวเองเลือดทะลักพลักพลักอยากล้ำคอเหมือนเลือดจริ ง, รงๆกำลังไหลอาบร่างในตาผีหัวขาดก็ถลนลงมาห้อยร่องแรงอยู่กาลังจ้องหน้าแก้คหมงแบบดุร้ายอ่า อื อ, อนี่มันผีมือจิตกรขั้นเทพชัดๆเลยเขียนเหมือนจริงซะไม่เมียเออเก่งภาพวาดเขาดักคุล่าจอมผีดิบก็น่ากลัวมากท่าทางยืนจังก้าสวมเสื้อโอโคสีดำยาวกอมเทา้าอ้าปากกว้างสสแยแยกเขี้ยวขาวยาวเฟ้ยยังกระเสือเขี้ยวดาบเยยงเห็นแวบแรกถึงกตกใจเซพงังะไปหลายก้าว มันเหมือนกับแดกคูล่ากำลังจะ ก, กระโจนเข้ากัดคอดูดเลือดแกแม้จะโวยละเลงสีได้มีชีวิตจิตใจจริงๆแบบนี้คนขวัญอ่อนเห็นเขามีหวังช็อกคาที่แน่ๆยังมีภาพแบบไทยๆเป็นภาพผีกระหังขี่สกเบือเน็บกระดงที่ซอกรักแล้ทาเป็นปีกบินพึบๆมาในอากาศเหมือนกับกาลังจะกระโดดออกมาจากกรอบรูปอ่าเออ ผีกระสือก็ใช่ย่อยนั่งเคี้ยวรกเด็กแจดแฝดเลือดกระเซ็นเลอะมุมป่าก็วาดได้เหมือนเปะ๊ะทำให้เห็นจริงเห็นจังว่าเลือดกำลังกระเซ็นจริงๆแต่ละภาพที่วาดออกมาในสยองเกินคำบรรยายนี่ถ้าตกถึงมือนักสะสมภาพโบราณจะมีมูลค่าเป็นหมื่นเป็นแสนได้กำไรมากกว่าการซื้อบ้านเก่านี่หลายสิบเท่าทีเดียวโอ้โหส้มหล่นชัดๆเลย เดี๋ยวต้องไปถอยรถปิกอัพเข้ามาจอดหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยๆขนภาพสยองไปขึ้นรถทีรับแผ่นเออเหมือนก็นอยู่ดีๆก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสิบใบซ้อนๆเลยว่ะ <c oughs> คืนนั้นภาพเขียนสีน้ำมันสยองก็ถูกขนย้ายไปอยู่ันตึกที่พักของเหยียยงครบทุกภาพจัดวางอย่างเป็นระเบียบในห้องพิเศษที่มีไว้สาหรับต้อนรับแขกระดับวีอพี ซึ่งนั้นทีปีหนจะบินจากเมืองจีนมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งแกปิดเป็นความลับไม่บอกให้ลูกมีอรู้โดยเฉพาะอาซอเขามีนิสัยซุ่มซ่ามชอบถือแก้วกาแฟร่อนไปร่อนมาปะเหมาะทำกาแฟหกรสภาพสีน้ำมันสักภาพสองภาพมันจะเสียหายหลายแสนคว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางก็ตกเที่ยงคืนเสร็จเฮยยงนอนบนโซฟาในห้องรับแขกซึ่งอยู่ติดกับห้องวีอพี ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำกุญแจใหม่ใส่ประตูแทนของเดิมป้องกันความลับไม่ให้รั่วไหลแกก็นั่งจิบเหล้าฝรั่งด้วยความอิ่มเอิมใจถึงตีหนึ่งก่อนที่จะทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาอย่างมีความสุขแกเข้าพวังไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ฝันร้ายมากในฝันว่าแกนอนอยู่ที่โซฟานั่นแหละบรรยากาศในห้องรับแขกดูลีลับพิลึกพิลัน อย่างชนิดไม่เคยเป็นมาก่อนท่ามกลางความมืดสลัวเพราะว่าก่อนนอนนี้ดับไฟทุกดวงแล้วก็มีเพียงความสว่างเล็กๆน้อ ย, อยๆจากคมแสงจันทร์ที่เสารั้วสาดเข้ามาก็ทําให้เห็นว่ามีหมอกควันสีขาวมัวปกคลุมไปทั่วห้องรับแขกเหมือนกับใครจุดยากันยุงชนิดทั่งไว้รวดเดียวพันแท่งเกิดกลุ่มควันพุ่งกระจายตลบอบอวนไปทุกอนูนอากาศ ในฝันนั้นเฮยยงก็เอกใจกับความพิลึกกึกกือลุกจากโซฟาเดินผ่าหมอกควันไปดูเหตุการณ์ที่ห้องว i p อพีเนื่องจากมีใจผูกพันกับภาพสีน้ำมันสยองนั่นเป็นพิเศษเสร็จแล้วแกก็ชะงักกึกอยู่กับที่เพราะว่าเงาตะคุ่มซึ่งยืนจังกล้าอยู่ท่ามกลางกลุ่มหมอกควันนะไม่มีหัวตั้งอยู่บนคอ หัวไพรไปอยู่ในมือขวาซึ่งขยุ้มผมชูหัวขึ้นสูงเหนือศรีรษะเฮยยงมองไม่เห็นหน้าตาของหัวขาดเนี่ยเห็นแต่แสงสีแดงฉานแผดจ้าจากลูกตาของหัวมันกำลังกรอกตาไปมาเหมือนมองหาใครสักคนตอนนั้นหมอกลงจัดเหมือนทะเลหมอกมันเองก็เอาแต่จ้องมองโซฟาที่เฮยองนอนอยู่ตะกี้ไม่ทันเห็นแกซึ่งแอบอยู่ข้างประตูห้องวีไอพี แกรีบย่องถอยหลังตั้งใจจะไปซ่อนตัวอยู่ข้างตู้เย็นขนาดยักษ์เดชบุญที่เหลือไปมองสะก่อนเห็นผู้หญิงผมยาวหมสบายเสียงนั่งอุ้มลูกอยู่บนหลังตู้เย็นแขวงลูกในมือแขวงไปแกวงมาปากก็ขับลำนำเฮกลมเหมือนกับแม่นาคพระขนงกระแสเสียงของแม่ลูกอ่อนยิ้หยหวนวงเวงใจสิ้นดียิ่งฟังก็ยิ่งขนหัวลุกสู้ใจเต้นตูมตาม นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นว ะ, ะทำไมบ้านอ้วใเนี่ยผีสางที่ไหนมาเพียนผ่านเต็มไปหมดเสร็จแล้วที่ห้องเก็บภาพสยองมีอีกร่างหนึ่งโผล่พรวดออกมาเห็นแวบๆคล้ายๆจะเป็นคาวเดคูล่าวิ่งพล่านไปทั่วห้องถงเหมือนกับหิวเลือดสุดขีดเฮยยงจับตามองความเคลื่อนไหวของสามร่างสยองอย่างหมดอะไรตายอยากแต่ไม่กล้ากระดุกกระดิกให้พวกมันผิดสังเกต ได้แต่นั่งตัวงอก่อ ง, งอขิงใจหายใจคว่ำอยู่กับที่และแล้วประตูห้องเก็บภาพสยองก็ถูกเปิดทางอีกครั้งหนึ่งมีเงาดำตะคุ่มในชุดข้าราชการยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก้าวอาดอา จ, อ, าจออกมายืนจังก้าโบกไม้โบกมือให้มันดาผีเฮียนยุติการพลุกพล่านเอ้ยพอที่ขยวขวัญมันพอสมควรแล้วกลับไปเข้าประจาที่ได้ รูปภาพใครรูปภาพมันนะอย่าสับสนเดี๋ยวข้าจะเจราจากอายงมันหน่อยผีข้าราชการมีอำนาจเหนือว่าสามปีศาจแต่ละตนก็เชื่อฟังล้กลับเข้าไปสิงอยู่ในรูปภาพของตัวโดยดีเหลือข้าราชการร่างใหญ่เท่ากับยักษ์ประจันหน้ากัแกแต่นอกจากความสูงใหญ่หน้าตาก็ไม่น่าหวาดกลัวมันก็เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเราเานี้เอง ทำไม่ให้หยงหายใจหายคอได้ทั่วท้องยอมนั่งฟังอูวาแต่ดวดีไอยงเองเป็นจีนอพยพลีภัยสงครามมาจากแผ่นดินใหญ่ถือดียังไงถึงลักขโมยภาพเขียนสีน้ำมันที่ข่าวว่าจ้างจิตตกรชาวอิตาลีเขาสร้างขึ้นมาบ้านที่ก้าลงทุนลงแรงปลูกนั่นก็อีกขนาดปลูกสร้างสมัยรัชกาลที่สาม ยังสิ้นเปลืองค่าโสหุยไปตั้งเยอะแยะ เ, ออเออทียบค่ากเงินปัจจุบันจะมีราคาสักเท่าไหร่ครับพระคุณท่านเออรู้จักนอบน้อมทำตนข้าก็จะไม่เอาเรื่องเองจนเกินเหตุบ้านน้องข้านะปลูกสมัยนี้ต้องใช้เงินถึงห้าสิบล้านขึ้นไปแต่เอ็งบีบคอลูกหลานข้าซื้อในราคาต่ำติดดินแค่ห้าหมืน เป็นการค้ากำไรเกินควรซ้ำเติมคนตกทุกข์ได้ยากอึกกับผมทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ น, นะครับรูปวาดสีน้ำมันนั่นก็อีกจิตรกรชาวอิตาลีเขามีความสามารถมากมีชื่อเสียงในหมู่นักวาดภาพสีน้ำมันระดับโลกมูลค่าตอนนี้ตกภาพละหลายแสนบางรูปเป็นล้าน ปียงพนมมือแต่รับโอวาทอย่างนอบน้อมยำเกรงพระคุณท่านมีความคิดเห็นยังไงกับภาพสีน้ำมันทั้งยี่สิบภาพเนี่ยครับเองเป็นคนกว้างขวางป่าวประกาศให้คนรวยที่เขาชอบสะสมภาพโบราณให้มาที่แกลเลอรี่ซึ่งเองจะเปิดแสดงภาพเร็วๆนี้แล้วพอคนรวยมันมากันหัวสลอนก็เปิดประมูลขายเป็นรายภาพ ได้เงินกี่ล้านเองเอาไปสามสิบเปอร์เซ็นตที่เหลือให้หลานข้าเก็บไว้ใช้ใจ่ายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนี่เรื่องซื้อขายบ้านนะล้มเลิกซะถ้าไม่เชื่อฟังวันหลังข้าจะส่งลูกน้องมาจัดการเข้าใจเอ อ, เ อ, อสาบสาบครับประคุณท่านครับเออดีขับไปละพูดขาดคำผีเฮียนข้าราชการโบราณก็เดินอาจอา จ, อาจกลับเข้าไปสิงอยู่ในภาพสีน้ามันน้องตัว เฮยงนี่กราบประหลกประหลกอย่างครั่นคร้ำพองเงยหน้าก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายลุกขึ้นนั่งบนโซฟาใจเต้นตูมตุมยังกะพระตีกลองเพลนจะว่าเป็นความฝันก็ยังทันเห็นประตูห้องเก็บภาพปึ่งจะปิดงับเข้าที่เดิมเดี๋ยวนี้เองทําเอาฝันหนีดีพอไปหมดเอ๋ยยังกะเรื่องจริงโอ้ยผีน่ากลัวเป็นบ้าเลยทั้งแดกกูล่าทั้งผีหัวขาด นี่ต้องรีบจำหน่ายจจแจกแจกออกไปให้เร็วที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคืนสยองเฮยยงไม่กล้ายโยนความผิดให้ความขวันเพราะวะ่าดูเหมือนน่าจะเป็นความจริงซะมากกว่าก็ตัดสินใจไปเล่าความจริงให้ในายวิชิตเจ้าของบ้านมรดกผีเฮียนพังนายวิชิตก็ดีใจมั่ได้แก้วช่วยเฮยยงเปิดห้องโชว์ภาพสีน้ำมันผีมือจิตกรเอกสมัยโบ ร, ราณ มีบรรดาอาเซียอาเฮียอาหมวยอาซอเศรษฐีกระเป๋าหนักมาร่วมประมูลกันอย่างคับคั่งเพราะว่าทุกภาพนี้วาดอย่างเลอเลิศปานเนรมิตความเก่าแกก็ยาวนานเป็นร้อยปีน่าจะซื้อไว้สะสมเสริมบารมีเปิดประมูลเมียงสามวันก็ขายหมดเกลี้ยงได้เงินถึงแปดสิบล้าน หักให้ในายวิชิตไปเจดสิบเปอร์เซ็นแล้วยังเหลือเข้ากระเป๋าอีกเป็นสิบล้านสบายแห่ไปได้กันทุกฝ่ายเมื่อมอบคืนบ้านเก่าแก่โบราณคืนให้ในายวิชิตไปตามเดิมปรากฏว่ากิจการค้าไม้เก่าของเฮียยงก็ไปได้สวยมีคนร้อนเงินติดต่อขายบ้านในแกโดยตรงหลายสิบเจ้าแต่ละเจ้าพูดตรงกันว่ามีผีเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไปเข้าฝัน ว่าถ้าร้อนเงินอยากขายบ้านไม้เก่าได้ราคาดีให้มาติดต่อที่โรงไม้ย่านชานเมืองแห่งนี้เฮยงเชื่อว่าทุกคนพูดความจริงเพราะผีสางแก๊งท่านข้าราชการโบราณแต่ละคนมีฤทธิ์มีเดชไม่ใช่เล่นสามารถให้คุณให้โทษแก่ใครก็ได้เดชบุญที่แกไม่ใส่กุณหัวรันผีข้าราชการสั่งอะไรก็ทำตามทุกอย่างผีจริงก็เลยยกพวกมาให้คุณ อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วครับเมื่อประมาณรักสามสิบปีก่อนเกิดความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพเป็นเหตุให้ยวดยานพาหนะจากฝั่งทนบุรีข้ามสะพานพระปิ่นกล้าวมายังฝั่งท้องสนามหลวงไม่ได้ เนื่องจากมีการชุมนุมใหญ่ปิดกั้นการจราจรทุกเส้นทางไม่ให้เข้าถึงถนนราชดำเนินบรรดาชาวบ้านที่มีธุรกิจติดต่อในชั่วโมงนั้นก็ต้องใช้การเดินข้ามสะพานแทนรถราพาหนะในวันชุมนุมใหญ่ในเหรียญเนี่ยทธุระอยู่แถวโรงหนังเฉลิมธานีย่านหนังเลิงซึ่งถูกปิดการจราจรเหมือนกันก็เลยอยู่คุยกับเพื่อนร่วมธุรกิจยันมืดค่าก่อนที่จะลากลับ เสร็จแล้วก็เดินเรื่ อ, เอยเฉยผ่านการชุมนุมอันคึกโครมดูนั่นดูนี่ไปเพลินเพลินไม่ได้เร่งร้อนกว่าจะถึงสะพานพระปิ่นเกล้าได้ก็ป๋าเข้าไปร่วมเที่ยงคืนมองไปรอบๆตัวเหมือนสะพานที่เพิ่งสร้างใหม่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการบรรยากาศก็สดชื่นไร้มลพิษปราศจาทยอดยานขับข้างแม่น้ำเจ้าพญายามดึกสงัดจนมีแสงนีออนศาสองงดงามยังกับภาพเนรมิต ในเหรียญก็เดินทอด น, น่องไปบนทางเท้าซึ่งมีราวสะพานทําด้วยเหล็กป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากลมกันโชกแรงพัดคนตกน้ำไปอย่างโชคร้ายการเดินจากนางเลิงถึงสี่แยกปิงเกล้านี่เป็นเรื่องเล็กสำหรับนักวิ่งมาราธอนอย่างเขาซึ่งมีท่อนขาแข็งแรงกว่าคนธรรมดาเป็นสิบเท่ายิ่งสุขภาพไม่ต้องพูดถึง่านเหรียญ น, นี่ขนเหล็กเราดีๆนี่เองขณะ ก้าวเดินใกล้จะถึงกึ่งกลางสะพานข้ามแม่น้ำเขาก็เหลือบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าเหมือนจะปีนข้ามราวสะพานอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเท้าไวเท่าความคิดในเหรียญก็ออกวิ่งเต็มสปีดไปยังจุดเกิดเหตุอ่าปากก็ร้องตะโกนเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนมีอะไรคุยกันก่อนอย่าทำแบบนั้นเด้แต่เสียงเตือนสติกลายเป็นเหมือนว่ายิ่งยุร่างเปลี่ยวในชุดเสื้อขังเกงยีน สวัดขาข้ามราวสะพานไปข้างหนึ่งอีกข้างกำลังจะตามไปติดๆเพื่อจะพุ่งหลาวลงสู่แม่น้ําเบื้องล่างในเหรียญ น, นี่เก่งไอเรื่องการวิ่งเขาห่อเต็มเหยียดด้วยความเร็วสูงสุดทันคว้าแขนผู้หญิงคนนั้นไว้พอดีมืออีกข้างก็รวบเอวแล้วรั้งตัวกลับมาอยู่บนสะพานตามเดิมสาวชุดดำคนคิดสั้นจะฆ่าตัวตายรอดจากเสีย ว, วินาทีมรณะอย่างบุญวิ์ ในเหรียนหอบหายใจแรงด้วยความตื่นเต้นอ่าหนูชื่ออะไรเนี่ยบ้านอยู่ไหนยังสาวยังสวยนึกคิดสั้นทำไมปัญหาทุกอย่างมันมีไว้พุ่งชนนะไม่ใช่มีไว้เพื่อให้หนีปัญหาแต่ปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ตกกระลงุงยิ่งแก้ยิ่งยุ่งอ่ะพูดอย่างเนี้ยสงสัยไม่เคยได้ยินคําว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างสิหมายความไงอะลงุง คือค่าตัวตายมันได้ความตายเป็นรางวัลความเด็ดเดียวแต่ว่ามันเสียคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเขาอาจจะดีใจด้วยซ้ำที่เราประชดชีวิตไม่ต้องหาทางขับไล่ก็อยู่กับคนใหม่ที่เขาถูกใจได้โดยสะดวกไม่มีใครเป็นกลางขวางคอแล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่เสียใจแทบตายตามหนูอ่ะรู้สิถ้ารักจริงหวังแต่งป่านนี้เขาตามตัวเถอจนพบนานแล้ว ไม่ปล่อยให้โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งทางใจอย่างนี้เรกจะบอกให้ในเหรียญน่าตั้งใจจะพูดให้เสียแทงความรู้สึกจะได้โกรธแค้นเขาแล้วลืมคิดสั้นตามที่ตั้งใจมาแต่ต้นในเหรียญนี่สี่สิบกว่าแล้ววัยของแกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากอ่านเกมออกว่าสาววัยรุ่นส่วนใหญ่นะ่าคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็ไม่แคล้วเรื่องความรักเป็นเหตุหนูหนีตามเข้ามาจากเมืองจันท์ที่กรุงเทพเนี่ยหนูไม่รู้จักใครสักคน ถ้าเขาท้อจริงๆนะหนูจะไปอยู่กับใครได้อีกกะลุงอ้าวแล้วบ้านคนนั้นนะเขาอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวลุงจะช่วยพาไปเคลียร์ปัญหาให้อะไม่มีหวันทําได้หรอกลุงเขามีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วหนูโง่เองที่หนีตามเขามาอ้าวไหนว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเขาจะเสียใจแทบจะตายตามหนูพูดไปอย่างนั้นเองล่ะกูคงจะจริงอย่างที่ลุงว่าเขาหาเรื่องทะเลาะ จนหนูบอกจะฆ่าตัวตายเขายัางตะโกนใส่หน้าบอกแน่จริงเอาเลยอย่าเก่งแต่ปากแล้วสมสารกลับมาหาเขาอีกแหมเจ้าแฟนหนูคนนี้ปากมันเหลือเกินเหลือการจริงๆนะพับผ่าสิเอาถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็ดึกมากแล้วหนูขอนอนค้างที่บ้านลุงสักคืนหนึ่งก่อนได้ไหมคะเอออย่างนี้ถ้าจะลําบากอ่ะเพราะว่าเมียลุงกี้หึง อยู่ๆพาเด็กสาวรูปร่างหน้าตาดีไปขอนอนค้างมีหวังทะเลาะกันบ้านแตกแน่งั้นเอางี้ลุงจะพาเธอไปนอนค้างที่โรงแรมม่านรูดแถวแถวสี่แยกปิ่นเกล้าเป็นม่านรูดเกรดเอระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมแล้วเราราวสี่โมงเช้าจะมารับไปส่งขึ้นรถปรับอากาศกลับบ้านที่เมืองจันนะ นายเหรียญก็หันหน้าไปทางสี่แยกปิ่นเกล้าชี้มือชี้ไม้ส่งสิกให้ดูว่าโรงแรมอยู่บริเวณไหนแต่พอหันกลับมาอีกทีปรากฏว่าเด็กสาวชุดดำหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีความเคลื่อนไหวผิดปกติเช่นผ่านข้ามราวสะพานแล้วโดนน้ำตายหรือวิ่งย้อนไปทางท้องสนามหลวงคนหูไวตาไวอย่างเขาก็ต้องรู้เห็นในชั่วพริบตาสิ่งที่เกิดขึ้นทาเอานายเหรียญตกตะลึงยืนตัวแข็งทื่อ บอกตัวเองว่าถูกผีหลอกเขาอย่างจังเอ๊ะมันแสดงความเฮี้ยนกับเขาทาไมถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่มีทางหายตัวโดยที่เขามองไม่ทันทั้งๆที่ยืนอยู่ห่างกันแค่สองเมตรแค่นั้นเอมันยังไงของมันวะเ น, นี่ยอยู่ดีๆก็เจอผีเข้ากลางทางเขาชุมนุมกันเมืองห่างตีนสะพานไม่กี่ร้อยเมตรเหลาดันโดนผีหลอกบนสะพานพระปิ่นเกล้าเออ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละบ้าชัดๆในเหรียนเดินขนลุกเกลียวไปจนถึงสี่แยกเลี้ยวขวาไปทางแยกบางพลัดลเราหนึ่งป้ายรถเมล์ก็ถึงปากซอยทางเข้าบ้านเดชบุญที่ในเหรียนไม่ใช่คนเป็นโรครัวผีผีสาวก็ไม่ได้แสดงความสยดสยองอะไรเพื่อขยาวขวัญมาให้เห็นประมาณว่าอยากจะปรับทุกขแล้วก็มีคนแสดงความเห็นใจเท่านั้น แต่ธรรมชาติของคนเจอผีมันก็อดเสียวสันหลังว่าบอบบาดไม่ได้บ้านในเหรียญปลูกสร้างเครึ่งตึกเครื่องไม้เป็นมรดกตกทอดจากพ่อที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเดิมทีเป็นเรือนใต้ถุนสูงเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นใครอยู่ตึกก็ถือว่าคนรวยอยู่บ้านไม้ก็เป็นคนจนก็ต่อเติมชั้นล่างก่ออิดถือปูนเป็นห้องถุงโลง่โลงเหมือนสาราการประเรียนอาศัยเป็นห้องรับแขกเป็นห้องกินข้าว โดยกั้นด้านหลังไว้ทำครัวติดกับห้องน้ำเขากลับดึกขนาดนี้ลูกเมียหลับนอนยังไม่นานแล้วนายเหรียญก็เอนหลังงีบหลับที่โซฟาในห้องรับแขกมีโคมแสงจันทร์จากเสารั้วส่องเข้ามาทางหน้าต่างชั้นล่างพอมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้อย่างสลุล่หลางสำหรับคืนนี้มีเหตุการณ์สำคัญในบ้านในเมืองก็ทำให้เขาเข้านอนดึกผิดปกติ เอนหลังได้ไม่กี่อึดใจก็เข้าสู่พวังแห่งความหลับอย่างรวดเร็วแต่คล้ายๆเหลือเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มนั่งอยู่บนโซฟาจ้องมองเข้าตาขมิง่งชุดรับแขกก็มีโซฟาสามตัวขั้นกลางโดยโต๊ะกระจกโซฟาที่มีคนนั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับตัวเขาที่เอนนอนพอจะเพ่งมองให้ถนัดได้ว่าเป็นใครเงาดาก็หายวับไป เง่าเหมือนกับตาขวาเห็นอะไรเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนไปเองเพราะความอ่อนเพลียแกก็เลือกสนใจกระทั้งหลับสนิทไปในที่สุดในเหรียญเป็นคนตื่นนอนตอนตีสี่เป็นกิจวัตรพลัดผ้าเป็นชุดนักวิ่งกางเกงขาสั้นกับเสื้อกล้ามสวมรองเท้านักวิ่งอ่าเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านไปตอนตี 4, สี่เสร็จๆข้ามสะพานพระปิ่นกลระไปวิ่งรอบท้องสนามหลวง สิบกว่ารอบทุกเช้าตรูบรรดาชาวชมรมนักวิ่งมาราธอนทั้งหลายก็ทําแบบนี้ละไปถึงท้องสนามหลวงเมื่อไหรจะพบหน้าคุ้นๆกันเป็นคนรู้จักกันดีเพราะเคยเดินทางไกลไปวิ่งมาราธอนต่างจังหวัดด้วยรถโดยสารปรับอากาศคันเดียวกันใครที่วิ่งครบตามรอบที่ตั้งใจไว้จะวิ่งออกจากสนามหลวงแล้วกลับบ้านไปบรรดานักวิ่งมาราธอนเป็นคนรักษาสุขภาพาแข็งแรงอยู่เป็นนิด เครื่องดองของเมาตลอดจนอบยมุกต่างๆเช่นว่าเพี่ยกลางคืนอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ให้ไกลที่สุดกินอาหารชีวจิตที่เป็นอาหารแนวมังสวิรัตงดเว้นเนื้อสัตว์ทุกจำพวกซึ่งดีต่อการเสริมสร้างร่างกายแบบปลอดมลพิษถึงทางเท้ารอบท้องสนามหลวงในเหรียญก็เข้าไปวิ่งเช่นเดียวกับเพื่อนๆซึ่งไปถึงก่อนแล้วก็มีการพยักพเพยอดโบกไม้โบกมือส่งซิกกันทักทายกันตามธรรมเนียม แต่ว่ามีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เขารู้สึกเอะใจนั่นก็คือแต่ละคนที่วิ่งสวนทางกับเขาหรือวิ่งตามหลังจนเร่งขึ้นไปแซงหน้าก็ตามจะเหลือมองเขาพร้อมกับรอยยิ้มอันลี้ลับเปี่ยมด้วยเล่ห์ไหนเอ๊ะมันยังไงยังไงพิกลอยู่บางรายที่สนิทกันมากหน่อยถึงก็ยิ้มร่ายกหัวแม่โป้งจูร่อนให้เขาทํานองวันนายแน่มากในเหรียญ ถึงกับเหมือนตึบเหมือนตกอยู่ในเมฆหมอกหนาทึบเกิดอศัศจรรย์ใจอย่างหนักที่เขาตกเป็นจุดสนใจของเพื่อนในชมรมนักวิ่งถึงขั้นกลายเป็นเป้าสายตาของทุกคนอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างกระทั่งถึงจุดพักดื่มน้ําแก้กระหายเพื่อนที่วาสนิจกันก็โฉบเข้ามากระซิบไง yeah. <Yeah. S 2> เด็กที่พามาวิ่งด้วยเนี่ยสวยเชียบไปเลยเกลยเอยยินดีด้วยนะเพื่อนผูงเขางงเป็น ไก่ตาแตกเอ้ยยินดีเรื่องอะไรกันเด็กสวยเฉียบที่ไหนเนเขาออกจากบ้านมาคนเดียวชัดๆไม่มีสาวที่ไหนวิ่งตามหลังเอ่าขั้นวิ่งต่อจนครบรอบตามที่ตั้งใจประมาณตีห้าครึ่งก็วิ่งกลับบ้านอันเป็นเหตุการณ์ปกติของนักวิ่งมาราธอนทุกคนที่อาศัยขาตัวเองแทนยวดยานพาหนะเพราะการวิ่งออกกําลังกายเท่านั้นจึงจะทําให้สุขภาพแข็งแรงได้ตลอดเวลา ตกคขั้นวันเดียวกันลูกๆทั้งสามคนของเขาก็มีสีหน้าแปลกๆมองมายัางด้านหลังของนายเหรียญอย่างสงบนเหมือนกับประหลาดใจมีเพียงภรรยาของเขาคนเดียวที่ทำหน้าตาเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอัศจรรย์ใจเหมือนกับคนอื่นๆเขาก็ทดลองเหลียวมองด้านหลังอย่างเร็วเพื่อจับพิรุธดูสิว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังก็เห็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีอะไรแปลกพิสดาร คืนนั้นทุกคนในบ้านมีนิสัยรักสุขภาพสามทุ่มครึ่งกว่าเขานอนกันเงียบหมดเขาเองขึ้นไปนอนบนเตียงในห้องนอนกับภรรยาตามปกติยังไม่ทันหลับสนิทก็มีเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมารอบรอ บ, รอบห้องนอนเขาก็รีบลืมตาขึ้นแก้สงสัยก็เห็นเงาดาตะคุ่มสูงเปรียวสวมใส่เสื้อผ้าในชุดรัดกุมกาลังเดินทอดน่องอยู่ แต่ทันทีที่รู้สึกว่าตกเป็นเป้าสายตาร่างนั้นก็หายวับเหมือนภาพในจินตนาการที่เขานึกเห็นไปเองความที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากในเหรียญก็บอกกับตัวเองว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆ แ, แต่มันก็เหมือนการเห็นเงาในน้ํากล่าวคือเห็นนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้เสกเช่นเงาที่เรามองเห็นอยู่ในน้ําเห็นเงาจันทร์ เอามือช้อนจากน้ํากี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีดวงจันทร์ติดมือขึ้นมาเย็นวันรุ่งขึ้นภรรยากําลังวุ่นอยู่กับการหุงข้าวต้มแกงในครัวหลังบ้านลูกๆ ก, กลับจากโรงเรียนมาพอดีเขาก็ตัดสินใจเรียกลูกชายคนเล็กอายุสิบประกวบมาไต่ถามลูกคนนี้หัวอ่อนถามอะไรก็ตอบตามตรงคําตอบที่ได้ยินเต็มสองหูก็ทําเอาในเหรียญตกตะลึงก็มีน้าผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างหลังพ่ออ่ะ พี่แมวกับพี่ป๋องก็เห็นแต่แม่ไม่ยักเห็นเออจริงเหรองั้นอย่าเพิ่งไปบอกแม่นะเดี๋ยวเรื่องจะไปกันใหญ่เขายังเก็บความคลางแคลงไว้ในใจกระทั่งตีสี่วันรุ่งขึ้นออกไปวิ่งที่ท้องสนามหลวงเช่นเคยบรรดานักวิ่งที่สนิทกันก็ยังยิ้มลีลับมองตามหลังเขาตาเป็นมันกระทั่งหยุดพักดื่มน้ากับเพื่อนที่ว่าสนิทกันมากคราวนี้ก็เลยตัดสินใจถามตรงๆเฮ้ hey, แหวง เองเห็นผู้หญิงสาวสวยอยู่ข้างหลังค้าหรือเปล่าอ่ะเห็นนี่ก็ตอนนี้เขายยืนรออยู่ใต้ต้นมะขามข้างหลังเองอ่ะเขายังไม่รีบหันไปหยิบกระจกเงาที่ให้ส่องดูเวลาโกนหนวดตอนไปวิ่งมาราธอนต่างจังหวัดส่งกระจกบานจิ๋วให้เพื่อนขอแรงเพื่อนยกกระจกเงาชูขึ้นเหนือไหล่ของเขาแล้วมองผ่านกระจกเงาไปยังต้นมะขามที่เพื่อนบอกแต่ก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากต้นมะขาม เขาซักถามถึงรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมของสาวคนนั้นจากเพื่อนอย่างละเอียดเมื่อรู้ว่าใส่กางเกงยีนสีดำรัดรูปเสื้อยืดก็สีดำเส้นผมยาวประบ่าใบหน้าคมเข้มเขาก็รีบบอกความจริงถึงผู้หญิงที่พบกลางสะพานพระปินกล้าเมื่อสามคืนก่อนให้ฟังเล่าพลังว่าคนลูกเกลียวไปพลังจุดที่หยุดดื่มน้ำนะั้นมีแสงนออนจากยอดเสาไฟฟ้า เพื่อนเห็นเขาขนลุกทั้งตัวพลอยตื่นเต้นตกใจตามไปด้วยเฮ้ย hey, งั้นคุณไม่มีเงาในกระจกก็ผีสิวะแต่ข้ายังเห็นเธอยือนรอเองอยู่ใต้ต้นมะขามในเกลอเอ้ยเราทำไงดีวะเนี่ยอยู่ๆก็มีผีตามหลังข้าตลอดเวลานี่ชักใจคอไม่ดีแล้ ว, วยก็เองเคยลั่นปากว่าจะช่วยเขาเขาก็เลยติดตามเองถึงไหนถึงกัน ตอนนี้เขามาดีอย่าไปทำอะไรขัดใจให้เขานึกขลังเปลี่ยนเป็นมา้ายจา้านาเดียวมันจะวุ่นเพื่อนสนิทแสดงความเป็นห่วงเขาอย่างชนิดออกนอกหน้าแต่ก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะช่วยแก้ไขอะไรได้ช้ามืดวันนั้นเขาวิ่งกลับบ้านผ่านสะพานพระปิ่นกล้าวเช่นเคยพอไปถึงกลางสะพานตรงจุดที่ทเขาพบเจอสาวชุดดำเขาก็กัดพันหยุดยืนพูดเบาๆทั้งที่ขนลุกอยู่ตลอดเวลาเออ วันนี้เดี๋ยวจะไปทําบุญใหญ่ถวายสังฆทานให้นะตั้งจิตตั้งใจอนุมโมทนาในส่วนกุศลให้ดีจะได้เห็นทางสว่างพ้นจากแรงอาถรรพ์ของที่นี่กลับบ้านของเธอที่เมืองจันทร์หรือว่าไปผุดไปเกิดก็ได้พอบอกเล่า 96, เก้าสิบเสร็จเขาก็เห็นเงาดามันเลือนลางปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นสาวงามชุดดําคนนั้นจริงๆตามที่คาดไว้ ในเหรียญเห็นผีมายืนอยู่ต่อหน้าก็เย็นวาบตั้งกะหัวจะรดเท้าเพราะคนเราต่อให้จิตใจเข้มแข็งขนาดไหนถ้ารู้ว่าเจอผีก็อดจะเสียขวัญไม่ได้ตกถึงตอนสายๆวันเดียวกันเขาออกจากบ้านโดยไม่บอกให้ภรรยารู้ว่าไปไหนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดโดยไม่บังควรหลังจากนั้นก็แวะซื้อสิ่งของเครื่องใช้อย่างดีชนิดไม่กลัวแพงจัดกระป๋องสังฆทานคุณภาพเยี่ยม นำไปถวายหลวงพ่อที่วัดในซอยใกล้กันท่านเป็นพระดีพระขลังปฏิบัติจิตเจริญสมาธิอยู่เป็นนิดพอก้าวขึ้นไปกราบท่านบนกุฏิท่านก็มองมายังด้านหลังของเข า, เาตามมาถึงกุฏิอตาตมาเชิญโยมผู้หญิงเอาละตั้งใจรอมูทนาใหม่ในส่วนกุศลให้ดีนะโยมในเหรียญขนลุกแล้วขนลุกอีกเมื่อรู้ว่าผีสาวชุดดาติดตามมาข้างหลังตลอดเวลา แข็งใจถวายสังฆทานจนแล้วเสร็จหลวงพ่อก็กำหนดหยิตแผ่ส่วนกุศลไปให้ผีสาวเอาละเรียบร้อยแล้วโยมเหรียญยมผู้หญิงก็ได้ไปพุดไปเกิดตามเวลานุเวหแล้วโยมเองก็ถือว่าได้ทำบุญครั้งสำคัญช่วยให้วิญญาณที่ตกค้างอยู่ในเขตอาถรรณ์นนะพ้นไปจากที่นั่นนะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา ในเหรียญก็ไม่เคยพบเจอผีสางนางไม้ที่ไหนอีกเลยจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อแก่งกระจานไหมครับแต่ก่อนนั้นคนส่วนมากจะรู้จักชื่อของป่าแก่งกระจานในนามของพื้นที่ห่วงห้ามทางทรัพยากรธรรมชาติ เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงสิงสาราสัตว์นับไม่ถ้วนเป็นป่ามีชีวิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบกิริขันธ์ขึ้นมาจนกระทั่งกินเนื้อที่มาถึงอําเภอหนองยาปล้องอําเภอเขาย้อยอําเภอท่ายางและอําเภอแก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนั้นติดกับประเทศพม่าโดยมีเทือกเขาตะนาวสีขวางกั้นอยู่ความสวยงามของป่าแก่งกระจานนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวแต่หากไปถามคนพื้นบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นมายาวนานต่างก็ให้คําตอบตรงกันว่าในความสวยงามเหล่านั้นมีอันตรายแฝงอยู่ทุกย่างก้าวหากมีผู้ลุกล้ำเข้าไปโดยไม่เคารพยำเกรงต่อผู้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ ก็ย่อมจะมีจุดจบที่น่าอานาตทุกรายความน่ากลัวอาถรรพ์แห่งปากแกงกระจานนั้นเป็นที่รู้จักกันมากในเดือนกรกฎาคมปี2554เมื่อเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกถึง3ามลำติดต่อกันในเวลาเพียง9้าวันโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถึง17คนแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นทหารกล้าที่มีประสบการณ์ทางการเดินป่ามาอย่างโชกชนบางคนเคยทํางานอยู่ในป่าแถบนี้มานานหลายสิบปีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดคําถามขึ้นตามมาว่าอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจานที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงมีสาเหตุมาจากอะไรหนึ่งคำเล่าลือที่พูดถึงกันมากในหมู่นักล่องไพยในแถบนั้นก็คือหุบผาลมดูด หรือที่เรียกกันว่าหุบผาอาถรรพ์เป็นบริเวณที่มีลมกระโชกแรงอยู่บ่อยครั้งทำให้ผู้คนหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นถูกดูดเข้าไปในกระแสลมแล้วก็ตกลงไปในหุบเขามีนักประจนไพรจํานวนไม่น้อยที่ต้องเอาชีวิตมาสังเวยให้หุบเขาแห่งนี้จากเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอตกในครั้งที่สองนั้น ได้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยทหารบางนายที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่เครื่องแบ็คฮอคตกเล่าให้ฟังว่าในจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอคกำลังจะลงจอดบนลานจอดชั่วคราวที่เตรียมไว้นั้นได้เกิดลมกันโชกอย่างแรงตามด้วยเมฆหมอกและเม็ดฝนมาจากที่ไหนไม่รู้ผุ้พาศัทธดังกล่าวถูกเล่าลือกันมาเนิ่นนานว่าเป็นเสมือนสุสานที่อยู่กลางป่าแก่งประจนัน นั่นเป็นเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาบรรดาศพที่เกิดจากการสู้รบของทหารศพของชาวบ้านพรานป่าหรือว่าศพที่ตายด้วยสาเหตุต่างๆกันไปได้ถูกนํามาทิ้งไว้ที่หุบเขาแห่งนี้เป็นจํานวนนับร้อยนับพันศพทีเดียวทําให้วิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไร้ที่ฝังเหล่านี้ต่างวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนั้นก็ยังพยายามที่จะเอาชีวิตคนธรรมดาที่ผ่านมาผ่านไป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 ทห า, านปักธูปไม่ลงเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในครั้งที่มีการกำหนดการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับศพของนายทหารห้าคนจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ฮิลอี่ตกในครั้งแรกซึ่งก่อนจะออกบินได้มีการทำพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าขาวขอให้ภารกิจสำเร็จรุ่วรงไว้อย่างปลอดภัยหลังจากพิธีใกล้จะเสร็จสิ้นพันตรีประพันธ์เจียมสูงเนินนักบินที่หนึ่งประจเฮลิคอปเตอร์ ที่ต้องนําเครื่องออกป ฏ, อปฏิบัติการในครั้งนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานเสร็จสิ้นแล้วก็นําทูบไปปักบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์แต่ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อพยายามปักทูบลงพื้นเท่าไหร่ก็ปักไม่ได้จึงเปลี่ยนที่ปักอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เสียทีสุดท้ายก็ย้ายไปปักในบริเวณที่มีน้ําซึ่งดินจะอ่อนกว่าที่อื่นจึงสามารถปักได้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 เจ้าพ่อเจ้าเขาและเจ้าพ่อเขาพระปวงเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนบริเวณแก่งกระจานนับถือกันมายาวนานโดยเจ้าพ่อทั้งสองถือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลผืนป่าแก่งกระจานตั้งแต่อดีตซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าผืนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวกะเหรี่ยงต่างก็พากันให้ความเคารพ บ, บูชาอย่างมากในการเข้าป่าแต่ละครั้งมักจะมีการบอกกล่าว ขอขมาหรือว่าบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสงแห่งนี้โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงอย่างชนเผ่าปกากรยอผู้ที่มีชีวิตคลุกคลีกับป่าแถบนี้มาช้านานก็มีการให้ความเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาไม่น้อยซึ่งจะมีพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือที่เรียกว่าตาลืออยู่เป็นประจำโดยชนเผ่านี้เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในป่านั้นล้วนแต่มีเจ้าของคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นสัตว์หรือแม้แต่อากาศในการทำพิธีนั้นชาวบ้านหรือชาวปากากะยอจะนัดหมายมาร่วมทำพิธีทบทุกคนโดยบริเวณที่ทำพิธีนั้นมักจะเป็นบริเวณป่าที่ไกลออกจากหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่จากนั้นก็นําเศษไม้ในบริเวณนั้นมาสร้างเป็นสารโดยใช้เลือดไก่หรือว่าหมูทาให้ทั่วตัวสารจากนั้นก็ถวายสิ่งของที่นามา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 การขับถ่ายในป่าทั้งเบาทั้งหนักถมน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกควรจะขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทุกครั้งแล้วต้องกรบให้เรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพอีกทั้งคำพูดคำจาเวลาอยู่ในป่าก็ควรรมะมัดระวังไม่ควรพูดท้าทายหรือหยาบคายเป็นอันขาดนอกจากนั้นเวลาออกจากป่าก็ต้องขอขมาอีกครั้งในสิ่งที่ทําล่วงเกินโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอีกทั้งยังเป็นการแสดงการอำลาอีกด้วย เจ้าพ่อทั้งสองนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดอภินิหารในป่าแถบนี้อยู่เป็นประจำบางครั้งยังปรากฏตัวให้ผู้คนที่ได้ผ่านพบซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการออกมาเตือนใช่มากกว่าแต่หากว่าผู้ใดที่คิดจะลองดีกับเจ้าพ่อก็ยอมพบกับภหายาณะที่รออยู่ข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บริเวณโดยรอบของป่าแก่งประจานนั้นจะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านธรรมดาซึ่งส่วนมากจะไม่มี ผู้ใดที่หันกล้าเข้าไปปลูกที่อยู่อาศัยในป่าแถบนี้เพราะความน่ากลัวในายามค่ําคืนนั้นมีมากกว่าตอนกลางวันหลายร้อยเท่าขนาดตอนกลางวันแสกนักท่องเที่ยวหรือว่านายพรานจํานวนไม่น้อยยังต้องเจอกับอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจานทั้งเดินหลงป่าเจอกับสัตว์ร้ายหรือไม่ก็เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเกินความคาดหมายหากเป็นเวลากลางคืนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียว ยิ่งหากว่าผู้ที่เข้าไปอยู่กลางป่าทึบแผงนั้นไม่มีคาถาอาคมหรือว่าของดีติดตัวก็ย่อมไม่ต่างกับยืนอยู่บนปากเหวพร้อมที่จะตกลงมาได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็เลยทําให้ชาวบ้านแถบนั้นมักจะเดินทางไปหาของป่าในเวลากลางวันเท่านั้นหากจะมีการเดินทางในเส้นทางนิยามค่ําคืนก็ต้องเป็นนายพรานผู้ขมังเวทหรือไม่ก็ต้องเป็นพระภิกษุผู้มีตะบะแก่กล้าเท่านั้น แต่ในป่าที่น่ากลัวอย่างนี้กลับกลายเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่ากระเรี่ยงชนเผ่าที่ใช้ชีวิตผูกพันกับป่าแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานซึ่งเชื่อกันว่าการที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์และอาถรรพ์ที่อยู่ทั่วไปหมดชาวกระเรี่ยงต้องมีสยเวทแกรงกล้าพอสมควรนอกจากนั้นสยเว่เหล่านั้นก็ถูกถ่ายทอดมายังชาวกะเรียงยุคปัจจุบันนี้ด้วย ยังมีเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนี้มาอย่างช้านานโดยในลอยน้ำสกุลจีบังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านโป่งลึกซึ่งอยู่บริเวณแก่งกระจานได้เล่าให้ฟังว่าในปีพศ2538ได้มีนักศึกษาพม่ากลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าพม่าแดง ได้เข้าไปอาศัยในบริเวณชุมชนกะเหรี่ยงเก่าแก่ที่ว่านั้นซึ่งต่อมาในปีพศ2542ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เข้าไปขวาดล้างกลุ่มพม่าดแดงดังกล่าวปรากฏว่าฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายนายส่วนกลุ่มพม่าดแดงนั้นสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นมีจํานวนมากกว่าชํานาญการรบและภูมิประเทศมากกว่าอีกทั้งอาวุธและแผนการก็น่าจะดีกว่า แต่ผลก็คือกลับแพ้อย่างราบคาบซึ่งเชื่อกันว่าทหารฝ่ายไทยได้ถูกไสยเวทของชาวกะเหรี่ยงทำให้พ่ายแพ้อย่างที่เห็นหลังจากนั้นหมู่บ้านกะเหรี่ยงดังกล่าวก็อยู่ภายใต้การจับตามองของทางการมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปบุกรุกหรือว่าล่วงล้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกเลยหากไม่จาเป็นโดยส่วนมากมักจะใช้การเจรจาเสมากกว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ในอดีตนั้นต่างรู้ดีว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเสมือนพื้นที่ต้องห้ามของคนเดินป่าหากต้องการผ่านต้องขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นเสียก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นที่รู้กันในหมู่ข้าราชการสมัยนั้นเป็นอย่างดีก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีความขัดแย้งกับชุมชนชาวกะเหรี่ยงมากนักนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าชนชาวกะเหรี่ยงนั้นมีผู้นําที่มีสยเวทแกร่งกล้า สามารถเรียกลมเรียกฝนได้ดังใจและยังเป็นบุคคลที่ถือว่าชาวกะเรี่ยงในแถบเทือกเขาตะนาวศีนับถือกันมากมีชื่อว่าผู้เท่าคออีโดยที่ผู้เท่าคออีผู้นี้แม้ว่าตอนนี้จะมีอายุร้อยสามปีแล้วแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ท่านเป็นอดีตนายพรานผู้ชำชองแถบเทือกเขาตะนาวศีซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านผู้นี้ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญ ญ, ญาณของชาวกะเรียง ในแถบสี่จังหวัดตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบกิริขันธ์โดยผู้เท่าคออีเล่าถึงความเก่งกาดของตนเองในครั้งอดีตว่าหากย้อนไปประมาณเจ็ดสิบปีที่แล้วย่อมไม่มีใครไม่รู้จักนายพรานคออีในอดีตนั้นพรานเท่าคออีเดินทางไปทั่วเทือเขาตะนาวสีเพื่อหาสมุนไพรและของป่ามาขายให้บรรดาร้านในเมือง ชีวิตส่วนใหญ่ล้วนแต่ต้องอาศัยอยู่ในป่าความรู้ทางด้านการเดินป่าคาถาอาคมที่ใช้ในป่าล้วนไม่เป็นรองใครเรื่องดังกล่าวไม่ใช่คำอวดอ้างหรือว่าคุยโวเมื่อมีการพบภาพสมัยโบราณที่ถ่ายกลุ่มพรานป่ากระเรียงที่นําของป่าเข้ามาเรข่ขายซึ่งหนึ่งในพรานเหล่านั้นก็มีรูปของปู่คออีที่กาลังยืนถือปืนอยู่นอกจากนั้น ปูคออียังได้เล่าถึงสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกสามลำซ้อนภายในระยะเวลาเพียง9ก้าวันที่ป่าแก่งกระจานว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ทําการลบหลู่เช้ากะเรียงก่อนทำให้มีการสาบแช่งจักไฟกะเรียงจนสุดท้ายทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนั้งกล่าวขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึงสิบ็ดศพ โดยรายละเอียดในเรื่องนี้ผู้เท่าผู้นี้ได้เล่าย้อนไปในเดือนมิถุนายน2554ก่อนเกิดโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกเพียงหนึ่งเดือนว่าในอดีตนั้นชุมชนกะเรียงได้อาศัยอยู่บริเวณผืนป่าลุ่มน้ำทีกรูพรดูหรือว่าแม่น้ำห้วยใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ดั้งเดิมของชาวกะเรียงแต่ภายหลังนั้นได้ถูกทางเจ้าหน้าที่ของทางราชการผลักดันออกไปจากพื้นที่นั้น ได้มีการเข้าไปรื้อถอนจับกลุมและเผาทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในหมู่บ้านที่สําคัญยังเผาทำลายยุงข้าวที่เก็บข้าวเอาไว้สําหรับใช้กินตลอดทั้งปีซึ่งทําให้ชาวกระเหรี่ยงภายในหมู่บ้านต่างแตกกระจายตัวไปบางกลุ่มก็หนีเข้าป่าบางกลุ่มก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องตามหมู่บ้านอื่นในละแวกใกล้เคียงนอกจากนั้นยังมีชาวกระเหรี่ยงอีกส่วนหนึ่งได้เดินเท้าเข้าป่าลึกบริเวณต้นแม่น้ําธีกรูพดู แล้วก็ทําการปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่แต่ภายหลังวันที่สิบสองกรกฎาคม25งพห้าร้อย้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังตามไปผลักดันชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ออกจากบริเวณต้นแม่น้ําธีผูกระดูอีกครั้งหนึ่งทําให้สร้างความโกรธแค้นในแก่ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมากนั่นแหละก็เลยมีการทําวิธีกรรมสาปแช่งเจ้าหน้าที่ราชการหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกถึงสามลำ และมีผู้เสียชีวิตถึงสบิบเจ็ดศพซึ่งในความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงนั้นเชื่อว่าเลขเจ็ดเป็นหมายเลขแห่งอาถรรพ์เป็นหมายเลขที่ชาวกะเหรี่ยงโบราณเชื่อว่าแสดงถึงความตายและหากว่าลองเขียงกลับหัวก็จะมีความหมายว่าตายตามภาษากะเหรี่ยงนอกจากนั้นผู้เท่าคอหอียังกล่าวต่อไปอีกว่าการที่ลบหลู่ชาวกะเหรี่ยงก็เหมือนกับการลบหลู่ผืนป่าแห่งนี้ เพราะมีความเชื่อว่าต้นกําเนิดของชาวกระเหรี่ยงนั้นมาจากผืนป่าแห่งนี้ซึ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณซ่อนอยู่วิธีการจะแก้คําสาปแช่งเหล่านี้ต้องมีการทําพิธีขอขมาโดยที่ผู้จะทําพิธีได้นั้นต้องเป็นชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมเท่านั้นเพราะมีจิตวิญญาณผูกพันกับผืนป่าแห่งนี้ซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็นผู้เท่าคออีและน่าจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ยังสามารถทําพิธีนี้ได้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 เจ้าแห่งผืนดินเจ็ดชั้นเจ้าขุนเขาเจ็ดชั้นเจ้าป่าเจ็ดชั้นเจ้าแห่งสายน้ำเจ็ดชั้นจากนั้นก็ได้กล่าวคําบอกกล่าวและคําขอคํามาจากวิธีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจะใช้หมายเลขเจ็ดซึ่งเป็นเครื่องหมายของความครบถ้วนที่สุดภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นพิธีก็ไม่เกิดอาเพศขึ้นกับป่าแถบนี้อีกเลย เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สาหรับผู้ที่เพิ่งจะรู้เรื่องราวและไม่เคยเชื่อในเรื่องอาถรรพ์แห่งป่ามาก่อนป่าแกงกระจานเป็นหนึ่งในป่าที่มีอาถรรพ์เป็นที่กล่าวขวัญมากในแวดวงของนายพรานและนักท่องไพรการก้าวเข้าไปสู่ป่าแห่งนี้ควรจะต้องระวังเป็นอย่างมากทางที่ดีควรจะมีผู้ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางและตัวเราเองก็ควรปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด นั่นน่าจะทำให้ตัวเราห่างไกลาจากอาถรรพ์ในป่าแห่งนี้ได้มากที่สุดแล้วครับผมมีเรื่องแปลกๆจากแฟนรายการนะครับส่งมาให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเงาหัวขาดครับคนที่ส่งมาชื่อคุณเสาคุณเสาเล่าให้ฟังว่า วันเกิดของแกคือวันที่หกมีนาคมนะปีไหนก็ไม่รู้แม่ของแฟนแกก็พาทั้งหมดเนี่ยทั้งครอบครัวไปเที่ยวสวนสนุกกันไปกันตั้งแต่เช้าก็ไปเล่นโน่นเล่นนี่จนกระทั่งอ่อนเพลียกันไปตามๆกันเวลาก็ล่วงมาจนถึงทุ่มหนึ่งกำลังจะพากันกลับบ้านแล้ว ก็เลยแวะเล่นม้าหมุนกันก่อนอก่อนจะกลับม้าหมุนจะเป็นม้าสามแถวลึกเข้าไปคุณสาวก็นั่งอยู่ตัวในสุดตัวตรงกลางก็แฟนแกนั่งแล้วก็ตัวริมนอกสุดเป็นน้องชายแฟนนั่งน้องชายแฟนนี่ชื่อปลักส่วนแม่ของแฟนก็นั่งอยู่ข้างหน้าด้านหน้านะม้าก็กําลังหมุนไปเรื่อยเรื่อย แม่เขาก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปทั้งสามคนก็แกนั่งอยู่ข้างหน้าเวลาจะถ่ายแกก็ต้องหันมานา่หันมาถ่ายรูปทั้งสามคนก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งเลิกเล่นม้าหมุนก็มาเตรียมของเตรียมตัวกลับบ้านกันอยู่ที่บริเวณหน้าอสถานีเครื่องเล่นนั่นแหละทีนี้แฟนคุณเสาวก็เอากล้องขึ้นมาดูรูป จนกระทั่งไปสดุดกับรูปล่าสุดที่แม่ถ่ายไว้บนม้าหมุนตะกี้เนี่ยภาพที่ถ่ายก็คือหัวครับหัวของน้องชายแฟนที่ชื่อปลักเนี่ยหายไปเลยอ่ามองทะลุไปเห็นแบ็กกราวด้านหลังเลยคุณสาวกพิจารณาท่านในปลักนี่กลมหน้าก็จะเห็นหัวถ้าเงยหน้าก็จะเห็นคางเพราะว่าถ่ายด้านหน้า จะหดไปก็ไม่ได้เนี่ไม่ใช่เตา่านี่จะได้หดลงไปได้คุณสาวก็เริ่มสงสัยก็หยิบกล้องออกมาถ่ายรอบๆมาหมุนหวังจะเห็นสิ่งผิดปกติก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านแฟนคุณเสาวก็ยังคล่องใจไม่หายก็ออกกล้องขึ้นมาดูรูปอ่าแฟนก็กดซูมไปตรงบริเวณหัวของน้องชายหายเนี่ยสักพักนึง แฟนแกก็โยนกล้องขึ้นเหนือหัวพร้อมจร้องกรี๊ดดังรั้นเลยคุณสาวก็ตกใจบอกเฮ้ย <"He i, S 1> เป็นอะไรไปแฟนแกก็เอาแต่ร้องไห้โวยวายจนกระทั่งพ่อกับแม่ลงมาจากบนบ้านถามว่าเกิดอะไรขึ้ น, นแฟนคุณสาวก็บอกว่าตอนที่ซูมเข้าไปตรงที่หัวน้องเนี่ยหัวน้องหายนะแฟนเห็นดวงตาสีแดงดุลอยขึ้นมาจากในกล้องเนี่ย ไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อเพลียหรือว่าคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคุณสาวเองก็ไม่เห็นอะไรเสร็จแล้ววันนั้นก็ขึ้นนอนกันจนกระทั่งเช้าคุณสาวก็ตื่นมานั่งกินข้าวข้างล่างแม่ก็เดินมาเล่าเรื่องที่แม่เจอเมื่อคืนให้ฟังแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยแม่นอนไม่หลับเลยลงมาหาอะไรทําข้างล่าง แม่มองออกไปนอกบ้านเห็นคนมากันเต็มเลยทั้งเด็กทั้งคนแก่มายืนอยู่หน้ารั้วมองเข้ามาในบ้านแม่บอกว่าเขาเขาก็มาแค่มองนะั้นไม่ได้มาทําอะไรแต่ว่ามากันเยอะเวลาผ่านไปสองสามวันเจ้ปลักเริ่มไม่สบายอ่าคนที่บ้านแฟนคุณสาวก็ไม่สบายใจกันพ่อแฟนคุณสาวก็พา พาทุกคนไปวัดวัดหนึ่งในจังหวัดนะคนปรปฐมไม่ชื่อวัดอะไรไม่รู้นาวจําจได้แค่นะคนปรปฐมมาถึงก็พากันไปทําบุญไหว้พระกันก่อนจะไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งที่พ่อแฟนรู้จักทันทีที่เข้าไปในกุฏิก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้มาหาเจ้าปลักหรอกแต่เขาต้องการตัวคุณเสานั่นแหละไปเป็นตัวตายตัวแทน หลวงพ่อแกถามว่าแล้วทําไมถึงไปที่นั่นกันละ่ะนะก็เลยตอบไปว่าเพราะมันเป็นวันเกิดของผมครับนะคุณสาวว่างั้นแกก็บอกประมาณว่าเพราะเหตุนี้แหละผีมันต้องการคุณสาวเนี่ยไปเป็นตัวตายตัวแทนแต่ด้วยว่าจิตคุณสาวนะ่าแข็งมันก็เลยขยับไปคว้าคนข้างๆแทนซึ่งก็เป็นแฟนคุณสาวก็แหละแต่แฟนก็ยังดวงแข็งอีก ก็เลยขยับไปหาเจ้าปลักเพราะเจ้าปลักนั้นมันเคลียจากการเล่นเครื่องเล่นมาทั้งวันจิตมันอ่อนหลวงพ่อท่านก็เริ่มพรมน้ำมนต์แล้วก็ทําพิธีอะไรสักอย่างแกขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเจ้าปลักแล้วแกก็เอาเสียงพ่อแกมาครอบให้กับเจ้าปลักแล้วก็ท่องมนต์อะไรสักอย่างแล้วก็ให้เจ้าปลักเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเสียจากบุญยริศเป็นบว ร, ริศ หลวงพ่อท่านบอกว่าบุญยริ์เนี่ยชื่อเนี่ยมันสูงเกินไปคนธรรมดาไม่ควรจะนำมาใช้เป็นชื่อสำหรับเทวดาหลังจากพิธีอะไรอะไรของหลวงพ่อเสร็จแล้วทุกคนก็พากันลากลับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นอีกเลยครับเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับโชคลางเคราะห์อะไรพวกนี้นะชีวิตคนเราเนี่ยตั้งแต่ลืมตา ม, มาดูโลกก็มีชะตาชีวิตติดตามมาแล้ว วันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขฐานาทีที่พ้นจากท้องแม่คือตัวชีชะตาบางคนเชื่อเรื่องการผูกดวงดูดวงว่าชีวิตในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรการดูดวงกับหมอดูเกี่ยวกับโชคชะตาราศีหมอดูลายมือหมอดูไพ่ยิปซีแล้วก็อีกหลายหมอที่ทํานายชีวิตตามวิธีการแล้วก็ขั้นตอนของพวกเขาซึ่งบางคนที่ไม่มีความเชื่อด้านนี้บางครั้งก็ต้องทึ่งกับการทายทักที่ไม่ตั้งใจของหมอดู แลบังเอิญตรงกับช่วงเวลาของชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่หมอดูก็ไม่บอกเหตุผลที่ดูแล้วว่าทักทายออกมาแม่นอย่างนั้นนะแต่ว่าหมอบอกเพียงว่าผมทายตามดวงชะตาราศีเกิดของคุณไม่มีเสริมเติมแต่งแต่อย่างใดคนที่ไม่เชื่อก็เริ่มขวยบ้างเพราะมันตรงมากอ่าจากที่ไม่เคยเชื่อก็เริ่มหันมาสนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับโชคชะตาราศีมากขึ้นสำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องนี้บางคนก็เชื่อมากเกินไป ไม่ว่าใครจะทักทายยังไงเชื่อหมดทุกอย่างให้ทําบุญเจ็ด 9, วัดเก้าวัดก็ทําตามให้ปล่อยศาสตร์เก้าชนิดก็ทําตามอะไรทํานองเนี้ยซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละคนซึ่งเมื่อถูกทักทายแล้วก็ยังว่านะครับใจเสียถ้าได้ทําแล้วก็สบายใจก็ทํากันไปก็ถือว่าได้ทําบุญทางอ้อมไปด้วยการทํานายทายทักนั้นไม่เพียงแต่หมอดูเท่านั้นที่ดูลายมือดูเลขผานาทีวันเดือนปีเกิดของผู้ที่มาดูดวง พระสงฆ์ที่ศึกษาด้านนี้ก็สามารถทักญาติโยมได้โดยไม่ต้องดูลายมืออาของคุณวีนาน่ะเคยถามพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ทำงานทำบุญบ้านว่าตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคบ้างหรือเปล่าและเมื่อไรจะสบายสักทีลำบากมาตั้งแต่เล็กแล้วหลวงตาท่านก็ไม่พูดอะไรมากนอกจากเออเดี๋ยวก็สบายแล้วโยม คำพูดของหลวงตาท่านทําให้คนฟังตีความหมายกันไปว่าอาของคุณวีนานจะอยู่สุขสบายในเร็วๆนี้ไม่ลําบากเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าคําทักทายในวันนั้นมีความหมายไปอีกทางหนึ่งซึ่งทุกคนที่ฟังก็คิดไม่ถึงความหมายในคําว่าเดี๋ยวก็สบายเนี่จะหมายถึงการเสียชีวิตของคนคนนั้นหลังจากทําบุญบ้านญาติกันไม่นานอาคุณวีนาก็เสียชีวิตจริงๆด้วยสาเหตุแผลติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งก็น่าแปลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีคนดูลายมือให้อาคุณวีนาบอกว่าให้ระวังตอนอายุหกสิบห้าขึ้นไปให้ระวังให้มากและในครั้งเดียวกันคนดูลายมือคนเดียวกันก็ดูให้เพื่อนที่ไปด้วยว่าเหมือนเหมือนกับคุณว่าเหมือนเหมือนกับอาคุณวีนาโดยไม่ได้ทักทายอะไรมากและจากวันนั้นนานหลายปีเพื่อนที่ไปด้วยก็เสียชีวิตด้วยด้วยแผลติดเชือ้อเหมือนกับคุณอาวีนาจริงๆ ในความเชื่อเรื่องดวงชะตาและเรื่องเร้นลับนั้นคุณวีนาก็เป็นอีกคนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องเร้นลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาและไม่สามารถหาเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ได้เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคุณวีนาหลายครั้งขนหัวลุกบ้ังเห็นเด็กวิ่งในบ้านบางังและก่อนที่จะมีการสูญเสียของคนใกล้ชิดเกิดขึ้นคุณวีนาจะฝันหรือว่ามีลางสังหรณ์ทุกครั้งอ่าอย่างเช่นครั้งนี้ก็เหมือนกัน คุณวีนาฝันว่าฟันหน้าหักแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายจะตีความออกมาเป็นอย่างไรสงสัยว่าทัาฝันหักจะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณวีนานําความฝันไปเล่าให้สามีฟังสามีก็บอกไม่เป็นไรแต่คุณวีนาใจไม่ดีบอกไม่ถูกว่าทําไมใจหายในวันเดียวกันนั้นตอนเช้าขณะที่คุณวีนานั่งดูทีวีกับลูกอยู่ไม้กวาดซึ่งแขวนอยู่ข้างฝาก็หล่นลงมาเฉย คุณวีนากับลูกก็หันไปมองแล้วก็มองหน้ากันก็นึกสงสัยว่าไม้กวาดมันหล่นลงมาได้ยังไงแกบอกว่านั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ดีๆไม้กวาดหล่นปุ๊บมันหล่นได้ยังไงก็ไม่รู้นึกสงสัยแล้วตอนนั้นยิ่งมาคืนขวัญเมื่อขวัญหักด้วยยิ่งใจไม่ดีไปกันใหญ่เลยสิ่งที่คุณวีนาใจไม่ดีมากกว่าเดิมเพราะไม้กวาดอันนั้นเป็นไม้กวาดซื้อมาจากอาอาผู้หญิงของคุณวีนาถักไม้กวาดขาย อยู่ๆไม่กวาดก็หล่นรวมกับฝันฝันหักก็ทําให้คุณวีนานั่งไม่ติดเจียแต่เวลานั้นไม่ได้คิดถึงอาคิดเพียงแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของตัวเองในใจตอนนั้นก็คิดว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องเป็นเรื่องไม่ดีอย่างแน่นอนนะแกก็บอกว่าไม่ได้คิดถึงคนไกลตัวเลยคิดถึงแต่ครอบครัวตัวเองกลัวจะเกิดเรื่องคุณวีนายอมรับบาดใจเสียกับเหตุการณ์นั้นคิดกังวลและนึกไปสารพัด คิดไปหลายเรื่องกลัวสามีจะเป็นอันตรายจากรถที่ขับกลัวลูกจะเป็นอะไรไปแต่พอสายสายถึงรู้ข่าวอาเสียซึ่งคุณวีนาไม่เชื่อว่าจะได้ยินข่าวนี้เพราะอาไม่ได้เจ็บป่วยไข้ให้เห็นอยู่ๆก็ได้ข่าวว่าเสียก็เลยเป็นเรื่องที่ทําเอาทุกคนช็อกไปตามๆกันเรื่องที่กังวลว่าครอบครัวตัวเองจะเป็นอะไรก็พลันหายไปแกก็บอกว่าพอรู้แค่นั้นแหละตกใจทําอะไรไม่ถูกเลย ใจหายไม่คิดว่าอาจจะไปเร็วอย่างนั้นหลังจากอาคุณวีนาเสียไปคุณมีนาก็เล่าความฝันให้ญาติพี่น้องฟังทุกคนลงความเห็นว่าเป็นลางซังหอนที่บอกคุณวีนาให้รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการสูญเสียแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเท่านั้นเองในหนังสือทํานายฝันบางเล่มบอกไว้ว่าถ้าชายหญิงฝันว่าฝันหักนจะเสียญาติพี่น้องบางเล่มก็บอกชัดเลยว่าถ้าฝันกรามจะเสียญาติผู้ใหญ่ถ้าฝันหน้าจะเสียญาติใกล้ชิด ยังมีฝันล่างฝันบนข้างซ้ายข้างขวาซึ่งทำนาอย่างละเอียดแต่สรุปและเหมือนกันคือต้องสูญเสียญาติสนิทรวมถึงพ่อแม่ของผู้ที่ฝันด้วยบางคนฝันฝั น, นหักหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนฝันเพียงวันเดียววันต่อมาได้ข่าวร้ายทันทีคุณวีนาพูดถึงอาผู้ล่วงลับว่าถ้าหมาไม่กัดแกนะก็คงยังไม่ไปเร็วยางนี้ละ่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคุณวีนาครั้งนี้เป็นบทเรียนให้ผู้ที่อยู่หลังพึงระวังให้มากเกี่ยวกับสุนัขไม่ว่าจะเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขเลี้ยงในบ้านก็ตามถ้าหลีกเลี้ยงได้ก็ควรจะหลีกให้ไกลอย่าให้เข้ามากัดได้เป็นดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าสุนัขตัวนั้นมันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าแฝงอยู่หรือเปล่าและสุนัขตัวนั้นจะนำพาเชื้อไวรัสตัวใหม่เข้ามาสู่ร่างกายคนเมื่อไหร่หากเป็นคราวเคราะห์อาจจะเป็นผลร้ายถึงกับชีวิตได้ง่ายๆ ถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าอาจะไปแล้วยังเหมือนกับยังคุยกันอยู่เมื่อวานนี้เองตอนแกอยู่แกก็เดินมาคุยกันกับแกบ่อยอ่ะคุยพักหนึ่งก็กลับบ้านไม่เพียงแต่คุณวีนาเท่านั้นที่ทําใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาไม่ได้ทุกคนที่รู้จักสนิทสนมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเหมือนกับเพิ่งเจอเพิ่งคุยเพิ่งทักทายเพิ่งหัวเราะกันอยู่วันวานจริงๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนครับไม่มีอะไรแน่นอน ทุอย่างผันแปรเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาทุกนาทีวันนี้เราอยู่แต่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีลมหายใจอยู่บนโลกกลมๆใบนี้แล้วก็ได้นี่แหละครับคือสัจธรรมแห่งโลกสัจธรรมแห่งชีวิตความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนที่แท้จริงครับที่เมืองการนักตกปลาทั้งหลายแหล อาจจะรู้จักหนองเจ็ดกันบ้างหรืออย่างน้อยก็คงจะได้เคยได้ยินชื่อของมันกันบ้างบางคนก็อาจจะเรียกมันว่าบึงจะเป็นบึงหรือเป็นหนองก็แล้วแต่นะแต่คุณอุทัยเรียกมันว่าหนองเจ็ดแกรู้จักมันมาตั้งแต่เด็กๆจำความได้ก็ได้ยินชื่อนี้ได้ยินมาว่าเคยมีคนเคยโดนผีหลอกก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าพวกผู้ใหญ่เขาชอบมาเล่าสู่กันฟังแล้วที่สาคัญก็มักจะเล่าให้เด็กๆฟัง แล้วเด็กๆก็พากันกลัวกลัวกันจนไม่ค่อยกลาย้าย่างกลายไปแถวๆนั้นตัวคุณอุทัยเองก็ไม่ใช่คนกล้ายอยู่แล้วก็เลยกลัวมากกว่าคนอื่นหลายเท่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสถานที่น่ากลัวนี้เป็นอันขาดแต่พอโตอายุสิบเจ็ดปีก็โดนพ่อใช้ให้ไปนอนเฝ้าเบ็ดข่ายที่พ่อลงเอาไว้ที่ต้องให้ไปเฝ้าก็เพราะกลัวจะถูกคนขโมยไปหมดทั้งปลาทั้งเบ็ดตาข่ายดักปลาผืนนั้นพ่อเพิ่งจะควักกระเป๋าซื้อมาจากตลาดใหม่ๆ ตลาดที่ตัวอำเภอการทํามาหากินของพ่อนี่หมายถึงการหาปลาตามธรรมดาแล้วพ่อไม่ได้ให้ใครยุ่งเกี่ยวด้วยพ่อจะทําคนเดียวเบ็ดเสร็จหมดแต่ในวันนั้นหลังจากพ่อไปลงเบ็ดข่ายเอาไว้ที่หนองเจ็ดแล้วกลับมาบ้านมากินข้าวเย็นเพื่อที่ว่าหลังจากอิ่มข้าวดิบดีแล้วพ่อก็จะกลับไปเฝ้าเบ็ดข่ายที่ลงเอาไว้แต่วันนั้นหลังจากกินข้าวแล้วพ่อออกจากบ้านไม่ไหวเพราะว่าพ่อเกิดปวดท้องอย่างหนักขนาดที่ว่าพ่อเองก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่รอด แสดงว่าต้องปวดอย่างรุนแรงมากสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าการไปมาโรงพยาบาลยังลําบากลําบนอยู่มากใครเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะพึ่งพายากลางบ้านกันก่อนเป็นอันดับแรกพ่อก็เหมือนกันแม่ก็หาอยู่ยาใครมียาดีก็ไปขอเข้ามาช่วยแก้ไขเบื้องต้นอาการปวดมันไม่ทุเลาน่ะไม่ยอมทุเลาเล่นงานพ่อหนักเวลาก็มืดค่าลงทุกทีพ่อก็ไม่หาย ขนาดย่ำแย่ยังงั้นพ่อเ็ยังเป็นห่วงเบ็ดขายที่ลงเอาไว้ในหนองเจ็ดกลัวว่ามือดีจะมากู้เอาไปหมดถ้าพ่อไปไม่ไหวก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งไปนอนเฝ้าแทนพ่อถ้าหากปล่อยทิ้งไว้หายแน่เพราะคนอื่นที่เขาเคยโดนฉกเอาไปแล้วสองสามรายแล้วสองทุ่มพ่อมีอาการดีขึ้นมาหน่อยก็จะออกนอกทุ่งแม่ก็ห้ามไม่ให้พึ่งออกไปเลยเดี๋ยวไปเป็นอะไรกลางทุ่งแล้วใครจะช่วยได้ ที่แรกพ่อก็ไม่ยอมเชื่อแม่แม่ก็ชักไม่พอใจที่พ่อดื้อรั้นก็เลยพูดว่าถ้าแกไปเป็นอะไรอีกก็จะปล่อยให้นอนตายอยู่ในหนองนั่นแหละพอพ่ อ, พอได้ยินก็หยุดแล้วก็ออกปากใช้ให้พี่เขยไปเฝ้าแทนพี่เขยก็ตกใจมองคุณนั้นทีคนนี้ทีเพราะเขา ก, กลัวพ่อเห็นสีหน้าท่าทีพ่อก็รู้แล้วพ่อก็เลยใช้ให้คุณอุทัยไปเป็นเพื่อนด้วยสองคนช่วยกันกับพี่เขย พี่เขยเนะ่ไม่ใช่คนแถวย่านบ้านนี้เข้ามาจากหมู่บ้านอื่นไม่เคยรู้เรื่องที่หมู่บ้านมากนะแต่เขากลับรู้เรื่องผีหนองเจ็ดก็ไม่รู้ว่าเขาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก่อนที่คุณอุไทยกับพี่เขยจะออกจากบ้านกันพ่อก็บอกตำแหน่งว่าลงเบ็ดขายไว้ตรงไหนบอกให้เราสังเกตเรือว่าจะมีเรือจอดอยู่เรือที่บ้านตัวเองนะจำได้ไม่ว่าจะเห็นที่ไหนคุณอุไทยก็จะรู้ว่าเป็นของเราเราก็จะหากันจนเจอคิดอย่างนั้น ผีมาตอนที่คุณอไทยกับพี่เขยลงไปอยู่ในเรือกันแล้วแยกยังนั่งอยู่หัวเรือพี่เขยอยู่ท้ายเป็นคนถือท้ายคุณอุไทยมองไปก็เห็นเรือลํานึงได้ยินเสียงภายกระทบน้ําอยู่ข้างหน้ามองเพ่งไปอีกก็เห็นมีคนอยู่ในเรือกําลังกู้ไข่ก็ฉายไฟไปแสงจับที่ด้านหลังคนคนนั้นเขาใส่เสื้อสีดําสวมหมวกสานมีปีกกาลังก้มๆเงยๆสาวตาข่ายอยู่ คุณอูไทยก็หันไปส่งสัญญาณให้พี่เขยรู้ว่าเห็นอะไรบางอย่างแล้วพี่เขยก็ถามว่ามีอะไรอ่าคุณอูไทยก็โบกมือให้เขาเบาๆเสียงเขาก็หยุดพูดก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าแต่เขาไม่เห็นว่าอะไรก็คิดว่าเขาคงจะรู้เรื่องแล้วแต่แล้วพอกุณอูไทยมองไปอีกทีก็ไม่เห็นคนแล้วก็เรือลํานั้นแล้วสาแสงไฟสายไปมาก็ไม่เจอตัวก็เลยถามพี่เขยว่าหายไปไหนแล้วออ่ะ่า ที่คุณอูไทยต้องสนใจคนนั้นก็เพราะว่าเขาต้องกําลังกู้ขายของพ่ออยู่แน่ๆตามที่พ่อบอกพ่อลุงขายเอาไว้แถวๆนี้แต่พอคุณอูไทยถามพี่เขยเขากลับย้อนถามซะอีกว่าอะไรที่ว่าหายไปไหนอ่ะอะไรนี่เขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็เลยถามว่าพี่ไม่เห็นอะไรเลยเหรอตะกี้เนี้เขาก็บอกเห็นอะไรก็เลยบอกไปว่าผมเห็นคนกระเรือสงสัยว่ากําลังกู้ขายของพ่ออยู่ เขาบอกไม่เห็นไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยเออแปลกดีมันเป็นอะไรกันน่มะเป็นเรื่องประหลาดแต่พอเขารู้เขาก็ไม่รอช้าก็ถามคุณอุทัยว่าเห็นผู้ชายคนนั้นตรงไหนก็อบอกว่าตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ถึงจะบอกเขาก็ถือท้ายเรือตรงไปข้างหน้าเขาไปใกล้ๆจุดหมายทีละน้อยในที่สุดก็จะถึงตรงนั้นแต่แล้วคุณอุทัยก็ต้องตกใจชะ ง, งักรีบหันไปบอกพี่เขยบอกหยุดก่อนเพราะว่าเห็นเขาคนนั้นแล้ว ลอยเรือจอดอยู่ข้างๆทางซ้ายมือนั่นเองห่างจากเรือของเราเราเราสามสี่วาจอดเงียบเนี่ยคงจะซุ่มแอบดูพวกเราอยู่ว่าอย่างนั้นพอพี่เขยเข้าใจเขาก็อยู่เรือคุณอุไทยรีบส่องแสงไฟไปทางคนนั้นทันทีเลยฉับพลันก็ไม่เห็นอะไรเลยมันว่างเปล่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะ่ะอ้าวงงอีกแล้วรีบฉายไฟส่องสายไปรอบๆก็ไม่เจอตัวเขานี่เองที่ทำให้คุณอุไทยชักใจคอไม่ดีขึ้นมาแล้ว และคิดว่าตัวเองคงจะโดนผีหลอกซะแล้วเออตัวเองเห็นแต่พี่เขยไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้ก็มารู้ในตอนหลังว่าพี่เขยเคยได้ยินเรื่องผีนองเจ็ดมาแล้วคือนั่นเขาก็กลัวมากแลวเขาก็ว่าที่ที่คุณอุทัยเห็นน่ะคงจะเป็นผีแน่ๆพ่อรู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรเลยครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณสวยเล่าให้ฟังครับคุณสวยเล่าว่าย่าตายตั้งแต่แกยังไม่เกิด แกไม่เคยเห็นหญ้าตัวเป็นๆแต่ก็มีรูปอยู่เป็นรูปเก่าขาวดำเก่ามากๆแล้วเหลืองเลยทุกวันนี้รูปนั้นก็ยังอยู่ก็เก็บเอาไว้เอามาจากพ่อพ่อมาอยู่แล้วตายไปตอนที่พ่อแกอายุเจ็ดสิบกว่าอ่าตอนนี้คุณสวัยก็แกแล้วอายุหกสิบแล้วลองคิดดูว่ารูปถ่ายหญ้านี่ยมันจะนานขนาดไหนคุณสวัยเป็นคนไม่ค่อยจะดีนักถึงจะอายุมากแล้วก็ยอกยังชอบทาตัวเหลวไหลยอยู่เป็นประจำ งานการไม่ค่อยได้หยิบได้จับจ้าลูกเมียไม่อยากจะเสวนาด้วยเมียก็ขอเลิกขอหย่าไปตั้งแต่ตอนที่แกอายุได้ห้าสิบแกก็อยู่คนเดียวมาสิบปีแล้วลูกๆ ก, ก็ไม่มีใครจะมาเหลียวแลเลยมีอยู่สามคนมีครอบครัวกันหมดแล้วก็อยู่กับครอบครัวของพวกเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับแกไม่ได้หยิบยื่นเงินทองให้แกแล้วแกก็อยู่ตัวคนเดียว ตอนก่อนโน้นที่ยังไม่เลิกกับเมียเขาอยู่กันที่กรุงเทพแต่ว่าตอนหลังไม่มีอะไรเหลือนี่ก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดบ้านหลังเก่าที่แกเคยอยู่เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่จริงๆแล้วก็คือเป็นบ้านยามาก่อนนั่นแหละเต่าผูพังหลังคาหายไปแถบอ่ามันอยู่ใกล้ใก้กอไผ่ด้านนั้นหายไปเหลือแต่ด้านเหนือก็เลยเหมือนกับว่ามันเหลือบ้านอยู่ครึ่งหลังแกก็อยู่บ้านครึ่งหลังเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรให้มันดีไปกว่านี้ ฝนตกก็หลบหลบเอาพอนอนได้หาแผ่นสังกสีกับกาวมาบังเวลาฝนมันสาดใช้ชีวิตมันแบบนี้แหละตามประษาบ้านปลายของชีวิตแล้วนี่ไม่คิดอะไรมากแต่มันก็ลําบากแกก็เคยลําบากมาก่อนนอกจากเคยลําบากยังเคยสบายมาด้วยก็นึกซะว่าเส้นกราฟชีวิตมันกําลังพุ่งลงต่ํากว่าแล้วกันมันเป็นเรื่องของชีวิตที่มีขึ้นมีลงเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงก็ต้องทําตัวเองอ่ะทําไม่ดีแล้วมันจะดีได้ไงอะกรรมคือการกระทํา ทำอย่างไหนมันก็ส่งผลอย่างงั้นแหละถ้าหาว่าแกไม่ออกนอกลูก่นอกทางเมียก็คงจะไม่ขออยาลูกๆ ก, ก็คงจะยังนับถือเป็นพ่อก็คงจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แต่ยังไงเสียนนี่ก็ยังพออยู่ได้ดีนะที่มีบ้านกล่าวบ้านแก่ไม่ได้ขายไปซะก่อนบ้านพังๆกับคนแก่ๆมันก็เหมาะสมเมื่อแล้วละ่ะเหมือนเป็นเนื้อคู่กันคืนหนึ่งก็นอนหลับอยู่ก็ฝันถึงญ้าเกิดมาไม่เคยเห็นญ้าที่ยังมีลมหายใจเห็นแต่ในรูป แต่ที่เห็นเนี่ยในฝันเป็นย้าแน่ๆเลยรูปร่างหน้าตาเหมือนในรูปย่ามายืนอยู่แล้วก็มองดูแกย่าพูดว่าแกกำลังลำบากน่าจะมีใครสักคนช่วยแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะช่วยแกได้เลยลูกแกเมียแกก็ไม่สนใจแกสักคนแกก็ไม่ได้ไปขอร้องให้เขาช่วยไม่ได้ไปบอกว่าแกกำลังลำบากแกมันเป็นคนอย่างนี้นะแกไม่ใช่คนดีแกก็รู้ตัวใช่ไหมล่ะแกรู้ตัวน่ะดีแล้วดีว่าไม่รู้คนเรามันต้องรู้ว่าตัวเองเป็นยังไง เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่มีใครช่วยแกเดี๋ยวย่าจะช่วยกันแล้วกันย่ามีหลานอยู่แค่แกคนเดียวแกต้องการในตอนนี้ก็คือเงินย่านะไม่มีเงินหรอกแต่ย่ามีของที่คงจะทำให้มันเป็นเงินขึ้นมาได้แกต้องเข้าไปที่สวนนะสวนที่อยู่หลังบ้านมันมีต้นไม้หลายต้นแกต้องไปที่ต้นละมุดต้นละมุดเนี่ยมันมีมานานแล้วแกเคยเห็นบ้างไมละ่ะถ้าแกไม่ได้สนใจจาไอ้ต้นละมุดแล้วก็พรุ่งนี้แกไปดูว่ามันอยู่ตรงไหน แล้วตรงโคนต้นของมันน่ะแหละแถวแถวโคนต้นของมันน่ะมันจะมีอะไรอยู่อย่างนึงแกหาดูก็จะเจอเองแกอาจจะต้องขุดมันก็ใช้เสียมใช้จอบมันจะต้องอยู่ที่นั่นนะ่ะมันไม่น่าจะอยู่ที่อื่นนะยา่าคิดว่าอย่างนั้นแหละเช้าตื่นขึ้นมาแกก็ยังจําความฝันได้มันชัดเจนจําได้ว่าย่าบอกให้ไปดูที่ต้นละมุดในสวนน่ะมีต้นละมุดอยู่คิดว่าเคยเห็นแต่มันก็นานมาแล้วต้นละมุดจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ พอกินข้าวเช้าเสร็จแล้วในสวัยก็เข้าสวนเดินไปดูยังทิศทางต่างๆมันอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยมันคงจะตายไปแล้วถ้าอย่างนั้นจะเจอมันได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแกก็นั่งลงคิดทบทวนความจําอยู่นานมากจนพอจะจําได้ว่ามันมีอยู่จริงๆแต่มันอยู่ทางไหนละ่ะก็เดินดูอีกรอบก็ยังไม่เห็นมันอยู่ดีก็กลับมาบ้านมานั่งนึกนั่งคิด แม่ความทรงจําของแกมันแย่มากเพราะว่ามันนานมาแล้วตั้งแต่แกยังเด็กๆอยู่เวลามันผ่านมาตั้งกี่สิบปีอย่างน้อยก็คงจะห้าสิบมันไม่ใช่น้อยๆเลยคิดว่ามันจะต้องอยู่แถวๆนั้นอ่ะมันอยู่ทางด้านทิศเหนือนะ่าจะเป็นอย่างนั้นตรงมุมสวนใกล้ๆกอไผ่ยยอยู่ทางขวามือถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือนะก็จะต้องไปดูว่ามันจะมีร่องรอยหรือว่าตอไม้เก่าๆอยู่บ้างหรือเปล่าแกก็เลยออกไปที่สวนอีกครั้งหนึ่งตรงไปทางทิศเหนือ มองไปทางด้านขวามือกอภผยยังอยู่แต่มันสุดโทมมากแล้วก็รกมากด้วยแกมองหาต้นละมุดก็ยังไม่เห็นแหวกป่าเข้าไปใกล้ๆความทรงจําขณะเข้ามาเดินแถวนี้ก็พอจะจําได้เรือนลางว่ามีต้นละมุดอยู่อย่างแน่นอนมันจะมีต้นนมแมวอยู่ด้วยก็เข้าไปยืนตรงที่คิดว่าเคยมีต้นละมุดมองหาตอไม้เก่าๆซึ่งน่าจะมีอยู่ถ้ามันเคยมีอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังไม่เห็นมันไม่มี วนไบวนมาอยู่แถวนั้นเพื่อจะหาไอ้ต่อต้นละมุดเก่าๆอะ่ะก็เกิดความลังเลอย่างมากว่าจะเอาอยัางไงดีจะลองขุดดูหรือเปล่าก็หมายตาไว้สามแห่งด้วยกันทางขวามือนั่นเฉียงออกไปหน่อยมันก็น่าจะใช่หรือว่ามุมบนนั่นก็ตัดสินใจยังไม่ทำอะไรกลับไปคิดดูไต่ตรองให้แน่ใจคืนนั้นแกก็นอนคิดว่ามันจะตรงไหนกันแน่คิดไปคิดมาทบทวนความจาให้แน่ชัดพอแน่ใจขึ้นมาบ้างอ่า หลังจากนึกออกแล้วก็นอนหลับไปเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเช้าพรุ่งนี้จะต้องลงมือขุดแน่ยาก็คงจะช่วยโดนใจด้วยให้ขุดถูกที่ถ้ามันมีอยู่จริงวันต่อมาตอนใช้าสายแกกินข้าวอิ่มแล้วก็แบกจอบเก่าๆออกไปที่สวนแน่ใจแล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงไปที่นั่นแหละแหวกหาคุยหาด้วยจอบหาต่อต่อไม้ต้นละมุดหาจนเจอมันผุแล้วแต่ก็ยังมีเ้าอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยก็เลยลงมือขุด ขุดลึกพอสมควรไม่ต่ำกว่าหนึ่งศอกก็ยังไม่เจอก็ย้ายใหม่ขุดหามันทั้งสี่ทิศเลยเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกก็ยังไม่เจอก็เริ่มขุดตรงที่เว้นว่างไว้ทางทิศ ต, ตะวันออกเสียงเหนือก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆสรุปแล้วขุดมันจนรอบโคนต้นละมดุดเหนื่อยจนลิ้นห้อยหยุดพักอยู่ตลอดอืไม่อย่างนั้นก็คงตายแน่ทําขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่พบอะไรเลยก็ได้คิดว่าเอธิยาบอกนี่มันหมายความว่ า, ายัางไงกัน ก็เลยตัดสินใจไว้ต้องทําอะไรสักอย่างหยิบก้อนดินขึ้นมาแล้วพนมมือคิดถึงญ้าขอให้ย้าช่วยบอกชัดๆว่ามันอยู่ตรงไหนพอนึกเท่านั้นอะลมณ์เย็นพัดวูบมาเย็นเจี๊ยบเลยอ่าขนลุกเรียวก้อนดินหลุดจากมือแล้วกลิ้งไปหยุดตรงนั้น่ะห่างจากที่จะยืนอยู่ทางซ้ายมือแกก็ขนลุกอีกเพราะเห็นชัดว่าก้อนดินไม่น่ากลิ้งไปได้พื้นที่มันขรุขระแต่มันกลิ้งไปเหมือนจะมีบางอย่างช่วยกลิ้งมัน ก็นึกได้ว่าหญ้าต้องชี้ที่ขุดให้แล้วก็เลยยกมือไหวหญ้าแล้วลงมือขุดไปลึกแค่หน้าจอบเดียวก็เจอกระปุกดินเผาใบเล็กๆมันคว่ำอยู่ก็เลยเอาจอบงัดขึ้นมาแค่ดินออกก็เจอสร้อยคอทองคําเก่าๆสองเส้นแต่เมื่อขัดถูก็เหลืองอารามมันอยู่ในนั้นเส้นหนึ่งน่าจะสองบาทส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คิดว่าน่าจะสามบาทแกน้ําตาไหลก้มลงกราบหญ้าหน้าที่ตรงนั้นก็เอาไปขายมันหนักห้าบาทจริงๆได้เงินมา ก็ฝากธนาคารส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ซื้อกินเอาไว้ใช้ยามจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่จ่ายแล้วก็เอามาซ่อมบ้านให้พออยู่ได้เงินทองหาไม่ได้แล้วถ้าย่าไม่เมตานี่แย่เลยขอบพระคุณย่ามากที่ช่วยเหลือถ้าไม่ได้ยา่าผมคงจะอดตายแน่ๆย่าดีกับผมมากญ่าตายไปแล้วแต่ยา่ยาก็ยังเป็นห่วงผมในสวัยรีบตื่นแต่เช้าหุงข้าวใส่บาตกวดน้าให้ยา่าเกือบทุกวันนะในสวัยเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเขา อ่าเขาก็อยากให้เผยแพร่เรื่องนี้ไปเขาอยากจะบอกว่าปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะลืมลูกหลานท่านยังคงเฝ้ามองดูอยู่ถ้าขับขันจริงๆท่านก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นหลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้วใครพอจะมีกําลังเงินทองซื้อหาของกินใส่บาตร ท, ทาบุญกรวดน้ําไปให้ท่านได้ก็ควรจะทําครับอย่าปล่อยปะละเลยเสียทีเดียว เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรยอดพบกวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ